คาชาคาชาอติกาทเทเสตุทรมมังอนุกามปิมังประชังท้าวสหัมบดีผู้เป็นอธิบดีแห่งโลกได้ประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่า ศาสตร์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในโลกขอพระคุณเจ้าโปรดแสดงธรรมอนุเคราะห์ด้วยเถิดขอภัยพระอาจารย์ขอความกรุณาปิดมือถือนะคะอันนี้ก็ออกสถานีพิธีค่ะ ถ <distinction S 2> <rica> ่ายทอดสถานีวิทยุด้วยนะคะข้าขอพระคุณค่ะนราสะโพเนเกสุเบาโสติงสปารมีนามิศิราสานิจยัง สุเรตวะคาโตวะรังโมขังนาโทอภิชันโดดาวยังหิตวะสราทกังโมดังวเนสุดุการังนามิสิระสัจระลัง พระนราสภะผู้ทรงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัตนับพบนับชาติไม่ท่วนเสด็จมาดีแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระนราสภะผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียนเกล้าเป็นนิดพระนาถะทรงปราถนามโมกษธรรมสระพระราชโอรสและก็พระมเหสีทั้งสอง พร้อมด้วยแว่นแควนน้อยใหญ่ทรงเรื่อนลมในภัยสนข้าพระเจ้าขอนอบไหวพระนาถะผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นด้วยเสียรกล้าวขอก็ก็คณะสงฆ์นะที่มาวันนี้ด้วยแล้วก็เขาจะเดินพรญาติโยมทั้งหลาย ในวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมที่บอกว่าพระบรมศาสดาในทรงสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่การที่พระบรมศาสดาได้ทรงสร้างบารมีทั้งสาสิบทัศน์ที่บอกกับท่านนบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี สัจจะขันติขันติสัจจะอธิฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขาบา ร, รมีอุปาบารมีสิบปรมัตถบารมีสิบที่เป็นต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้นุตรสัมมาสัมโพธิญาณเราท่านทั้งหลายที่ในฐานะที่ได้รับฟังพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าก็ยังมหากุศลจิตตุปบาท คือจิตที่ไม่มีโทษแล้วก็ให้ผลเป็นความสุขแล้วก็จิตเนี้ยที่นอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่กุศลจิตเหล่านี้สามารถที่จะให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนแล้วก็เป็นเบื้องต้นของสมาบัติของอภิญญาของมากผลฉะนั้นกุศลจิตตุปบาร์ที่เกิดขึ้นจากการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า กุศลจิรบาทที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมบางท่านก็ยังกุศลจิุบาทที่เป็นไปในญาณสัมปยุตคือเกิดพร้อมโดยปัญญาเกิดขึ้นในขณะที่ฟังพระธรรมบางท่านก็เกิดขึ้นโดยฐานะเป็นญาณวิปยุตแต่ก็อยู่ในฐานะเป็นกุศลจิตฉะนั้นมหากุศลจิุบาทเนี่ยถ้าพิจารณาเป็นไปตามลําดับแล้วเนี่ ก็จะเห็นว่าสภาพของกุศลจิตที่เกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมนั้นเป็นประทัดฐานแก่ปราโมดคือความปราบปลื้มเนี่ยนะแล้วก็ปลาโมดก็เป็นประทัดฐานแก่ปีติปีติก็เป็นประทัดฐานแก่ปัตสธิคือความสงบปัตสติความสงบก็เป็นประทัดฐานของความสุข ความสุขก็เป็นประทาฐานของสมาธิสมาธิก็เป็นประทาฐานของยถาภูตญยานทัศนะยถาภูตญานทัศนะเป็นประทาฐานแก่นิพิธาคือความเบื่อหน่ายกระแสของชีวิตที่เป็นไปในกามภพรูปภพและอรูปภพนิพิธาคือความเบื่อหน่ายจากเป็นประทาฐานของมรรคยาน มห า, า, า, า, า, า, า, ายานก็เป็นประทัดฐานของผลลยานผลลยานก็เป็นประทัดฐานของปัจเจเวคณาญาณปัจเจเวคณาญาณก็เป็นประทัดฐานของอนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่นะที่เราปรารถนาในการที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในวันนี้เราปารถในการศึกษาในเรื่องของศีล โดยเฉพาะศึกษาในด้านของบารมีธรรมของพระบรมศาสดาด้วยแล้วก็ต้องการที่จะเข้าใจการที่พระบรมศาสดานั้นน่ะ น, นะท่านบำเพ็ญบารมีแล้วก็บารมีต่างๆเหล่านั้นนะ่ะเราท่านทั้งหลายต้องการจะมาย่อยมาเป็นหลักปฏิบัติของเราเป็นต้นด้วย 1. การศึกษาในทางด้านของศีลบารมีของพระพุทธเจ้า แล้วเราท่านทั้งหลายจะได้เอาศีนั้นมาเจริญได้แล้วก็เดินตามรอยบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนั้นในการที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามาพิจารณาจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณการที่พระบรมศสาสดามีพระมหาที่คุณนั้นมาจากคาว่าพระควาโต ที่ท่านใช้คําว่าบคาวาอาคมาเคนาปัญจมาเรอเสสโตผัญจิตวหานสิกาปโตสปัลลังกังนามิตังขันตวามุนิวโรตัมหาอนิมิเสวราสะโพ ขนาเนปุณจันโดวาสามิมีสังนามมีตังวันตามิโสนเพนาโททศตวาปาติหาริยังวาซาโดวิยกังกมีสจังกมีนมามิตัง โตราติตาสังกาโซโรกโคโรตนาคเรโตเซสีชนังรังเซหีสัสราหังนามามีตังพระผู้มีพระภาคเจ้าชงทรงชนะมารทั้งห้าคือกิเลสมารเป็นต้นพร้อมด้วยกองทัพโดยสิ้นเชิงด้วยอรหัตมคยาน พระบรมศาสดาทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยแล้วก็นอบน้อมโพธิบัลลังก์ที่พระบรมศาสดาทรงประทับด้วยพระจอมุนีเสด็จออกจากโพธิเพลศเสด็จประทับยืนณสถานที่ประเสริฐ ด, ด้วยพระเนตรที่ไม่ทรงกระพริบเปรียบประดุ ด, ดังจันทเพนบนท้องฟ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระจอมุนีพระองค์นั้นด้วยแล้วก็สถานที่ยืนอันไม่กระพิพเนตน์ั้นด้วยพระนาถเจ้าผู้คายอามิตรแล้วทรงแสดงยมกาฏปฏิหารอันนา่าอัศจรรย์แล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จจงกรมองค์อาจดังราชสีนรัตนจงกรมเจดีย์นั้นข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระนาถ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยสถานที่จงกรมคือรัตนจงกรมนั้นพระไตรโลกนาถผู้เปรียบเสมือนเสาเขื่อนอันมั่นคงสเสด็จประทับนรัต น, รนคราเจดีเรือนแก้วยังมหาชนให้สมมนัดด้วยฉับพันรังสีข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระไตรโลกนาถพระองค์นั้นพร้อมด้วยรัตนคระเจดี เจดีคือเรือนแก้วนั้นด้วยเสียงกล้าฉะนั้นในคาว่าพระควะโตที่พระบรมศาสดาได้พระนามนี้เนี่ยหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยเป็นคำที่แสดงถึงพระคุณอันเป็นเบื้องต้นของพุทธปวงพุทธคุณทั้งปวงพระบรมศาสดาเนี่ยพระองค์เป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์ทุกจาพวก แล้วก็อันหาประมาณมิได้ในโลกธาตุอันหาประมาณมิได้ด้วยพระมหาการุณาที่คุณนั้นยิ่งใหญ่ทรงมีพระประสงค์ในการที่จะนำสัตว์ออกจากภัยกก่าวคือวัตตสงสารเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าสู่แดนกเกษมสำราญคืออมาตะมหานิพพานจึงทรงอุตสาหะแล้วก็ทรงหานกล้ามาก โดยการบำเพ็ญโพธิญาณบรารมีคือโพธิญาณบรารมีธรรม ท, ที่ยั่งยืนเนี่ยนะไม่เสื่อมถอยนับเป็นเวลายี่สิบอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนมหากับถ้าเรามาพิจารณาจากที่เราท่านทั้งหลายเคยศึกษากันเคยฟังว่าทำกันมาเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ความจริงน่ตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบทนะจะได้ก่อนที่จะได้รับ รัตเยทรยากรเนื้อได้รับพยากร์จากพระพุทธเจ้าทีบังกรนั้นพระองค์ก็จะสามารถที่จะตัดสรู้ได้อย่างแน่นอนนั้นหากพระองค์จะสละความปรารถนาที่ตนเองสั่งสมมาตั้ง16อสงไข่เนี่ยพระองค์ก็จะได้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าทีบังกรและพระองค์จะต้องไม่ลำบากไม่เหนื่อยยาก ไม่ต้องมาบําเพ็ญบรารมีสิบอุปบรารมีสิบปรบาตธรมีบรารมีสิบอีกตั้งสี่สงไขยิ่งด้วยแสนมหากราบเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพระองค์กลับมามีผ้าไทยน้อมไปในทางสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่วแน่ทาไมไม่เปลี่ยนใจน้อมเอาแค่สาวกโพธิญาณถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามบอกว่าใจของพระองค์ในขณะนั้นนี่ย ท่านประกอบด้วยตัณหาหรือไม่ว่าท่านปราดอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อมีชื่อเสียงเพื่อลาบสการะเ พ, เพื่อเสียงสรรเสริญเยนยอหรือไม่ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยปราถนาที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในหาไทยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมุ่งมั่นหมาย สัมมาสัมโพธิญาณทรงมีพระมหากรุณาปรารถนาที่จะอนุเคราะห์ต่อสรรพสัตว์จึงไม่ยอมสําเร็จเป็นพระรหา์และปริิเนปนในชาตินั้นในข้อความเนี่ยท่านกล่าวไว้บอกว่าสุเมธาดาบทกล่าวว่าเมื่อเรานอนอยู่บนพื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าในวันนี้เมื่อเราปรารถนาทําลายกิเลส คือราคาโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิช้าหิริกาโนตปาและอุาาทะจะก็สามารถทําได้และจักบรรลุเป็นพระอรหันตันดีแต่จะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่จะรู้ว่ารมในศาสนานี้โดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักคําว่าโดยเพศโดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักเนี่ยโดยฐานะนั้นเน่ย ไม่ใช่ว่าพระองค์ต้องการอยากจะให้คนรู้จักและนับถือพระองค์คำว่าโดยเพศที่คนอื่นไม่รู้จักถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าคนจักไม่ตั้งศรัทธาไว้อย่างมั่นคงเพราะคุณธรรมเหล่งหลากหลายที่ประชุมลงในกระแสขันของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่จะเป็นประโยชน์ต่อการเอื้ออำนวยเราเนี่ย ในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเรารู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยปันนี Likewise, ้เราบรรลุแล้วเพราะเราไม่รู Everything ้จักท่านเราเดินผ่านท่านมาอย่างยาวนานในสังสารวัตรคำว่ารู้จักนั้นในในคำนั้นน่ะท่านหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งสัจทินซีไว้ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่ได้ตั้งสัจทินรีไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้า สัตทินรี์ก็ไม่เป็นปัจจัยแก่วิริยะในการที่จะออกจากบาปหรือว่าในการที่จะละบาปในการที่จะเจริญกุศลเป็นต้นเมื่อไม่มีวิริยะสติจะทํากิจในการที่จะระลึกได้อย่างแรงกล้าในการที่จะลึกแยกแยะบุญบาปเป็นต้นก็ไม่ชัดแต่ถ้าหากว่าสติแรงกล้าสตินั้นก็จะเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็จะเป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็จะมาเกื้อหนุนศรัทธา ตัวอินทรีห้าพละห้าทั้งหลายเขาจะมีความบริบูรณ์ด้วยการเป็นปัจจัยแก่กันและกันฉะนั้นเพราะเราไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้ามาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงปราถนาให้สัตว์โลกรู้จักเพราะเมื่อสัตว์โลกได้รู้จักพระบรมศาสดาแล้วสัตว์โลกนั้นจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นที่ผ่านมาแม้ในปัจจุบันชาติเนี่ย ในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่รู้จักพระพุทีเจ้ามาเราได้ยินชื่อได้ยินชื่อแต่คําว่ารู้จักในที่นั้นเรายังไม่ชัดเจนในคุณของท่านฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมาพิจารณาอย่างเนี้ยถ้าตอนที่บอกว่าท่านมาพิจารณาว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะรู้แจ้งพระธรรมในศาสนาในเพศที่ไม่มีคนรู้จักเราจักบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อได้สัพพยุตยานเป็นพระพุรีเจ้าในหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดามาพรพลผม จะมีประโยชน์อะไรแก่เราก็เป็นผู้ชายที่มีกำลังความสามารถท่านบอกว่าท่านเป็นเพศบุรุษท่านเป็นผู้ชายท่านมีใจกล้าหารอาจหารจะมีประโยชน์อะไรเล่าแก่ท่านที่จะเป็นผู้ชายที่มีกำลังความสามารถจะข้ามพ้นแต่เพียงผู้เดียวเราจะาบรรลุสัพพัญญุตยานช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นได้ด้วย ด้วยกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งบุรุษเราจากบรรลุสัพพัญุตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นด้วยอาศัยเหตุดังกล่าวนี้แหละพระองค์จึงต้องทนทุกทรมานสร้างพุทธบรารมีด้วยวิริยะอุตสาห์อีกยาวนานนับเป็นเวลาสียสงไข ย, ยิ่งโดยแสนมหากรั กว่าจะได้ตัตุรุนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้ไม่ได้ตัสรรุก็ยังมีได้สมประสงค์ก็จะให้สัตว์ทั้งหลายนะ่ข้ามพ้นจากความทรมานแล้วก็เข้าถึงแดนสงบกก่าวคือพระนิพพานเป็นต้นได้จึงทรงบำเพ็ญบารมีแล้วทรงแผ่มหากรุณาสมาบาาัฏิญาณพระญาณที่พระพุทธเจ้าทรงมีความกรุณาต่อสัตว์โลกก็ได้แก่ว่าสัพสัต ทรงประกาศธรรมจักรโดยอเนกปริยายจํานวนถึง 84% ดหมพพระธรรมขันธ์ธรรมจักรที่พระบรมศาสดาทรงประกาศนั้นน่ะเปรียบเสมือนหงายของที่คว่ําด้วยมีพระมาหากรุณาวารรษทั้งหลายผู้มีกิเลสน้อยจักพึ่อมรู้ธรรมเหล่านี้ได้คือพระบรมศาสดาเนี่ยที่พระองค์ทรงประกาศธรรมจักรทั้ง8 000, 000ปดหมพันพระธรรมขันธ์เนี่ย ทรงประกาศอย่างนั้นน่ะโดยมีพระหมหากรุณาที่คุณต่อเราต่อเหล่าสัตว์ทั้งหลายบอกว่าสัตว์ผู้มีกิเลสหรือทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยจะมีโอกาสได้ดื่มด่ำรสธรรมจักที่พระองค์ทรงประกาศหรือที่พระองค์ทรงหมุนเข้าไปยังกระแสใจของสัตว์โลกสัตว์นั้นก็จะได้ดื่มด่ำรสของศีลคุณสมาธิคุ ณ, ญญคณที่พระบระมาศา ส, สดาทรงหมุนเข้าสู่กระแสใจของสัตว์นั้น สัตว์นั้นก็จะได้บรรลุเข้าถึงความสงบฉะนั้นพระผู้มีพรภาคเจ้าทรงมีพระวิริยะอุสาหะไม่ได้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรากายแต่อย่างใดตลอดพระชนมชนชีพตรงนี้ที่ท่านกล่าวเขาไว้บอกว่าจริงอยู่พระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายย่อมดำรงอยู่เพื่อเกื้อกูลแก่โลกเท่านั้น จำเดิมแต่ทรงบำเพ็ญอภินิหารความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาพุทธภูมินั้นที่ยิ่งใหญ่ตาเท่าจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพานเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าอาศัยพระคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยอาศัยเหตุท่านบอกว่าแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระมหากรุณาธิคุณ อาศัยสัมปท า, าของพระบรมศาสดาสามประการคือเหตุสัมปท า, าผลสัมปท า, าและก็ศัตรูประการสัมปท า, าที่ท่านกล่าวบอกว่าเหตุสัมปท า, านั้นความถึงพร้อมด้วยเหตุคือความเพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการยังบำเพ็ญโพธิสมภาบรบารมีสามสิบทัศนก็คือทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมี วุริยาบรารมีขันติบราบรมีสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็บีคาบรารมีอุปบารมีสิบบารมต์ธรรมบารมีสิแม้มหาวิปัสนาญาณและสัพพัยุตยานหรือเกี่ยวกับพยานทั้งหลายของพระบรมศาสดาที่เรียกว่ามหาวชิรญาณปัญญาดังกรทาเพชรอันยิ่งใหญ่ที่พระบรมศาสดาทรงเข้าที่จำนวนสองล้านี่แโกรธสมาบัติ อันพระองค์ให้เกิดขึ้นแล้วนะ่ะควงไม้โพธิพฤกษ์ก็นับเข้าในเหตุตัวสัมปทานนั่นแหละคือเหตุตสัมปทานถึงพร้อมด้วยเหตุเนี้ยมหาวิปัสสนาญาณ น, นั้นเป็นประทัดฐานของโพธิสมภาร น, นะหร อ, อโพธิญาณ น, นะฉะนั้นมหาวิปัสสนาญาณนนะ่ยเป็นประทัดฐานเป็นเหตุของโพธิญาณอันประเสริฐคืออารัจมัคคยาณโดยแท้อีกในหนึ่งท่านกล่าวว่าปัญญาเนะี่ยนับเนื่องในปหานาสัมปทา ส่วนผลและสัมปทานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงผลทั้งสี่ประการทั้งสี่ประการก็มีประหานะสัมปทาการละกิเลสพร้อมได้วาสนาพระบระมา ศ, าศาสดาเนี่ยทรงละกิเลสคือราคาโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหีริกาโนธปะเลอุทะจาวาสนาทั้งหลายนั้นพระองค์นั้นทรงละในกมะบว น, นดานของพระองค์โดยสิ้นเชิงซึ่งต่างจากพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลาย ที่กิเลสนั้นนะสามารถขจัดได้แต่ไม่สามารถที่จะละความเคยชินเป็นต้นได้ความเคยชินที่เป็นไปกับกิเลสเนี่ยเราท่านทั้งหลายมีด้วยกันทั้งนั้นให้สังเกตดูไหมบางคนก็พูดคำหยาเป็นจนเคยชินบางคนก็เกี่ยวกันในเรื่องของการที่ว่าพูดอ่อนหวานจนเคยชินมันก็เป็นความเคยชินของแต่และบุคคลใช่ไหมบางคนก็เสียงดังเป็นเคยจนเคยชินบ้าง บางคนก็เดินแบบไม่เรียบร้อยจนเคยชินเลยต่างๆเหล่านี้มันมาจากเบื้องต้นมันมาจากกิเลสคือราคะาโทสะโมหะเป็นต้นแม้ผ้าหันธรรมดาทั้งหลายจะละราคาโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วแต่ความเคยชินที่ยึนฝังแน่นอยู่ในกามรสันดาลเนี่ยที่เป็นความนอนเนื่องโดยฐานะทําให้ความคุ้นเคยของรู ป, ปกายหรือทางด้านของกายทางด้านของวาจาที่กําลังเป็นไปอยู่นั้นน่ยก็ละไม่ได้ ซึ่งต่างจากพระบรมศาสดาทั้งหลายท่านจะไม่มีความเคยชินเหล่านี้เลยเพราะอะไรเพราะท่านต้องการให้คนนะรู้จักท่านในทางด้านของรู ป, ปกายเมื่อคนเหล่านั้นได้รู้จักท่านในทางรู ป, ปกายพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์แม้ทางรู ป, ปกายและแม้นามธรรมาบริสุทธิ์แม้กระทั่งได้บอกว่าพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกายของพระพุทธเจ้าเป็นไปอย่างไรนั้นที่จะปราศจากพยานนาหน้านะั้นไม่มีเลย ฉะนั้นส่วนในญ่านของยาณ น, นะสัมปทานั้น อ, อหานสัมปทานั้นคือการละกิเลสดังกล่าวความบริบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดในการที่กําจัดกิเลสโดยองค์ทำแล้วได้แก่อะไรโดยสภาวะก็ได้แก่มัครคยานมัครคยานเนะี่ยจริงๆริท่านหานสัมปทาท่านอมครคสีถ้าโดยโดยมุ่งหมายโดยตรงจริงๆก็นุนอร h a t ม a รคยานที่พระพุทธมีภาคเจ้าทรงได้ญาณ น, นสัมปทาคือสัพพยุตยานและทศพลยานเป็นต้นใช่ไหม พวกเวนิกธรรมสิบแพุทธญาณ14อาสาธานัญญาณและก็ทศพลยญาณเวสารัญญาณเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะนั้นจัดเป็นญาณนิสัมปทาซึ่งพระพุทธเจ้าได้นั้นเป็นผลของการบําเพ็ญบารมีอนุภาวะสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลคุณสมาที่คุณเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาคุณเป็นต้นแล้วก็อิทธิฤทธิ์ทั้งหลายด้วยอนุภาพะที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ พระบรมศาสดาเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาพระผู้มีพภาคเจ้าได้แม้ถ้าเรามาพิจารณาดูให้สังเกตตอนที่พระบรมศาสดาเนี่ยถ้าเราจะอุปมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้ า, ากมีคนอยู่รอบทิศมาถามปัญหาของพระผู้มีพภาคเจ้าเนี่ยพระเจ้านั้นสามารถตอบปัญหาเนี่ยนะพูดปัญหาเพียงไม่กี่ประโยคแต่สามารถแก้ปัญหาคนใดทั้งหมด อย่างที่บอกว่าถ้าหากมีสัตว์มานั่งประชมฟังธรำพระบรมศาสดาเป็นจํานวนโกรธเป็นจํานวนร้อยๆโกรธเนี่ยนะพระบรมศาสดาจะแสดงธรรมด้วยภาษาตันติภาษาคือภาษาบาลีแต่ภาษาที่พระบรมศาสดาทรงแ ส, สดงไปนั้นพอไปกระทบโสตประาสาทของสัตว์แล้วเนี่ยก็หมุนเป็นภาษาของภาษาใจของสัตว์นั้นทันทีหรือเป็นภาษาของสัตว์นั้นได้เข้าใจอย่างละเอียดละออและลึกซึ้งทันที นี่แหละคือพยานของพระเจ้าหรือฤทธิ์ของพระเจ้าซึ่งหลากหลายยากที่คนทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายในส า, นลากลจักรวาลจะคาดเดาได้ mm hmm. เมื่อเข้ามาสู่เป็นภาษาตนเลงแล้วสัตว์เหล่านั้นที่นั่งฟังธทมอยู่นั้นแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ย ต่างก็มีความรู้สึกว่าพระบรมศาสดานั้นทรงเทศนากับตนเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นนั่นแหละคือพุทธบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้นับถือพระธรรมคําคสอนได้นับถือพระพุทธเจ้าได้รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยนับว่าเป็นบุญยราอันประเสริฐแล้วฉะนั้นเราท่านทั้งหลายตั้งสตินีวุริยินรีย์สติินรีสมาธิินรียแล้วก็ปัญญินทรียให้มั่นคง น้อมฟังพระธรรมคําคสอนของพระบรมศาสดาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ไข้ควรประพฤติปฏิบัติให้ดูบารมีธรรมของพระบรมศา ส, สดาตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นซึ่งในวันนี้อรตมาก็จะเน้นในเรื่องของศีลบารมีแล้วก็มาขับเคลื่อนในเรื่องของศีลที่เราท่านทั้งหลายระดับสาวกที่ควรจะปฏิบัติหรือบุตรชนทั้งหลายที่ควรจะปฏิบัติว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะน้อมรักษา ศีลเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดานั้นให้ชัดเจนอย่างไรเพื่อจะได้ป้องกันตนเองนั้นออกจากอบายภัยทั้งหลายคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นต้นหรือสัตว์เดรัจฉานหรือต้องการจะพ้นจากวัฏทุก์ตรงนี้ธรรมาพิจารณายัางพระบรมศาสดาทรงมีอนุภาพมากพระสุรเสียงของพระบรมศาสดานั้นสามารถให้ไกลจนถึงแสนโกจักราวาลก็ได้ หรือจะกําหนดให้คนฟังในจํานวนสิบคนยี่สิบคนเนี่ยพระองค์ก็ทำได้แม้แต่พระบรมศ า, าสดานี่แสดงทำอยู่แต่อีกรูปปกายหนึ่งพระบรมศาสดาก็ไปไป ป, ป, ปรากฏอีกที่หนึ่งซึ่งหลากหลายคาดที่จะเดาคาดที่จะไม่สามารถที่จะคาดคะเนและเดาได้แม้แต่พระอ น, นุนซึ่งบําเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกับพระอนุนนั้นจะกล่าวพระธรรมแต่ละครั้งพระอ น, นุนบอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ผ่านนนท่านเปลืองตนเองว่าคําตรัสทั้งหมดคํากล่าวทั้งหมดทํางไม่ใช่ของท่านนะของพระบรมศาสดาแม้ของพระบรมศาสดาแต่กําลังของท่านที่บําเพ็ญบารมีมาแสนกลับนั้นน่ะผ่านนนนั้นเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐาและไปะยังชนะฉลาดในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดฉลาดขนาดนั้นแม้ภาษาริบุตรก็ทรงยกย่องผ่านนนแต่ผ่านนนก็ยังบอกว่าที่ข้าพเจ้าสดับมานะ่ยได้เพียงแค่นี้นะ ได้อย่างนี้เท่านั้นนะแต่ฉไหนเลยที่ข้าพเจ้าจะรู้ทั่วถึงธรรมของพระศ า, าสดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะพระศ า, าสดาพระบรมศาสดานั้นทรงมีพระอัจิยาศัยหลากหลายยากที่สัตว์ทั้งหลายจกรู้ทั่วถึงได้เพระาะสัตว์เหล่านั้นไม่สามารถที่จะรู้พระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเพราะบารมีของพระพุทธเจ้านั้นมากมายจริงๆเราเอาบุคคลในทั้งชมพูทวีปมารวมกัน แล้วเอาแค่ข้อทานอย่างเดียวเนี่ยก็สู้ทานบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาศีลมารวมกันทั้งสิน้นก็สู้ศีลบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาปัญเอาเนกขมมะเอาปัญญาเอาวิริยะต่างๆมารวมกันทั้งสิน้นก็ไม่เท่ากับบารมีธรรมของพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาสร้างบารมีมายาวไกลนักประวัติที่เราเรียนรู้ที่เรารับทราบนั้นน้อยนิดมากฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย ปัญญาของเราท่านทั้งหลายขนาดว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีแค่นี้มันยังเหลือแก่ใจของเราที่จะรับรู้เลยอันนั้นพระพุทธเจ้านั้นตรัสนิดหน่อยเท่านั้นเองตรัสในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เรามากที่สุดและพระองค์ก็เล็งเห็นอนาคตการว่ า, าศาสนาของพระองค์นั้นจะอยู่อีกไม่ยาวไกลพระองค์ก็เล็งเห็นประโยชน์อันนี้แหละพระองค์ก็ประกาศพระธรรมคําสั่งสอน 84% ดหมี่พันประดามขัน ก็จะยังเป็นน้ําทิพย์เหม่ชฉลมจิตใจของกระแสสัตว์ให้สัตว์เหล่านั้นได้ดื่มด่ารสพระธรรมเมื่อสิ้นการอายุศาสนาของพระองค์แล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็จะได้มีคติหรือมีที่ไปในอันที่จะเป็นที่หวังได้และจะทําปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ได้ประการต่อมาก็คือรูปปัจจายสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยพระรูปพระพุทธเจ้านั้นมีพระวรลักษณะ32ประการและนุพยิยชนะ80บริบูรณ์มาก แล้วก็ศัตรูปรการรัสมัตาก็ถึงพร้อมโดยการอนุเคราะห์สัตว์มีอยู่สองอย่างนะอายสยามสมัติก็มีอัตยาสัยเกื้อกูลในสัตว์ผู้ประทุสลายนะีถามบอกว่าในอดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่พึ่งเป็นในชาตินี้เท่านั้นนะที่พระพุทธเจ้าจะมีอัตยาศัยเกื้อกูลต่อสัตว์ที่ประทุสลายตนเอง แม้ขนาดตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อย่างยาวไกลเดี๋ยวเราเดินเรื่องในด้านของศีลบารมีเราจะเห็นว่าพระบรมศ า, ศาสดาของเราเนี่ยยิ่งใหญ่พเพียงใดเราจะเห็นว่าบางภพชาติเนี่ยพระองค์ทรมานมากในการที่จะต้องรักษาศีลประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทำไมท่านต้องรักศีลมากกว่าลาบสการะทำไมต้องรักศีลมากกว่ายศถาบรรดาศ ทำไมท่านต้องเลือกศีลมากกว่าญาติพี่น้องทำไมต้องเลือกศีลมากกว่าอวัยวะทำไมท่านต้องเลือกเอาศีลไม่เลือกเอาชีวิตเราก็จะมาพิจารณาดู ว, ว่าท่านบำเพ็ญบา ร, รมีมาเดินทางในการยาวไกลในการเป็นพระโพธิสัตว์นั้นน่ระหว่างศีลกับลาบสการะท่านจะยึดมั่นที่ศีล ท่านจะไม่ล่วงไม่ยอมล่วงละเมิดศีลไม่ยอมไม่ศีลตนเองขาดแม้จะสูญเสียลาบสการะเพียงใดระหว่างยศถาบรรดาศักดิ์พระโพธิสัตว์ท่านจะเลือกศีลท่านไม่เลือกยศถาบรรดาศักดิ์ระหว่างญาติกับศีลพระโพธิสัตว์ท่านจะเลือกศีลท่านไม่เลือกญาติระหว่างอวัยวะและศีลท่านยอมไม่ถูกตัดแขนตัดขาถูกควักหัวใจ ควักดวงตาท่านไม่ว่าแต่ท่านเอาศีลแม้ในที่สุดระหว่างชีวิตท่านเลือกเอาชีวิตท่านเลือกเอาศีลเพราะอะไรเพราะว่าศีลเป็นหนึ่งในบา ร, รมีที่จะทําให้เป็นสมาสม า, าสัมโพธิญาณถ้าศีลท่านไม่บริบูรณ์ศีลท่านไม่เต็มท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้แล้วท่านจะมาบําเพ็ญประโยชน์ให้กับเราได้ยังไง แล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังวธรรมไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าอะไรบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อะไรที่เป็นปฏิปทาแนวทางแห่งการจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราจะเป็นคนมืดจะเป็นคนบอดจะเป็นคนหลงจะเป็นคนงมงายจะโคตรเป็นคนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักดีจากชั่วเลยเหตุที่ท่านต้องเลือกศีลเพราะศีลเป็นหนึ่งในพุทธการลกระทำทำที่จะทําให้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ฉะนั้นพระผู้มีพาะเจ้ามีอัธยาศัยในการที่เกื้อกูลสัตว์เพราะพระองค์ น, นั้นน่ยต้องการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรเคยเล่าบ่อ ย, อยๆใช่ไหมที่บอกว่าพระโพธิสัตว์เคยเป็นพยาวานอนเนี่ยในขณะที่พระองค์ทรงเ ป, เป็นเป็นลิงอยู่ในป่าเงี้ยแล้วก็ช่วยนายพานขึ้นจากหน้าผาพอขึ้นมาแล้วนายพานก็คิดลามกคิดโศกปลอก จะประทุสลายท่านในสุดจริงก็หาช่องทางว่าเนื้อของลิงนี่กินได้เราจะออกจากป่าได้แล้วพอลิงเผลอก็ใช้ก้อนหินทุบหัวท่านท่านก็จ้องมองตาแดงน้าตาก็ไหลท่านก็มาพิจารณาว่าบุรุษนี้เป็นคนพานแท้ประทุสลายมิดหนอเนี่ยแล้วพะองค์คิดยังไงท่านก็คิดบอกว่าถ้าจะปล่อยให้เขาทุบเราจนตายเนี่ย ท่านพว น, นี้ก็จะหลงทางอยู่ในป่าก็จะตายที่ยกมือห้ามเขาไม่ใช่กลัวตายนะและ้วตนเองก็ไม่ไ ม, ไม่กล้าไม่กล้าโกรธถ้าโกรธแล้วศีลจะแตกทำลายไหมเห็น <He ard S 2> ไหมท่านรู้ว่าตัวความโกรธเป็นตัวตัดรากของศีลท่านก็ไม่ให้ความโกรธเข้าสู่กระแสจิตเราท่านทั้งหลายลงมาพิจารณาดูทีว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกถึงศีลไหเรากลัวไมว่ารากของศีลมันจะขาด เ, เคยคิดห่วงศีลไหมถ้ารากกล่าวคือถ้ารากของศีลมันขาดแล้วชีวิตของเราจะเป็นยังไงกระแสของชีวิตเราก็ลงอบายทุกขติวินิบาตในโลกถ้าคนรักชีวิตในสังสารวัฏจริงๆเนี่ยคนนั้นจะไม่กล้าตัดรากของศีลจะไม่กล้าทําลายศีลจะไม่กล้าให้ศีลนั้นแตกทําลายใช่ไหมแต่โทษที่เราน่ยไม่เข้าใจเรานึกว่าชีวิตเนี่ยมันสําคัญกว่าศีลเราก็เลยไปเลือกเอาชีวิตเราไม่เลือกศีล ทั้งๆศีลหรือสุจริตกรรมเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่ทําให้กระแสชีวิตน่ยไม่ตกต่ําแต่ด้วยความที่ปัญญาของเราท่านทั้งหลายมันไม่กว้างมันไม่ไกลมันไม่มองให้ถึงถึงปริิพ涅槃ปัญญาของเราท่านทั้งหลายมันไม่มองถึงการที่จะปริิพ涅槃นในอนาคตเราก็เลยเลือกเอาชีวิตเข้าไว้แล้วก็เลือกเอาเอาวยัยวะเข้าไว้แล้วก็เลือกเอาญาติล้วก็เลือกยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็เลือกเลือกลาบสกาละ แต่เราก็ตัดศีลตลอดเวลาสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยรากศีลของเราเนี่ยโดนตัดอยู่ตลอดโดนตัดอยู่ตลอดไม่เคยงอกเงยถึงโลกุตละธรรมเลยศีลไม่เคยจะยาวไกลไปจนถึงโลกุตละจิตได้เลยไหมศีลไม่ไปสามารถประชุมในโลกุตละได้เพราะอะไรเพราะเรานั่นแหละเป็นผู้คิดผิดเรานั่นแหละเป็นผู้เห็นผิดเรานั่นแหละเป็นผู้กล่าวว่าเจ้าผิดเป็นผู้ทําผิด เป็นผู้มีอาชีพที่ผิดเพี้ยนก็ผิดสติก็ระลึกผิดตั้งมั่นก็ผิดเรานั้นมันเป็นบุคคลที่ประกอบมิจฉามากเราก็เลยไปพวกไปตัดรากของศีลเราทําลายกระแสชีวิตของเราเองแต่แท้ให้ตกละกรรมลำบากไม่มีใครมาทําเราเลยเห็นไหมเนี่ยได้โทษที่ปัญญามันไม่ถึงมันไม่เห็นคุณของศีลถ้าปัญญาถึงจริงๆเนี่ยเราจะรักศีลมากกว่าชีวิตแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึง มันยังไม่ถึงเพราะอะไรเพราะการฟังพระธรรมน้อยไปปัใจจัยในการฟังพระธรรมน้อยศรัทธาไม่เดินเพอศรัทธาไม่เดินแล้วก็ไม่เกื้อหนุนปาฏิโมกข์สังวรศีลเห็นไหมสัจทินซีมันอ่อนแอเราต้องเพิ่มอะไรต้องเพิ่มสัจทินซีเราอย่าไปคิดว่าเรามีศรัทธามากเรามีศรัทธาน้อยโดยมากศรัทธาเราก็ผิดรูปผิดทาง ไปไม่ค่อยถูกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรอกเอาไปตั้งในสิ่งที่ไม่ใช่พระัตนาไตรใช่ไหมไม่ตั้งไว้ในวัตถุสามคือไม่ตั้งไว้ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์ถึงแม้เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเข้ามาศึกษาพระธรรมกันนี่นะในที่สุดจริงๆก็ตั้งผิดตั้งพลาดสังสารวัตรเป็นอย่างนี้เราผิดมามากแล้วในสังสารวัตเนี่ยเราท่านทั้งหลายควรตั้งมณฑสิการแล้วหันมาดูตัวเองเยอะ มองคนอื่นน้อยๆมองอะไรถ้าจะรักษาศีลต้องมองศีนที่กระแสชีวิตของตอนนัวเองไม่ใช่ไปมองศีลที่กระแสชีวิตของบุคคลอื่นนะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าปริมาณของกุศลศีลเนี่ยมันหนานแน่นไหมให้พอพูดมาถึงตรงนี้แล้มันเชื่อมเข้าคําว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีนอวิติกมามศีนเนี่ยมันชัดเจนหรือไม่ เนี่ยมาจะเดินให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระแสะขันาธาตุอายตนะในกระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราประชุมศีลจริงๆได้ไม่ถึงห้านาทีโดยส่วนใหญ่ศีลเราเดินไม่ได้หลายท่านสําคัญว่าเป็นผู้มีศีลกันนะเหมือนในมาเนี่ยอยู่เป็นสิบสิบปียี่สิบปีมาเนี่ยก็สําคัญว่าเป็นผู้มีศีลมีสมณะ ส, สัญญาอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นผ้าเรามีศีล ถามว่ามีสมมนสัญญาว่าเราเป็นสมัมมนาเราเป็นผู้มีศีลถ้าเราดูลักษณะของศีลดูกิจของศีลดูผลปรากฏของศีลไมเเ่เห็นชัดเนี่ยเห็นชัดตรงไหนถ้าลักษณะของศีนเนี่ศีระณะคําว่าเกลื่อนกลน่นกระจัดกระจายแล้วไม่เกลื่อนกลน่นไม่กระจัดกระจายแล้วไม่ซ่านไปเนี่ยแล้วก็ลองมาดูกายกรรมวจีกรรมของเรามโนกรรมแทบไม่ต้องพูดถึง กายกรรมของเราเนี่ยน้อมไปกับการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกรรมกับน้อมที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกรรมถามบอกว่าเราไม่เคยฆ่ามนุษย์ชายเราไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ๆใช่แต่ถามเราเคยละแวดระวังสัตว์เล็กๆมไหมเราเคยละแวดระวังไหมเรามาพิจารณาดูเราจะรู้เถอะว่ากายของเรามันไม่สุจริตหรอกโดยส่วนใหญ่ บางครั้งเราเห็นสัตว์เล็กๆ เ, เราก็แซงว่าไม่เห็นเอาน้ําไปรดเขาให้ตายบ้างสารพัที่เราจะทําใช่ไหมท่านถนึงบอกว่าถ้าต้องการสีในบริสุทธิ์จริงๆแมสมดดําตัวเล็ก ล, กลยุงตัวเล็กๆ ก, ก็ไม่น้อมที่จะไปประทุษสลายชีวิตเขามันต้องเก็บรายละเอียดได้ขนาดนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าตัวกุศลสีนะ่ะมันแข็งแรงตัวกุศลสีนมันละเอียดอ่อนแล้ว ในด้านของกายกรรมทางด้านของว จ, จีกรรมถามบอกว่ากรณีที่เราท่านทั้งหลายจะเปล่งวาจากล่าวกันแต่ละครั้งเนี่ยมีความตั้งใจจัดแจงดีหรื อ, อยังที่จะไม่ให้ว จ, จีกรรมของตนเองนั้นน่ะไม่กระจัดกระจายและซ่านไปในการที่พูดเท็จสอเสียดและคำหยาบและเบอร์เจอเรามีสัมมาวาจาในการที่จะงดเว้นจากมิจฉาวาจาแค่ไหนใช่ไหม เรามีความไม่โลภในการที่จะมาเกลื้อกลูลวจีของเราให้สุจริตแค่ไหน <S <S เรามีความไม่โกรธที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้การเปล่งการกล่าวของเรานั้นเป็นไปกับการวัจีสุจริญซะแค่ไหนและเรามีปัญญาพิจารณาชัดเจนที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่จะมึกเกลื้อกลูลกายกรรมวจีกรรมโนกรรมไหมว่ากรรมที่ทําไปเนี่ยมันเป็นทุจริตกรรมหรือสุจริญกรรมแล้วทุจริตกรรมและสุจริตกรรมนั้นนอะ มันเป็นสมบัติของกระแสะชีวิตที่มันจะเดินไปในสังสารวัฏท่านคิดกันไหมถ้าคิดนะี่ยมันจะเห็นบอกว่าสุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่ออกมาทางกายและทางวาจานี่แหละแม้ทางใจที่โลภโกรธแล้วก็เห็นผิดเนี่ยสุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่กําลังกระทํากันอยู่ณปัจจุบันนี้แหละสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยมันสําคัญกว่ามันสําคัญกว่าแหละ มันสําคัญกว่าทรัพย์มันสําคัญกว่ายศถ้าเราบอกว่ากรณีสุจริตกรรมเนี่ยสําคัญที่สุดใช่ไหมแต่ทุจริตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละถามว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนในอัถนั้นนะ่ยพระบรมศาสดามีพระประสงค์บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมกล่าวคือสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของเราเนะี่ เราท่านทั้งหลายมีแก้วแหวนเงินทองมีบ้านมีรถมีดินมีที่ไล่ที่นะ่ะมีธุรกิจตามสถานะของแต่ละบุคคลอันนั้นใช่ทรัพย์สมบัติของเราอย่างแท้จริงไหมมันเป็นทรัพย์สมบัติของเราเฉพาะที่เราตาเห็นหูได้ยินหรื อ, อยังเกี่ยวข้องกับเขาอยู่เท่านั้นเองบางครั้งลมหายใจยังมีอยู่แต่สิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นของคนอื่น ถูกลิบถูกลักถูกปนถูกอะไรเยอะแยะแต่ถามว่าสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยมันเคยพลากจากกระแสชีวิตของเราไหมไม่เคยเลยฉะนั้นสุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของทุกคนแล้วคําว่าสุจริตกรรมในที่นั้นหนึ่งในนั้นคือกุศลศีลฉะนั้นตัวกุศลศีลเนี่ยจะเป็น ส, สมบัติที่จะติดตามเราไป ในกระแสชีวิตที่จะเป็นไปในพบชาติต่างๆฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักที่จะสุจริตกรรมและรักษาหรือเลือกให้ถูกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะที่มันจะเกื้อหนุนกระแสของชีวิตหรือที่มันจะเบียดเบียนตัดรอนกระแสของชีวิตนะเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรสําคัญให้สังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเรามารักษาศีลหรือมาเจริญพรหมวิหารอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ย เรามันสับสนเรื่องผลโดยตรงและผลโดยอ้อมมันสับสนกรณีที่เรามาบำเพ็ญกุศลศีลกันกรหรือจะมารักษากุศลศีลเนี่ยโดยตรงของการรักษากุศลศีลเนี่ยถ้าเรามองผลภายนอกเช่นมีคนนับหน้าถือตา เ, เกียรติยศชื่อเสียงแรงต่างก็ว่าไปอันนี้ผ ล, ผลภายนอกนะแต่ผลภายในจริงๆถ้าเรามาดูตัวถามว่าตัวกุศลศีลแข็งแรงเพิ่มขึ้นไห แข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือมันชัดเจนมากขึ้นนะปิดบาปทางกายทางวาจาทางใจได้หรือไม่เพราะว่ากิจของศีลนนะเขาทำลายความทุศีลผลปรากฏของศีลเ้าดูตรงกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดใช่ไหมถ้ากายวาจาใจไม่สะอาดแปลว่าการรักษาศีล น, นั้นนะมันไม่ได้ผลมันไม่เกิดผลมันไม่งอกเงย เราดูต้องกายกรรมน่ยสะอาดว่าจีกรรมน่ยสะอาดใจก็ต้องสะอาดนั้นเป็นผลของกุศลศีลทีนี้ถ้ากายไม่สะอาดว่าจจไม่สะอาดจิตใจไม่สะอาดแปลว่าอะไรแปลว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลมันยังไม่เกิดฉะนั้นอย่าไปขับเน้นผลภายนอกมาก เพราะผลภายนอกที่มันจะเกิดขึ้นจากเกียรติยศชื่อเสียงอันนั้นมันโดยอ้อมโดยตรงจริงๆนั้นต้องดูกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีการขัดเกลามากขึ้นมีความสะอาดมีความละเอียดมากขึ้นทั้งวกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมไม่โลภไม่โกรธและมีปัญญาและการรักษาศีลให้สังเกตดูว่าตัวกุศลศีลเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับอินทรีย์ คือศรัทธาวิริยะสติ ส, สมาธิและปัญญาเพราะอะไรการขับเคลื่อนกุศลศีลเนี่ยผลักดันกุศลศีล น, น่ะถ้าอย่างนั้นกุศลศีลวันวันหนึ่งมันก็ได้แค่นี้ไม่สามารถที่จะพัฒนากุศลศีลที่จะขึ้นสู่ระดับสูงเป็นต้นได้ใช่ไหมส่วนรายละเอียดอามาจะไว้ภาคบ่ายเราจะได้รู้ว่าจริงๆแนละ้วเขาเดินกุศลศีลกันอย่างไรในชีวิตจริงว่าในกรณีจากเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุด ไปจนถึงทำศีนันประชมในมรรคผลอย่างไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดอย่างการรักษาศีนของเราเนี่ยมันก็เป้าหมายวันต่อวันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วอันนี้มันผิดพลาดฉะนั้นมันจะต้องรักษาศีนหรือรักหรือเรียนรบรู้ในเรื่องของศีลในการที่จะเอาศีนมาเดินได้ในชีวิตจริง ในชีวิตจริงก็แปลว่าในขณะที่เราทําเราพูดหรือเราเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายเนี่ยกุศลศีลต้องสําคัญกว่าทุกอย่างใช่ไหมต้องเห็นกุศลศีลสําคัญกว่าลาภสกาลาสาคัญกว่ายศถาบรรดาศักดิ์สาคัญกว่าญาติสำคัญกว่าอวัยวะแล้วก็สําคัญกว่าชีวิตให้ได้ถ้าอย่างนั้นที่สุดจะไม่เป็นปัจจัยแก่ความทุกข์เลยเมื่อไม่เป็นปัจจัยแก่ความทุกข์มันก็เป็นปัจจัยแก่วะตะัตต เมื่อเป็นปัจจัยแก่วัตตะการรักษาศีลของเราก็น่าเสียดายที่อุปสาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาได้มีโอกาสก้มศาีานอบน้อมพระผู้มีภาคเจ้าซึ่งเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ตัดสรุนนุตลสมมาสมโพธยานทิยานมีเจตนาในการที่จะน้อมขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏเราก็อ่านพุทธประสงค์ไม่ออก ว่าพระ อ, องค์ปราถนาอะไรในตัวเราทำไมพระ อ, องค์ต้องบอกว่าเราตัดสู้แล้วจกให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามได้ด้วยเราพ้นจากสังสารวัฏได้แล้วจะให้บุคคลอื่นพ้นได้ด้วยเป็นต้นทำไมพระ อ, องค์ตั้งปณิธานอย่างนั้นเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจพระธยาใสาของพระ อ, องค์ ว่าในศาสนาของพระ อ, องค์นั้นเป้าหมายคือการดับวัตถุทุกข์ไม่ใช่เป้าหมายในการที่จะอยู่ในสังสารวัฏฉะนั้นถ้าเราเข้าใจศีลได้ไม่ตลอดสายมันก็จะรักษาศีลได้แค่ครึ่งหนึ่งกลางๆแล้วก็จะไม่เดินกุศลศีลเพื่อการประชุมในมรรคผลเพื่อเป็นปัจจัยแก่การพน้นทุกข์ใช่ไหมถึงแม้มันไม่ถึงแต่เป้าหมายทางเดินมันต้องชัด ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยอดจะคดเป้าหมายมันจะไม่ตรงพอเป้าหมายไม่ตรงมันเลยไม่เป็นเบื้องต้นของพรหมจารย์หรือมากกับพรหมจารย์ไม่เป็นไม่เป็นเบื้องต้นของการหลุดพ้นเลยฉันก็รักษาศีลไปข้อมูลข้อมูลในคําสอนไม่ชัดพอไม่ชัดเนี่ยเราก็ไปประทุสร้ายกระแสชีวิตเราเองเนะในที่สุดจริงๆเราก็ต้องละหกละเหินไปในสังสารวัฏถามว่าคนที่เจ็บปวดเนี่ยคือใคร ก็ค it ือเราท่านทั like itself, enough, Actually, like en ้งหลายนี่แหละที่จะต้องเจ็บปวดแล้วก็จมอยู่ในสังสารวัฏเพราะเราไม่รักตัวเองให้ถูกวิธีคนที่รักตัวเองให้ถูกวิธีเนี่ยเขารักตนเองด้วยเมตตาไม่ใช่รักด้วยตัณหาถ้ารักตัวเองด้วยเมตตาเขามีปัญญานำถ้ารักด้วยตัณหาเขามีโมหะนำเขาใช่ยังถ้ารักตนเองด้วยตัณหาเนี่ยมารักแบบมีโมหะนำมันไม่รู้เส้นทางในการที่จะเดินออกจากสังสารวัฏ ไม่รู้จักว่าคนนี้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพานไม่รู้ว่านี่เป็นคําสอนหรือไม่เป็นคําสอนเพราะมีตัณหาเกิดในกระแสะใจแล้วโมหะก็เป็นตัวชี้ทางโมหะมันรู้ทุกเรื่องไม่รู้อยู่เรื่องเดียวคือโลกุตตรธรรมมันไม่รู้ทางเดินไปโลกุตตรธรรมนอกนั้นมันรู้หมดจะให้โมหะไปเถียงกับใครเถียงชนะหมดมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้วางเป้าหมายให้ชัดว่าจริงๆอะไรเกิดขึ้นกับเราใช่ไหม ในฐานะพวกเราทั้งหลายที่มานั่งกันนะที่นี้ล้วนแต่ฟังธรรมกันมาอย่างยาวไกลทั้งนั้นแหละฟังครึ่งหนึ่งบ้างผิดบ้างถูกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ยังสับสนใช่ไหมบางท่านก็คิดว่าตนเองชัดเจนแล้วในคำสอนบางท่านก็ยังยังคิดว่าเอ๊ะชัดไม่ชัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องต้องรักตัวเองให้ถูกด้วยเมตตาถ้ารักได้เมตตาเนี่ยเมตตานั้นก็จะเกื้อหนุนหลายอย่างเกื้อหนุนอะไร ถ้าตนเองไม่มีศีลก็เอาศีลมาเกิดตนเองไม่มีสมาธิเอาสมาธิมาเกิดตนเองไม่มีปัญญาก็สแสวงหาปัญญามาเกิดเพราะรักได้เมตตาการรักตนเองได้เมตตาเนี่ยไม่ใช่เมตตาเพื่อจะไปโอ้ยรักคนอื่นมันไม่ใช่ประเด็นนั้นทีหลังหลังจากเมตตาบริบูรณ์แล้วมันเต็มเปี่ยมในกระแสจิตของตอนเองแล้วมันล้นออกไปเหมือนน้าล้นบอ่อใช่ไหมอันนี้ยังไม่ทันล้นบอ่อแล้วก็แค่นแค่นออกไปไม่รู้เป็นน้าเมตตาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นน้ําที่ไม่สะอาดอย่าเงี้ย ฉะนั้นเหมือนเราขุดบ่อใช้ไม้ปักลงไปในบ่อเนี่ยปักไปในดินเนี่ยนะที่เราจะดูดเนี่ยหรือว่าใช้เหล็กที่ปักลงไปในที่จะดูดน้ำมากินมาใช้เนี่ยถ้าน้ำมันออกมามันเป็นน้ำเสียอย่าเพิ่งให้คนอื่นกินถ้ามันไม่ใช่เมตตาแล้วอย่าเพิ่งไปคุยกับคนอื่นเข า, าถ้ามันไม่ใช่เมตตาเนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรให้เขาถ้ามันไม่ใช่เมตตาจริงอย่าเพิ่งไปคิดถึงคนอื่น เขาใหญ่ย่างมันต้องตักเหล็กลงไปเนี่ย น, นะเคยเห็นเขาเจาะน้ำไหมขุดน้ำไหมเขาต้องคํานวณไหมน้ําออกมาต้องบอยวิจัยอีกทีไหมต้องไปวิจัยมันกินได้ไหมเป็นอันตรายหรือไม่ก็ต้องดูที่น้ําใจของเราที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันใช่เมตตาจริงไหมถ้ามันไม่แพ่เมตตาจริงก็อย่าเพิ่งไปพูดกับเขาเพราะอะไรมันเอาสิ่งไม่ดีไปให้เขา ใช่ไหมเมตตาเทียมกับเมตตาจริงมันใกล้กันไหมใกล้ไม่ใกล้เมตตาจริงแต่แก่เมตตาใช่ไหมอโทสาใช่ไหมคือความไม่โกรธด้วยแล้วมีสัตว์มีมีสัตว์นั้นเป็นที่รักเป็นอารมณ์ด้วยใช่ไหมถ้าเมตตาแท้เทียมล่ะแต่แก่ตัณหามันก็รักเหมือนกันใช่ไหมไอ้รักยึดกับรักไม่ยึดเน่ยใช่ไหมรักก็ต้องการจะดึงมาเป็นข้องเราวดาสิ่งนั้นจากไปตัวเองเป็นทุกข์อันนี้มันเทียมใช่ไหมก็แยกมันออก อย่าเอาโลภะไปเที่ยวพูดกับคนอื่นเยอะหรือจะไปทำอะไรให้เขาก็อย่าไปทำด้วยโลภะอันนั้นแปลว่าอะไรเราเอาเมตตาเทียมเนี่ยไปเที่ยวแจกจ่ายเขาถูกไหมถูกไม่ถูกถ้าเมตตาเทียมไปจ่ายเขาไปให้เขาดีไหมมันไม่ดีเอาตัณหาเนี่ยเช่นเราอยากเราเกิดความรักเกิดความปรารถนา แบบตันหาขึ้นมาแล้วก็เอาของไปให้เขาตอนนั้นใช่ให้ด้วยเมตตามไหมใช่หรือไม่ใช่ตอนนั้นมีศีลไหมไมีศีลไหมในขณะที่ยมจะหยิบของให้คนอื่นเขาเนี่ยแต่ให้ด้วยโลภะเนี่ยมีศีลไห ม, ไมให้ด้วยโทสะมีศีลในการให้ไห ม, ไมให้ด้วยโมหะมีศีลในการให้ไหมนั่งฟังทำหลับนี่มีศีลไหมไม่ไ ม, <laughs> มีหรอกแต่เราก็สําคัญว่ามีศีลกันอยู่นั่นแหละ ใช่นั่งฟังทำหลับก็ไม่มีศีลเอาถ้าพูดอีกคำหนึ่งเราจะมาเราจะมานั่งทุศีลทำไมอย่างนี้นะถ้ารู้ว่าอียบดนั่งมันทุศีลก็ยืนหน่อยเข้าใจไหมให้ให้ทีนามิธามันหายไปอันนี้เป็นนั่งทุกศีลอยู่ได้แล้วมันยาวด้วยนะใช่ไหมลองคิดดูสิศีลไม่เกิดบางทีนั่งตั้งสามสิบนาที ถามว่ากรรมมันนั้นมันให้ผลใครก็ให้ผลแก่กระแสชีวิตเราอย่างนี้ก็เบียดเบียนใครเอาเบียดเบียนตนเองคนอื่นนั่งใกล้ๆเขาหงุดหงิดเบียดเบียนคนอื่นด้วยไหมเบียดเบียนคนอื่นเอามาว่าบรรยายมองไปเอามาชื่นใจมเบยเบียดเบียดเบียนคนคนบรรยายทำอีกเป็นบาปหนักเลยตัวเนี้ยนั้นก็ตั้งใจใช่ไหมก็ตั้งใจอันล้วเป็นเงี้ยไหมฉะนั้นก็อยากให้มันเกิด หรือพกมันมาจากบ้านตอนจะเข้าประตูเดี๋ยวตอนภาคบ่ายถ้าใครจะฟังต่อนะบอกด้วยหาที่อยู่มันบอกอยู่นอกห้องจะเข้ามาบอกบอกให้สัญญากับมันไว้บอกเดี๋ยวเราออกไปแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ไม่ต้องรักกันมากไม่กระทั่งในห้องไปชมฟังธรรมบอกนะพอจริงๆแล้วเนี่ยมันที ทิน้มิถานี่มันรักเรามากแล้วเรารักมันทั้งๆ ท, ที่มาเบียดเบียนกระแสชีวิตเราแท้ๆใช่ไหมแปลกดีอันนี้ทีนมิ้าเป็นต้นเราเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเอะเราเป็นคนรู้จักบุญรู้จักบาปไหม ร, <laughs> รู้จักหรือเปล่า รู้จากบาปเกิดดีไห ม, ไมให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กอะ้วทำไมเมื่อกี้มันเกิดเราก็ต้องขจัดออกไปเสียกลรูมไม่ดีใช่ไหมไม่ดีตรงนี้ถ้าหากว่ารู้ว่ามันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นธรรมที่ลามก เป็นตามที่จะมาทำลายตัตรากองศีลด้วยทําให้ศีลไม่เจริญไม่งอกงามเสียเวลาในการที่จะเจริญกุศลศีลก็อย่าให้มันเกิดใช่ไหมต้องรู้จักที่จะป้องกันอ่ะต่อไปเวลาที่เหลือยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยกำลังมองเวลาอยู่ที่กำลังจะเดินเรื่องศีนั่ <c oughs> ก็ต่อไปก็ดูในเรื่องของเจตนาศีน ในเรื่องของศีลเนี่ยหลายท่านได้ศึกษามาแต่มาเชื่อว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดเรื่องศีลเนี่ยเชื่อนั่งนั่งกันอยู่เนะ่มาเชื่อไม่ง่ายอย่างที่คิด <c oughs> เดี๋ยวมาจะถามเอาถามคนที่เรียนมากฟังมากที่สุดเนี่ยเป็นตัวอย่างมีไม้ด้วยให้แสดงทัศนะเรื่องศีลดีมหม พอบรรยายบรรยายไปได้สักยาหนึ่งแล้วก็ชี้คนที่ที่เอามามั่นใจว่าฟังว่าทำมาเยอะเนี่ยให้ไปยืนแล้วแสดงทัศนะเรื่องศีล ด, ดีไหมดีไม่ดี <Thank you. S 1> ทำไมไม่ดีแสดงความคิดเห็น <Thank you. S 1> เขาจะได้รู้โมทนากับเราว่าเราเป็นคนเดินกุศลศีลได้อย่างต่อเนื่อง <Thank you. S 1> จริงๆในคำพีของวิสุธทธิมาร์กท่านกล่าวเขาไว้ต่างกันอย่างนี้นะ ในทางด้านของศีล บ, บรารมีของพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงบาเพ็ญมานั้นน่ะจะกล่าวในคัมภีร์จริยาปิดกเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมในด้านของศีล บ, บรารมีอันนั้นหมายถึงศีลระดับสัมมาสัมโพธิญาณของพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ทร ง, ทรงสแสดงไว้ในจริยาปีดกทีนี้ในคําสอนของพระบรมศาสดาที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์จริยาปีดกก็ดี ในคำพีปฏิสัมพิธามักก็จะกล่าวไว้แม้ในคำพีวิสุธิมักก็จะกล่าวไว้ค่อนข้างมากฉะนั้นเวลาศึกษาเรื่องศีลเนี่ยจะต้องจะต้องดึงจากคําสอนที่พระเจ้ากล่าวไว้ลหลายๆที่นั้นน่ะเอามารวมกันไว้ให้ได้ก่อนแล้วก็มาแยกแยะให้เป็นแล้วในส่วนจริงก็มากลั่นกรองมาเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตจริงได้อันนี้สาคัญที่สุดจร เราศึกษาคําสอนกันมาในระยะหลังๆมาเนี่ยศึกษาแล้วมันติดคมพีกันเยอะเขามัติดคมพีไปเสร็จโอ้โหศึกษากันครบวงจรต้องถามว่าถ้ามาถามหลายๆคนจะตอบได้เลยถ้าถามบอกว่าอะไรชื่อว่าศีลเนี่ยชื่อว่าศีลเพราะอัตว่ากลายอะไรเป็นวิเศสลักษณะกิจจลดแล้วก็สัมปติลดปัจจุบานธทัุฐา น, ฐานอาการปรากฏและผลที่เกิดขึ้นธาตุฐานของศีลเป็นต้น ศีลมีอะไรเป็นอ น, นิสงเ์เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติในศีลอย่างไรอะไรเป็นสังกิเลตคือความเศร้าหมองของศีลเพื่อรู้เพื่อประโยชน์ต่อโวทานและเหตุผ่องแผ้วในหลักสูตร ท, ที่ที่ท่านทำมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุผ่องแผ้วและเป็นความบริสุทธิ์ของศีลใช่ไหมท่านตั้งประเด็นไว้หกบางแห่งตั้งเจ็ดทีนี้ตรงนี้ก็คือทําความเข้าใจอย่างนี้ประเด็นตรงนี้นะอะไรชื่อว่าศีลเนี่ยท่านถามถึงสภาวะถามถึงองค์ธรรม ทำทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นของบุคคลผู้วิรัติท่านว่าอย่นี้นะในคําสอนจะกล่าวในลักษณะนั้นถ้าบอกอะไรชื่อว่าศีลเนี่ยทำทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นท่านพูดถึงตัวเจตนาเป็นศีลตัวเจตสิกหกตัวก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมตาสัมมาชีวะอนัพพิชาความไม่โลภอภยาบาทความไม่โกรธและสัมมาทิฏฐิหตัวนี้เป็นศีล แล้วก็สังวรก็มีสังวรหมีปฏิโมกสังวรศนะีเป็นศีใช่ไหมแล้วก็อวีติกมะในชุดสุดท้ายก็คือการไม่ก้าวร่วงก็เป็นศีลน่ยประเด็นในการศึกษากนเนีก็ศึกษาในลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ในประเด็นแรกที่ท่านพูดถึงเจตนาน่ยของบุคคลผู้วิรัติอยู่วิรัติในที่นั้นเป็นชื่อของการงดเว้นใช่ไหมวิรัติเนี่ยจริงๆนะั่นท่านกล่าวถึง ตัวสมาทานวิรัตกับสัมปตาวิรัตแท้จริงวิรัตมีสเออมีสามถ้าสมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานสัมปตาวิรัตก็คืองดเว้นในการที่อารมณ์หรือเหตุการณ์มาปรากฏเฉพาะหนะ้าสาสมุทเฉทววิรัตก็เป็นวิรัตของพระหันเออของพระอริยะทั้งหลายวิรัตเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นในขณะที่มรคยานเกิดขึ้นใช่ไหมเช่นคนบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยวิรัติของท่านชัดเจนไหม ชัดเจนเลยท่านลาได้เด็ดขาดไหมท่านลาบาปได้เด็ดขาดวิรัตที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระสากาทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันต์แต่วิรัตของเราเนี่ยเด็ดขาดไห ม, ไมตั้งใจงดเว้นกี่ครั้งที่ล่วงละเมิดมากไหมวิรัตของเรานั้นไม่เด็ดขาดจึงต้องใช้คำว่าสมาทานใช่ไหมทีนี้สมมาทานเนี่ย สมาทานนั้นต้องเปล่งวาจากล่าวออกมาหรือคิดในใจก็จัดว่าเป็นสมาฌาสมาทานเปล่งวาจาก่าวออกมานี่เป็นสมาทานไหมเป็นไม่เป็นอา้าวปานาติปาตาเวรามณีเซขาปังสมาธิยามีแล้วข้าพเจ้าขอโ ง, งดเป็นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมคือวางสัตว์ตาวางต้นไม้ คือไม่ประทุสร้ายชีวิตของบุคคลอื่นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อบูชาคุณของพระเจ้าพระธรรมหรือพระยาสมเป็นต้นเนี่ยพอพูดไปอย่างเนี้ชื่อว่าสมาทานได้ยังถ้าพูดคล่องๆใจไม่คิดเป็นสมาทานไหม เ, เดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้การรับศีลเป็นกิจกรรมนะเป็นกิจกรรมนะไปที่ไหนบ้างพระไม่ให้ศีินนะเจอพระที่ลายยกตะละปัดขึ้นก็ไมยังพันเดวิสุงวิสุงด้วยฮนะ พาก็บปานาติปาตาเวแล้วก็ปานาติปาตาเวละมันนี่เป็นอย่างงี้ไหมแล้วอย่างนั้ชื่อว่าสมาทานไหมพอหลังจากรับสินเสร็จก็นินทากันข่มซาลาเลย <c oughs> เป็นอเงี้ยอย่างนี้เป็นสมาทานไหม <c oughs> เป็นไม่เป็น <c oughs> ก็สมาทานเหมือนนกแก้วไง <c oughs> ต่อโดยนกขุนทองนกเอี้ยงนกอปูดัวว้าไว้เร้องอย่างเดียวไม่รู้เรื่อง ฉะนั้นการสมาทานเป็นแบบนี้จริงๆงเป็นกิจกรรมไปหมดแล้วเป็นกิจกรรมไปแล้วฉะนั้นการตั้งใจการสมาทานเนี่ยสมาทานเนี่ยต้องสมาทานจากมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วรู้เห็นคุณของศีลเห็นโทษของการทุศีลใช่ไหมต้องเห็นอย่างลึกซึ้งขนาดนั้นการสมาทานถึงชัดเจนให้สังเกต ด, ดูนะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเวลาท่านตั้งใจจะรักษาศีลเนี่ยใช่ไหม ในชาติที่ท่านเป็นกระต่ายพอท่านเห็นดวงอาทิตย์เอดวงจันทร์ขึ้นมาเนี่ยท่านก็คํานวณได้แล้วนี่คือขึ้นสิบห้าค่ำหรือแลมสิบสี่หรือสิบห้าค่าเอาเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเอาตอนนี้เป็นมนุษย์ก่อนเนี่ยไม่ต้องดูปฏิทินเราดูดวงจันทร์คํานวณได้เลยว่ากี่ค่าไปฝึกเขาไว้ เพื่อที่พลาดไปเป็นอบายาสัตว์จะได้มองดวงจันทร์คำนวณถูกวันนี้สิบห้าคำหรือสิบสี่คาเข้าใจยังอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยต้องไปคํานวณเข้าไว้เสียแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเขาไว้อยาละเลยวันพระจะได้ตั้งอัธยาศัยถูกเพื่อที่จะพัดจะผูอกุตุลกรรมให้ผลตอนใกล้ตายขึ้นมาไปเกิดเป็นอบายาสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหม สติระชานโดยปกติที่ไม่ได้สั่งสมคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้จะมีสัญญาสามประการเท่านั้นแหละการมสัญญาโคจราสัญญามราณะาสัญญาสามอย่างนี้แค่นั้นนะการมสัญญาก็รู้จักเสพการ ร, รู้จักยาบริโภคกา ร, รทั้งหลายก็ว่ากันไปโคจราสัญญาหากินหาแรงต่างเที่ยวเนี่ยได้อยู่มราณะสัญญากลัวตายเนี่ยได้ธรรมสัญญาไม่มียกเว้นสัตว์มีบุญเท่านั้นนะเอาแล้วสิแต่เนี้แล้วตอนเนี้ กระแสบุญกระแสของกุศลเกิดในใจเราหนาแน่นไหมเอาขนาที่เราทำท่ามีมีความวุ่นวายเกิดมาในชีวิตมากที่สุดเนี่ยเช่นมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมากระทบเต็มไปหมดเนี่ยตอนนั้นนึกถึงปัญหาเลยนึกถึงศีลถ่านึกถึงศีลแปลว่าการเตรียมตัวชัดนะเพราะอบายศาสตร์เนี่ยปัญญาไม่ค่อยเกิดนะพวกสัตว์ดิเรกชานเนี่ยใช่ไหม ต้องฝังในอัตยาศัยให้แน่นนะทางด้านของบา ร, รมีธรรมหรือด้านศีลเป็นต้นอะไรเนี้ยต้องแน่นคนที่ประชุมศีลลงในกระแสะชีวิตไว้อย่างมั่นคงเนี่ยนะที่ประชุมไว้อย่างมั่นคงอย่างหนานะอย่างหนักหน่วงเลยเนะี่ยเขาประสบเหตุนิดเดียวเขาคิดถึงศีลนั่นจะขาดหรือเปล่าอะไรเนี้ยอัตยาศัยที่เขาตั้งไว้อย่างมั่นคงตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยกการที่จะเกื้อหนุนเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่เขา เป็นปัจจัยที่มีกำลังในการที่จะไปประชุมทำให้อัธยาสัยของเขานะ่คุ้นเคยและเคยชินและใจกันน้อมนึกหน่วงเราลองคิดดูนะว่าถ้ารมไม่เคยผ่านโซนตาประสาทเราเลยอ่ะทางตาเราก็ไม่ได้มองเห็นร่มผ้ากาเสาวพัทเลยเราลองเราลองคิดดูสภาพอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครไปอยู่ต่างประเทศเนะี่ยจะรู้จะรู้ อยู่ต่างประเทศแล้วแล้ ว, ลวไม่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังให้รู้เรื่องเลยเนี่ยมันจะได้รู้ว่าจริงๆตนเองนั้นน่ะน้อมโหยหาพระธรรมแรงขนาดไหนถ้าไม่ได้น้อมเนี่ยแสดงว่าห่างมากๆถ้ายังน้อมก็หาพระธรรมย่างรุนแรงได้อันนี้สแสดงว่ายัางพอมีอัธยาศัยใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าในขณะที่เราไปประสบสิ่งวุ่นวายทั้งหลายอะไรต่างๆ่อนนี้นนตอนนั้นยังดูที่ว่าใจเราคิดถึงอะไร ถ้าใจคิดถึงพระธรรมคําสอนแสดงว่าแน่นนะเริ่มแน่นเลยนะฉะนั้นก็สังเกตในลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นในตัวตัวสมาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทางเปล่งวาจาแล้วความจงใจต้องชัดเจนความจงใจแล้วต้องมีข้อมูลในข้อความรู้เพราะเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของต้องใช้ปัญญามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เป็นเรื่องของการรักษาศีลแบบมีตัณหามนาทิ่ติไปเกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์งมากไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครคำนัดเดี๋ยวท่านจะสรุปผลนี่ดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเกี่ยงในเรื่องของสมาทานวิรัตย่อยอดตรงนี้ก่อนส่วนสัมปตาวิรัตก็เป็นไปในส่วนของการที่งดเว้นเหตุการณ์เฉพาะหนะ้าเฉพาะหน้าในกรณีที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้สมาทานหรือสมาทานไว้อย่างคนประเภทโดยทั่วๆไปเนี่ย สมาทานเยอะแยะเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ตนเองตั้งใจหรือสมาทานไปเบ็ดเสร็จพอไปเจอเหตุการณ์นี้จะทําเป็นเหตุเป็นปัจัยตนเองฆ่ารักหรือประพิผิดในกรรมจะเป็นปัจจัยตนเองพูดเทสรรสเ็จส่อเสียดคำหยาบหรือเพ้อเจ้อเป็นตน้นก็งดเว้นได้โดยโดยเกิดความคิดถึงตนเองหรือสิ่งแวดล้อมว่าคนเช่นเราไม่ควรทําลักษณะนี้เป็นสัมปตานะ สัมปตวิรัติเขาเรียกงดเว้นโดยการคิดถึงตัวเองบ้างบุคคลอื่นบ้างว่าเออคนเช่นเราเนี่ยไม่ควรทําอย่างนี้เลยว่าไั้นี่ยเออเราก็เป็นคนดีเนี่ไม่น่าจะทำอย่างนี้อันนี้เป็นสัมปตานะเป็นสัม ป, มปตาวิรัตคืองดเว้นได้แต่ถ้าหากไปปารว่าโอ้เราได้รับศีลมาจากพระพุทธเจ้าจากสาวกของพระพุทธเจ้าจากพระเทเรซผู้มีศีลการที่จะมาล่วงละเมิดศีลไม่สมควรแก่เราเลยอันนี้เป็นสมาทานวิรัตเข้าใจอย่าง น้อมไปนึกถึงคําสมาทานหรือธีลการที่ตนเองสมาทานอันนี้เป็นสมาทานนี่ก็แยกตรงนี้หน่อยฉะนั้นบุคคลผู้มีเจตนาอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะนี้เป็นการงดเว้นก็สังเกตให้ดีก็แล้วกันว่าถ้าสมาทานนะบางครั้งสมาทานไปแต่ไปเห็นเหตุการณ์ที่จะทําให้ร่วงละเมิดแล้วไม่นึกถึงสมาทานก็ไม่เรียกว่าสมาทานทั้งๆ ท, ที่สมาทานมาตั้งใจมาแล้วนะเพราะตนเองไม่คิดถึงไง กับไปคิดถึงเหตุการณ์เฉพาะหน้าและงดเว้นได้เพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอันนั้นเป็นในข้อของสัมปะตะไปสัมปะตะวิรัตไปทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเจตนาเนี่ยเจตนาในการปฏิบัติข้อประพฤติต่างเราเนี่ยที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่ย่าตายายเนี่ยเราเนี่ยชีวิตของเรามันเชื่อมโยงเยอะในชีวิตจริงเนี่ยเห็น ไ, ไหม ลองดูตามทิศหกที่พระบระมาศา ส, สดาสอนไว้ที่เบื้องหน้าของเราเนี่คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเบื้องขวาของเราเนี่ก็คือครูอาจารย์เบื้องซ้ายของเราก็คือมิตรเบื้องหลังก็คือบุตรภรรยาหรือพี่น้องก็ว่าไปเบื้องต่ําก็คือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบริวารเบื้องสูงก็คือสาวกของพระเจ้าในปัจจุบันเนี่ยถามบอกว่าในกรณีที่เราเป็นชาวพุทธที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเนี่ยเจตนาในการที่จะกระทําวัด วัดในที่นั้นคือวัตถระนี่นะคือวัตตะนี่คือข้อปฏิบัติเนี่ยข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์เนี่ยเช่นกระทาหน้าที่ของความเป็นลูกให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ขอความเป็นแม่ให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ของความเป็นสิทธิ์ให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ของเพื่อนกับเพื่อนให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ระหว่างตนเองกับบุตรภรรยาสามีหรือพี่น้องสาวเป็นต้นให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ต่อบริวารชนให้บริบูรณ์กระทาหน้าที่ต่อ สาวกของพระเจ้าให้บริบูรณ์การทําวัดปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าเจตนาศีลถ้าวัดเหล่านี้ไม่บริบูรณ์ศีลจะดีไหมทีนี้คําว่าบริบูรณ์ในที่นั้นน่ะท่านไม่ได้เน้นตัวบริบูรณ์การกระทําอย่างเดียวท่านเน้นตัวเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนเขาใจอย่าง เจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นะในขณะที่ทําไปนั้นเป็นไปกับบุญไหมมันเป็นไปกับบุญไหมเอาถามว่าดูแลแม่ด้วยจิตเป็นบาปได้ไหมเอากินซะบ่นเกงจังแม่เนี่ยอันนี้ก็ทำนั่นแหละแต่อย่างนี้เป็นเป็นเจตนาศีลไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหม หรืออย่างเราเอาข้าวเอาเอาของให้ลูกเนี่ยให้ปุ๊บตาก็ขวางเลยให้แมื่วานี้ให้ไปร้อยวันนี้ก็หมดเลยต่อไปห้ามหมดร้อยหนึ่งนะตาก็ขวางเลยเยี่ยตาขวางไม่ใช่มนุษย์ขอไปนั้นก็ใช่ไหมอย่างนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติที่ที่มีเจตนาศีลไหมเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่บริบูรณ์ตรงนี้ก็ไปฝึกขัดเกลา ถามว่ากรณีในรักในะนี้ไปเชื่อมโยกเดี๋ยวดูเจตนาตรงนี้กันนะฉะนั้นถ้าหาเป็นพระทั้งหลายท่านก็จะมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆวัดในฐานะปฏิบัติต่ออุปชาข้อวัดหรือข้อปฏิบัติทั้งหลายในการที่จะปฏิบัติต่ออาจารย์หรืออุปชาปฏิบัติต่อสัตว์ทหาริกอาจารย์ปฏิบัติต่อสิทธิ์าาธนี่นะหรือข้อวัดของพระนี่นะในการปูตั้งน้ำสฉันน้าใช้ปูอาสนะดูแล อุปถาพระเทระอะไรก็แล้วแต่พระเทระก็ดูแลสิทธินุสิ์เนี่ยซึ่งดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยตรงนั้นเขาไม่ได้กระทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลสำคัญที่สุดเลยแม้เราไปกวาดบ้านไปทำกิจต่างๆเขาทำด้วยกุศลและจิตเ <c oughs> <c oughs> จ้าพ่ธเรียนปรามาทิลืมบางทีเรียนปรามาทิเหล่านี้เรานึกว่าเราจะไปเข้าห้องสี่เหลี่ยมแล้วจะบรลได้ ด้วยข้อวัดบกพ่องนี่มันก็ละเลยกันไม่รู้จะล่าเลยยังไงแล้วใช่ไหมใช่เราคิดรือว่าไปการจะเดินกนรรมฐานเนี่ยมันจะไปสมบูรณ์ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นเนี่ยข้อวัดต้องดีมันเป็นการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตถ้าไม่อ่อนโยนตรงนี้ละยากแหละบางทีสอสามีบางท่านก็โกรธภรรยา บอกว่ามาคุยให้พระฟังเขาน้อยใจภรรยาถามทำไมภรรยาผมเวลาคุยคนอื่นนี่พร้อมมากมาคุยกับผมมันจะกินเลือด ก, กินเนื้อผมไม่รู้แท้จริงยังเขาคุยยังไงกิด ค, คุยกันแบบกินเลือด ก, กินเนื้อพระก็ไม่รู้เรื่องย่อมเคยคุยไหมยอมผู้หญิงใคยคุยกับยอมผู้ชายแบบอยากแบบกินเลือดกินเนื้อ ยอมผู้ชายก็มาบอกผมก็ยอมทุกอย่างเลยนะท่านไม่รู้จะข่มเบ่งมไปถึงไหน <c oughs> น่าสงสารจริงพูดแต่ละทีพระสะดุ้งกันเป็นแถวเป็นแนวพระที่คิดศึกนี่มองหน้ากันล็อกแรกล็อกแรกเลยบอกไม่เอาแล้วมอ ก, ก็เลยถามยอมผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นยังไงเขาสงสัยอย่างนี้ทั้งนั้นผมเห็นมาก็เยอะเลยกว่าบอก มากเลยบอกก็สงสัยไม่ได้เรียนพระธรรมโอ้ไปฟังธรรมมากเลยเลยนะ <laughs> ย่งเลยตอนนี้โอ้สังเกตตอนนั้นคงลืมตัวไปหรือไงก็ไม่รู้นยะยอมตอนนี้พกไปด้วยสิพกข้อวัดติดกระเป๋าไปด้วยเวลาจะอยู่ก็อารมณ์ไหนที่จะเป็นให้ปัจจัยแก่กปฏิฆะเยอะๆที่จะทำให้เจตนาศีลมันหลุดใช่ไหม <laughs> ก็พอจะโกรธึ้นมาเดียวดูข้อปฏิบัติก่อน อ๋อไม่ไม่ได้ก็ใส่ไว้สําคัญโกรธมาชักไม่ทันเนะี่ยเอางี้ยอมผู้ชายแขวนคอเข้าไว้ขอ้อปฏิบัติของยอมผู้หญิงก็ยอมผู้หญิงก็แขวนข้อปฏิบัติของยอมผู้ชายไว้สบายเลยใช่ไหมพอเขาทําท่าจะโกรธหน่อยก็ดึงปุ๊บมันนี่อ่านอ่านก่อนอ่านก่อนอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ทุกคนโอ้โหยุ่งเลยเมีมีอยู่ไลน์หนึ่งนะ ไม่ได้เอาข้อปฏิบัติของพระเจ้ามาทํำเราคือแกเก็บจดหมายเขาไว้ยอมผู้หญิงนเนี่ยเก็บจดหมายของยอมผู้ชายเขาไว้พอแต่งงานกันแกน ก, ก็เก็บไว้หมดเลยนะพอยอมผู้ชายพูดกับแกไม่ดีแกเขาจดหมายมาอ่านจดหมายตอนแสดงความรักแล้วเมื่ออ่านยอมผู้ชายไปหาเขามาก็บอกว่าผมเวียนจะฉีกทิ้งหลายครั้งไม่รู้ซ่อนไว้ตรงไห น, น อ่านที่อะไรผมสะดุ้งทุกทีแล้ว่าก็ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ตอนนอนเขาเรียบร้อยตอนนี้หผมก็ว่าเคยเป็นไ ง, ไงี้ไหยวะเนี่ยข้อวัดมันพลาดข้อวัดพลาดตรงนี้ไม่มีเจตนาไม่มีไม่มีเจตนาสีก็พระพระก็ทำๆฉะนั้นเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีล แล้วก็สังวร อ, อวิติกมามะแม่ในคัมภีปฏิสัมพิามัคก็กล่าวไว้ในเจตนานั้นคือเป็นตัวจัดแจงถ้าผู้เชิงลึกลงไปเขาเป็นตัวจัดแจงนามารมที่เกิดร่วมกันกับตนเองคือตัวเจตนาเนี่ยเขาจัดแจงภาษะให้ทํากิจในการกระทบอารมณ์จัดแจงเวทนาให้ทํากิจในการเสเวยอารมณ์จัดแจงสัญญาทํากิจในการจําอารมณ์จัดแจงสังขารทั้งหลายนะ ทำกิจในการโลภหรือไม่โลภเป็นต้นเหล่านี้แต่เจตนาที่กล่าวนะที่นี้เป็นเจตนาที่ในกุศลก็เลยเป็นสังขารฝ่ายบุญบ่จัดแจงในทางด้านเช่นศรัทธาเนี่ยจะมีความจะเป็นศรัธทธาที่น้อมในคุณของพระรัตนตรายเป็นด้วยด้วยความอนุกูลของเจตนาเนะนี่ยนะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นที่เขาจะทํากิจเขาได้เนี่ยตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวจัดแจงนามธรรมาเหล่าเนี้ยให้ทํากิจเข้าใจนะ เจตนาคันเลยอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับหัวหน้าสิทธิ์บ้างเหมือนกับอาจารย์บ้างหรือเหมือนกับหัวหน้าคนงานบ้างหัวหน้าคนงานอย่างสมมุตินักที่เนี้ยมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งใช่ไหมถ้าหัวหน้าเดินออกไปชี้บอกเอาคนนั้นทำโน้นคนนี้ทําเนี้ยบุคคละนะเหล่านั้นช่วยกันทํานะอย่างนี้เป็นต้นนะะทุกคนก็จะเฮโลช่วยกันทําอย่างนี้เป็นต้นตัวเจตนานี่แหละจะจัดแจงในระักนี่เขาจัดแจงในนามมาทําก่อนคือในนามมาขันในจิตใจนั่นนะ่ะ เมื่อจัดแจงเบ็เสร็จถ้าจะเป็นเจตนาในกรณีที่เขาเป็นศีลเขาก็จัดแจงในการที่จะงดเว้นบาปทางไหนอ่ะถ้าจัดแจงที่จะงดเว้นบาปทางกายใช่ไหมพวกกลุ่มนามาทําทั้งหลายก็น้อมเป็นไปตามเจตนาแล้วก็เริ่มขับเคลื่อนแล้วที่ทํากายกรรมในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าการลักการผู้พิพากษามันเป็นแบบนี้นะในกรณีที่เจตนาทั้งหลายก็จัดแจงนามาทำทั้งหมดหนั่นแหละประชมในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ยในกรณีที่จะ น้อมในการที่จัดไม่กล่าวเท็จใช่ไหมเจตนาก็มาจัดแจงนามมาทําทั้งหลายแล้วก็คิดพอคิดขึ้นมาก็เห็นคุณเห็นโทษอะไรก็แล้วว่าไปแล้วก็น้อมในการจัดแจงว่จีกรรมไม่พูดเท็จจัดแจงวจีกรรมไม่พูดส่อเสียดจัดแจงว่าจีกรรมไม่พู ด, ศศ ด, รรมมพดคำหยาบหรือเพ้อเจอ้อมันเป็นอย่างงี้แล้วในขณะเขาจัดแจงอยู่นั้นจะตอนนั้นใจเขาโลภไหมใจโลภหรือไม่โลภใจโกรธหรือไม่โกรธใจเป็นความเห็นผิดหรือเห็นถู ก, เ, ถกเห็นไหม นั้นตัวนามมาทำทั้งหลายเหล่านี้ยให้สังเกต ด, ดูไหมเขาจัดแจงใน ล, ลักษณะเนี้ยมันเป็นไปเพื่อการขัดเกลวใจขัดเกลวกายขัดเ ก, กลววาจาไปเรื่อยๆเลยนี่เราไม่ได้สังเกตอย่างเนี้ยมันก็เลยไม่ได้จัดแจงกังนได้ทีตอนี้นะข้ามันก็เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายแล้วมันก็ซ่านไปในการทําบาปทางกายบ้างทางวาจาบ้างใจก็เศร้าหมองบ้างรักษาศีลกันมาเป็นสิบปีแต่ยังยังเครียดอยู่ง่ายมากอ่าสังเกตเป็นไงั้นไหม ใครมาพูดให้โลภก็โลภใครให้พูดให้โกรธก็โกรธใครใพูดให้หลงก็หลงง่ายเหลือเกินเจออะไรโฆษณาหน่อยโอ้โหเดี่ยว ด, ดีใจไปแล้วอย่างเงี้ยกุศลศีลหายหมดแล้วทนี้เข้าใจไปเนี่ยฉะนั้นการจัดแจงจัดแจงในลักษณะเนี้ยจัดแจงกายกรรมไหมเจตนาเนี่ยชื่อว่าจัดแจงด้วยเพราะจริงๆแล้วเป็นไปกับการที่งดนั่นเอง น้อมในการที่จะไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการในการที่จะไม่พูดเท็จส่อเสียดคาหยาบและเพื่อเชื้อแล้วตอนนั้นใจก็ต้องไม่โลภไม่โกรธแล้วก็เห็นถูกด้วยให้สังเกต ด, ดูนะการจัดแจงเนะี่แปลว่าเขาไม่ก้าวเขาจะออกจากอะไรออกจากปานาติบาตได้ไหมออกได้ไหมไม่ได้ตัวเจตนาเป็นต้นเขาก็จะต้องออกจากปาณาติบาตได้ออกจากอธินาทานได้จริงไหมออกจากกามเมสุมิฉาจารได้ไหมออกจากมูสาวาทปิสุนาวาจาพุรุสวาจา ออกจากสัมผัสพลาปะออกจากความโลภไหมออกจากความกโกรธไหมออกจากความมินผิดด้วยแต่มันจะยาวนานแค่ไหนตั้งใจไว้ดีกว่าวไอ้ตรงนี้ก็ต้องประคับประคองเดินให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะตอนช่วงบ่ายว่าจะถามตัวอย่างที่เราพูดไปนี้ถ้าฟังแล้วมันไม่ค่อยเขา้าเออขอถ้าโยมไม่ค่อยเข้าใจนี่นะถามได้เลยอันนี้เจตนาที่เป็นศีล เจตนาเขาเรียกสีลเจตนาตัวศีลเจตนาเป็นกรรมหรือไม่เป็น<สร> <hr> เป็นกุศลกรมก ร, กรมหรืออกุศลกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่จริงในที่นี้ขับเน้นตัวกุศลกรรมแต่จรงิจรงๆอกุศลกรรมนี่เป็นเป็นศีลได้ไหมอ<สร> <hr> กุศลเป็นศีลได้ไหม<สร> <hr> เป็นอกุศลศีล <hr> <สร> <hr> เคยได้ยินคําว่าทุศีลไหมเราเคยทุศีลไหม คำว่าทูศีนเนี่ยทูเนี่ยแปลว่าไม่ดีใช่ไหมทุศีลก็คือได้ศีลไม่ดีก็ได้อกุศลศีนนั่นเองท่านถึงไม่ใช้คําว่าศีนขาดบางแข่งก็แชร์ว่าศีลกุศลที่มันขาดออกไปก็ว่าไปแต่นี่เาเรียกว่าทูศีนเหมืนคําว่าทุแล้วปุตโตหรือทุกุตโตเนี่ยแปลว่าบุตรไม่ดีบุตรชั่วถ้าทุศีนก็ศีลไม่ดีศีนชั่วเขาใจอย่างนี้เราต้องการเจริญกุศลและกุศลศีนศีลเจตนาที่เป็นกุศล ฉะน้นถ้าเจตนาที่เป็นอกุศลก็เป็นบาปเจตนาที่เป็นกุศลก็เป็นบุญใช่ไหมใช่ทีนี้เจตนาที่เป็นศีลเจตนาเจสิกเป็นกุศลกรรมไหมมีกิจพิเศษด้วยมีกิจพิเศษด้วยพีชาณิธานกิจแปลว่าอะไรทําหน้าที่เป็นมเมล็ด <S S S เป็นมเมล็ดพันธุ์ไหมฉะนั้นการที่ศีละเจตนาที่เป็นกุศลศีลเกิดขึ้นแต่ละขณะ เชื่อว่าได้เพา ะ, มะเมล็ดของกุศลไว้แล้วเอาถ้าเพา ะ, มะเมล็ดของกุศลแล้วเนี่ยมันจะมีผลไหม ม, มีเหมือนเราเอามเมล็ดพืชไปเพาะนี่แหละมันก็ต้องจะมีดอกมีผลมีใบมีกิ่งก้านสาขาออกไปใช่ไหมกรณีที่เราเพา ะ, มะเมล็ดลงไปนี่แหละไอ้ตัวศีลและเจตนาที่เกิดบ่อยเกิดบ่อยๆนี่แหละตัวศีลนี่เราเป็นกรรม ทีนี้ถ้าออกมาทางกายเรียกอะไรก็เรียกกายกรรมที่เป็นกุศลเปล่งออกมาทางวาจาเรียกวจจกรรมที่เป็นกุศลใจที่ไม่โลภไม่โกรธและไม่เห็นผิดเป็นมโนกรรมที่เป็นกุศลนั้นศีลจึงเป็นชื่อของกุศลในนี้นั้นต้องเป็นกุศลเกิดขึ้นทางใจก่อนใช่ไหแล้วทำกายกรรมวจจกรรมนั้นให้เป็นไปกับกุศลเลยนี่เป็นอย่างนี้อาถามอกรณีอย่างเนี้ย ในด้านของศีลเนี่ยเราได้คิดให้ละเอียดลงขนาดนี้ไหมที่ผ่านมาในชีวิตเราได้คิดคิดเจาะลงให้ละเอียดขนาดนี้ไหมคิดไม่คิ ด, ค, ด, ค, ดคิดหรือวล่าเอาตามต่อไปนะเหลือเวลาแค่นี้ยตามต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปเดี๋ยวพอพูดพูดไปแล้วอย่าห้ามอย่าตอนตอนบ่ากลับมาลืมหลังหมดเลยเนี่ยไม่เอาตรงนั้นเนี่ยคือตอนนี้ยึดมั่นถือมั่นไวนิดนึง ในเรื่องศีลเนี่ยนะฮเล่นจะปล่อยแม้กระทั่งศีลไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันไม่ใช่อุปาทามันไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ไม่มีอุปาทานเนี่ยก็คือให้จําให้เข้าใจเข้าไว้เอาเจตสิกเนี่ยเจตสิกเป็นศีลท่านอธิบายอัดของเจตสิกเจตสิกก็เกิดพร้อมกันกันกบจิตดับพร้อมกับจิตรับอารมณ์เดียวกันกับจิตแล้วก็มีที่เกิดที่อาศัยอันเดียวกันทคำเกิดพร้อมนะจิตเกิดเมื่อไหร่เจตสิกก็เกิดจิตดับเมื่อไหร่เจตสิกก็ดับ จิตมีรูปเป็นอารมณ์เจสิกก็ไปมีรูปเป็นอารมณ์จิตมีเสียงเป็นอารมณ์เจสิกก็ไปมีเสียงเป็นอารมณ์เป็นต้นสรุปแล้วก็คือว่าตัวเจตสิกสีลไม่ใช่จิตแต่เป็นธรรมที่เกิดร่วมกันกับจิตถ้าใครไม่เรียนเรื่องจิตและเจสิกมาก็ก็อย่าไคิดมากก็อย่าไปคิดมาก <c oughs> ก็ให้รู้บอกว่านั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งในจิตนั่นแหละก็เกิดร่วมกับจิตนั่นเองฉะนั้นจิตคิดใช่ไหมจิตคิดเจสิกก็คิดด้วย ก็เป็นอย่างนั้นเองถ้าจิตง่วงใจสิกง่วงด้วยไหมจิตหิวข้าวเจสิกก็หิวข้าวด้วยเนี่ยจิตคิดถึงพ่อใจสิกบอกจะคิดถึงแม่ได้ไหมไม่กัยแยกกันบอกไม่ได้เขาก็ เ, าเป็นสภาวัตธรรมที่ไปด้วยกันนี่ก็ก็ก็ก็คิดแบบเนี้ยพระเ ข, ข้าใจปะเข้าใจปะใช่ไหมเขาไปด้วยกัน ก็ก็ในลักษณะก็จิตเนี่ยนะจิตน่ยนคิดอารมณ์เจตสิกเขก็คิดลักษณะอย่างนี้นเจตสิกที่เป็นศีลกันก็แยกเป็นหดังกล่าวสัมมาวาจาอันนั้นเป็นการงดเว้นจากจากวาจีทุจริตงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจอืออันนี้จําง่ายๆนะเป็นตัวงดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเป็นธรรมที่งดเว้นสัมมาวาจา เป็นตัวงดเว้นเลยเป็นสภาวะที่งดเว้นเป็นธรรมที่งดเว้นหรือสัมมากรรมันตะแปลว่าอะไรธรรมที่งดเว้นจากกายทุจริตสามงดเว้นจากการฆ่าการลักการบุกรุกผิดในการมเป็นธรรมที่งดเว้นเป็นสภาวะเป็นตัวที่งดเว้นจากบาปกรรมทางกายสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นธรรมที่งดเว้นจากอะไรงดเว้นจากวจีทุจริตสี่กายทุจริตสาม ที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรอาชีพอะที่นั่งกันอยู่นี่มีอาชีพกันหมดมไหมยมววัดมีอาชีพอะไรฮะเป็นไวยาวจักรกนใช่ไมอันนี่ถือว่ามีอาชีพนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอาชีพมีอาชีพอนึกว่าไม่มีอาชีพเลยวัยอะไรนะไวัยยาวจักรถ้ามาที่นี่จะไหลระพระพระยิมกันทุกที แต่เห็นยมบรวัตเนียกเจอวัยวัจกรแล้ว <c oughs> คือใช้ได้ <c oughs> ถ้าเอะเห็นยมบรวัตไม่มาเนี่ทุกคนก็นมองนี ม, มีพระเริ่มมองมอง <c oughs> แต่ไม่รูปร้ประกาศเป็นวัยาัจกรของพระทั้งประเทศหรือเปล่าไม่รู้เนอะยังังงง <c oughs> ถ้าเท้าสกัดเนี่ยท่านจะเป็นวัยวัจกรของพระอริยา ทั้งโลกเห็นไหมท่านจะโอไม่ได้ให้สังเกต ด, ดูไหมที่ว่าตอนที่ท่านพระมหาสิวาเถระที่ท่านชำนาญมากวันหนึ่งสอนวันละสิบแปดคณะสอนไม่มีเวลาหยุดเลยใช่สอนพระจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สามหมื่นลูกใช่ไหต่อมาลูกศิษย์ก็มองเอออาจารย์เรายังเป็นบุรุชนอยู่เลย อาจารย์เป็นที่พึ่งให้กับบุคคลอื่นแต่ยังไม่มีที่พึ่งสำหรับตนก็คิดอยากอนุเคราะห์อาจารย์ก็กลับมาก็ไปหาอาจารย์บอกท่านอาจารย์ขอสมัครเป็นลูกศิษย์หน่อยแกจำไม่ได้ลูกศิษย์เยอะแกบอก โ, อโหไม่มีเวลาว่างเลยแกก็เลยถามบอกว่าช่วงเดินบินธบาตว่างไหมไม่ว่างกลับจากบินธบาตตอนล้างบาทไม่ว่าง อตอนฉันก่อนฉันน่ยไม่วางฉันเสร็จน่ยไม่วางเข้าห้องน้ำเหมไม่วางออกจากห้องน้ําไม่วางโคตรยุ่งเลยตอนปฐมยามก็ไม่วางมาชปิมยามแม้ปิมยามก็ยังมีคณะรอจ้องเรียนสรุปละวันถ้าคืนสิบปคณะก็นอนน้อยมาก็ทําทกิจในการเป็นอาจารย์อยู่ชํานาญมากชํานานคําสอนมาก ลูกศิษย์ก็เลยบอกโอ้อาจารย์สงสัยอาจารย์จะไม่มีเวลาตายอะไรแงเนี้ <c oughs> เออผมบอกงั้นผมไม่ปรารถนาที่จะมาเรียนกับท่านอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งกับคนอื่นแต่ไม่เป็นที่พึ่งให้ตัวเองแล้วว่า ง, งั้นพูดเสร็จกราบเหาะหนีเลย <c oughs> เป็นไงอาจารย์คิดยังไงอา้าวถ้าท่านมหาอนาจะมีลูกศิษย์มา มากราบกาบ่ากัมาเหาะนี่ตัหน้าตัวตาว่ามัวแต่เพลินสอนเจ้าบ้านอยู่นี่แหละส่งพวนี้โอ้โหใจใจใจแทบขาดเลยเนะยคิดในใจเออไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยแสดงว่าท่านมาเตือนเราแล้วท่านมาเตือ น, แ ล, แ, ล น, อนแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวประชิมมะยามสอนคณะสุดท้ายเก็บบาตเก็บอะไรเส็จเสร็จก็เดินตามไปเลยไม่เคยรู้เลยอย่างเรามันไม่น่าจะเกินสามวันบรรลุแ น, น่มาน้ําไหม มานาไหมเนี่ยเป็นทิฏฐิมนะเดี๋ยวเห็นผิดนนเนาะเบ็ดเสร็จก็เดินขึ้นเขาไปขึ้นเข้าธรรมทาความเพียรสามวันมึดหมดเลย <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆอยู่เนี้ยไม่ได้นะเข้านะเข้าจำภาษาหนึ่งก็แล้วสองก็แล้วสามก็แล้วสี่ก็แล้วท่านเดินจนเท้าแตกจนเท้าแตกจนเด็กเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาเห็นเท้าเลือดไหลเต็มไปหมด ก็เอาปอเอาเอาเขียบมาท่านใช้ไม้เจาะเจาะหนังใช้เชือกร้อยมัดมัดเท้าไม่ให้มันแย่อย่ามัดมัดมดแล้วก็เดินไม่ยอมนอนนะไม่ยอมนอนเดินยู่รู้สึกพรรษาที่ยีบก้าร้องไห้ร้องไห้โหเลยไม่ได้บรรุ่ที่ไหนได้ยังไม่นึกว่าตนเองฉลาดขนาดนั้น พอลองไห้อยู่นี่ยเทวดาเสียงร้องไห้ดังขึ้นไงเธก็เลยใครร้องยมมาร้องไห้กห็ถามเป็นใครโอเทวดาหลดเธอร้องไห้เพื่อที่มันจะได้สักมาร์กสองมาร์กก็เลยร้องดูมัง้ง <c oughs> <c oughs> โอ้โหเห็น <c oughs> ไหเนี่ยนึกโอ้ตายแล้วเรานี่ยใครเทวดายังเย่อเยอ้ ในภรษานั้นแหะท่านก็ลดความเพียนท่านนะแล้วก็เท่านก็คลายท่านก็ตั้งอินทรีย์ได้และในส่วนจริงท่านก็บรรลุพอบรรลุแบบเสร็จเนี่ยพระที่เป็นพระทหารทั้งสาม 0,000 ื่นรูปก็จ้องกันมามดเลยมาจะมาล้างเท้าให้อาจารย์ท่านก็บอกคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเห็นไหมาอาจารย์ไม่ได้อาบน้ํามาทั้งสามเดือนเลยตั้งส า, ามตั้งสามสิบปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ล้างเท้ามาทั้งสามสิบปีแล้วว่างั้นอย่าเข้ามาใกล้่าง ทางใครก็ไม่ยอมกันในขณะดชุลมูลเน่ยเท้าสกาวมาแล้วเท้าสกาวมาไม่มามากับภรรยานางสุชาดานี่แหละแล้วก็ตะโกนบอกว่าผู้หญิงมาผู้หญิงมาพาทั้งแหวกใช้ภรรยานําหน้าพระต้องรีบหลีกทางให้มาเป็นเสร็จเธอะทา่านก็อ้าวท้าโกสีมหาบพิษตามธรรมดานี่เทวดาห่างไกลมนุษย์ เราร้รอยโยอดก็เหม็นอย่างเอาสุนัขผูกไว้ที่คอมไม่ใช่หรือแล้วท่านไม่เมืออาตมาไม่ได้อดาบน้ำส่งน้ำเลยโอ้โหเขาบอกว่ากินศีลไงเนี่ยกิน่นศีลโ๊บพระอย่งางพราะคุณเจ้ามีแต่คนอยากจะเป็นไวยาวัยเวจริญ <Riley> ใช่ไหมเข้ามาก็มาจับเท้าล้างเท้าก็หายทันทีเห็นไหมกิน่นศีลแรงมากแม่นเทวดาเทวดาก็ ก็หอมกินศีลเราก็ลองทำให้เทวดามาหาเงินบางอย่างใช่ไหเทวดามาอุปถากเลยใช่ไหมเนี่ยคือกิ่นศีลแหลงมากสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะทั้งสามตัวเหล่านี้เป็นเจตสิกศีลทีนี้ในด้านของสัมมาวาจาเนี่ยเป็นสภาวะเป็นธรรมที่งดเว้นจากวจีทุจริต ตัวสัมมาวาจาเนี่ยการกล่าววาจาที่เว้นจากวาจีทุจริตสีคือในด้านของตัวสัมมาวาจาเนี่ยเขาเกิดขึ้นในมหากุศลสัมมากรรมตาและสัมมาชีวะเหมือนกันเขาเกิดในกุศลจิโรบา ท, ทีนี้ในขณะที่สัมมาวาจากล่าวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเป็นสภาวะธรรมที่งดเว้นจาก ทุจริตทางกายแล้วก็ทางทางกายเออทางวาจาไม่ใช่ทางกายถ้าสัมมารกรรมตะเขาจะงดเว้นจากทางกายใช่ไหมทีนี้ตัวสภาวะทำที่เป็นตัวงดเว้นที่เป็นสัมมาวาจาเนี่ยเขาก็จักงดเว้นนี่กรณีให้สังเกตดูว่าการกล่าวการกล่าววาจาที่เป็นไปกับการเว้นเนี่ยที่เป็นไปกับการเว้นที่เป็นสัมมาวาจาให้สังเกตดูนะว่าในกรณีของเราท่านทั้งหลายเนี่ย เวลาการกล่าวแต่ละครั้งเนี่ยให้สังเกตว่าถ้าเป็นสัมมาวาจานั้นน่ตัวการเปล่งการกล่าวออกมานั้นต้องเป็นกุศลไม่ใช่เป็นอกุศลไม่ได้ไปขับเน้นเรื่องว่าพูดเพราะพูดดีพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านดูตัวสภาวะที่เกิดขึ้นที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นเหตุแห่งการปิดช่องไม่ให้ทุจริตออกมาทางวาจาไอ้ตัวนั้นแหละ เป็นสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นเขาเขาเป็นสภาวาธรรมที่งดเว้นแต่อย่างเราเนี่ยโดยมากเราไปถูกสอนกันบอกว่าให้พูดดีๆนะใช่ไหมแต่ไม่ได้ถูกสอนให้ถึงรากของคําพูดไอ้ตัวสภาวาธรรมที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเปล่งการเปล่งก า, การกล่าวออกมาที่จะไม่เป็นไปกับบาปอากุศลทั้งหลายเช่นการพูดเพราะๆ เ, เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันกโกรธพูดก็ได้ใช่ไหมเอาทําไมจะไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นนั้นแต่ว่าจริงๆตัวสัมมาวาจาท่านเน้นถึงตัวตัวสภาวะที่งดเว้นที่จริงถ้าถ้าแยกไปในรายละเอียดคงจะไว้เป็นช่วงบ่ายที่เขาเรียกว่าสมาทานวิรัสแล้วก็คถาสัมมาวาจาเอ่ยวิรติสัมคถาสัมมาวาตาเจตนาสัมมาวาจากับวิรติสัมมาวาจาวิรัติสัมมาวาจานั้นท่านขับเน้นตัววิรติแต่คถาสัมมาวาจาเป็นการกล่าวดีนั้นเป็นใบ ก, กุศล ถ้าเจตนาสัมมาวาจาท่านพูดถึงตัวเจตนาตัวเจตนาเป็นประธานที่จะเป็นเจตนาในการที่ตั้งใจในการที่จะไม่กล่าวชั่วเวินเทอร์เหล่านี้ยอันนั้นขับเน้นตัวเจตนาไม่ใช่ขับเน้นตัววิรติตัวเจตัวตัวสัมมาวาจาเจสิกถ้าสัมมาวาจาเจสิกนั้นพูดถึงตัวสภาวะที่งดเว้นเลยเป็นสภาวะที่เป็นที่เป็นตัวงดเว้นเลยนี่ก็นี่ก็เป็นไปในลักษณะนั้นเพราะจะมีคําว่าคาถาสัมมาวาจาใช่ไหม แล้วก็เจตนาสัมมาวาจาแระก็วิรัติสัมมาวาจาถ้าคถาสัมมาวจาเนี่ยเป็นการกล่าวดีที่เป็นใบกุศลไหมเป็นตัวนั้นเป็นกุศลเป็นประธานไปแต่กุศลจิตุบาตเป็นประธานไปแต่ถ้าหากเจตนาสัมมาวาจาก็เป็นการตัวเจตนามาเป็นตัวจัดแจงให้การกล่าวดีไปเพราะเจตนาเจสิกก็เป็นการจัดแจงในการกล่าวดีเป็นศีลได้ใช่ไหมแต่ถ้าวิรัติสัมมาวาจาตัวเนี้ยอันนี้หมายถึงตัววิรติเลย เป็นกว่าที่เป็นตัวงดเว้นเป็นธรรมที่งดเว้นเป็นสภาวะที่งดเว้นเลยฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยถ้าถามบอกว่าถ้าต้องการสืบค้นเอาลายละเอียดจริงๆ่ก็ต้องแยกตรงนี้ต้องแยกส่วนสัมมากรรมตะท่านก็แยกเป็นเป็นเกี่ยวในเรื่องของเจตนาสัมมากรรมตะนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยดูในลายละเอียดส่วนสัมมาชีวะนี่แหละที่จะกล่าวหน้าที่นี้ก่อน ในเวลาที่เหลือประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยเนี่ยสัมมาอาชีวะเนี่ยให้สังเกต ด, ด้วยท่านจะใช้คําบอกว่าทําที่งดเว้นจากกายทุจริตสี่วจีทุจริตสามที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพอา้าเราก็ดูเลยทีนี้ยพวกเราเนี่ยถ้าถามบอกว่าพวกเราเนี่ยประกอบสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะอา้าวยืนยันหน่อยทีสัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะอ้าสัมมาอาชีวะต้องเอา เอาสัมมาอาชีวะศีลไปไปเทียบใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใครเป็นครูเป็นข้าราชการใครเป็นพ่อค้าประชาชนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทุกคนมีอาชีพหมดที่นั่งอยู่เนี้ยที่ไม่มีอาชีพไม่มีสรุปแล้วมีอาชีพกันทั้งนั้นใช่ไม่ใช่เอาหรือใครไม่มีอาชีพพระยังเป็นอาชีพนักบวชเลยเป็นแม่บ้านหว่าที่ยกมือยอมยกมือ ต้องมีอาชีพฮะอยู่บ้านได้ทำงานไหมนั่นแหละกับงานบ้านไงก็เป็นอาชีพมีไม่ไม่มีอาชีพไม่ได้ต้องมีต้องมีอาชีพทุกคนมีอาชีพนะฉะนั้นอยู่บ้านเนี่ยคนเรามีอาชีพตั้งเยอะเอาอย่าง ดรรดาเนี่ยอยู่โรงเรียนก็เป็นอะไรเป็นอาจารย์สอนใช่ไหมอยู่วิไลก็เป็นอาจารย์สอนเป็นอยู่ในมหมาอะไรเนี่ยกลับมาบ้านก็เป็นอาชีพเป็นเออเป็นแม่บ้านไปเป็นคนกวาดบ้านไปคนถูบ้านไปอย่างนี้เป็นต้นก็คนมีอาชีพนะทีนี้อาชีวะปริสุทธิ์เนี่ยเขาห้ามอะไรค้าขายมนุษย์ค้าขายยาพิษ ค้าขายน้ำเมาค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายอาวุธด้วยแล้วค้าขายเลยเห็นไหมลักษณะนี้เป็นมิจฉาอาชีวะอันนั้นท่านวางเป็นหลัก ป, ปฏิบัติเขาไว้แบบเป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆเนี่ยแต่ประเด็นของสมัมมาชีวะเนี่ยให้สังเกตต้องเว้นจากอะไรเว้นจากกายะทุจริตสามวัจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพ แปลว่าทำอาชีพแต่ไม่ให้ทุจริตมันกุ้มลุมในกระแสชีวิตเอา้าตอนนี้ไปกวาดบ้านกวาดไปก็ใครไม่เก็บบนไปนเงี้ยน่าเจ็บใจนักนกรณีเนี้กำลังสัมมาชีวะอยู่เปล่าทำไม่ท ำ, ทำตอนนั้นจิตเป็นยังไงอกุศลสัมมาชีวะเดินไหม ไม่เดินแล้วฉะนั้นตอนนั้นต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีวะไม่ใช่สัมมาชีวะเอาโถห้องน้ำขัดใหญ่ใช้ห้าคนกูทำคนเดียวโ <c oughs> ถอย่างเงี้นนี่เป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาชีวะทั้งๆ ท, ที่อาชีพถูกไหม ใช่ไหมแต่ทำไมเดินมิชาอาชีวะได้เนี่ยไปกินอาหารเนี่ย <Yeah. S 1> จะจะลงไปทานอาหารกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นในกรณีอย่างเงี้ยคนยกอาหารมาสมมติยกตักอาหารให้ใจก็เป็นทุกข์นี่ใช่ไหมโอ้โห ขออีกหน่อยโอ้โหตายบอกอะไรเราเราก็จะตักที่เราน้อยๆสมมุติเงี้ยนะยังไงคนที่เขาทาอาชีพก็เป็นมิจฉาชีวาด้วยเรก็ไปไปไปแจกรายละเอียดที่เป็นร้อยเป็นพันเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าศีลมันเดินจริงหรือไม่จริงจริงไม่จริงอ่ะ เราจะได้รู้สักทีว่าเราเนี่ยเป็นผู้เดินกุศลศีลได้หนาแน่นมากแล้วคู่ควรจะที่เชิญอริยมรรคม า, มาประชุมในกระแสชีวิตได้แล้วได้ยังตอนนี้ถ้าเรารู้จากศีลอย่างจริงเนี่ยเราไม่กล้าเอามรรคมาลงวง <c oughs> คนปรับเคยเห็นสนามอ้าวสนามบินสุวนรณภูมิเนี่ยถือว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ลงได้ใช่ไหม เอาถ้าเอาขนาดใหญ่ไปลงที่เชียงใหม่ไหวไหมไ ม, ไ, หไม่ไหวหรอกตอนนี้ของเรายังปรับได้ไม่ถึงสนามบินเชียงใหม่ได้ซ้ําไปกระแสศีลของเราเนี่ยเราจะเชิญคุณธรรมสูงๆมาม า, มาจอดมาลงอะ่ะจะเชิญสติปัฏฐานอย่างนั้นสมปทานอย่างเงี้อยอิทธิบาทอินทรีย์พระโาชงอริยมร์นิ่นโพธิปัจ ก, กิยธรรมนะมใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเครื่องบินก็ระดับจัมโบอย่างใหญ่เลยอะ คนบรรจุประมาณเป็นพันพันที่นั่งแล้วเราปรับพื้นที่แบบเนี้ยมันน่าจอดไหมแล้วมันรับไหวไหมรับไม่ไหวหรอกถ้าสัมมาชีวะยังเป็นแบบนี้ใช่ไหมไปปรับสัมมาชีวะไปสัมปรับสัมมาวาจาสมากรรมตตะไปปรับเจตนาศีนเจสิกสีนสังวรอวิติกมะให้แข็งแรงต่อไปถึงถ้อยเดินสู่ห้องกรรมาฐานดีไหม ที่ใครเข้าห้องกรรมฐานออกมาก่อนออกมาก่อนมาจัดลานจอดพอที่ปักขี้ยะทาใหม่เขาย้ย่างเดินออกมาก่อนปรับพื้นที่ใหม่ไม่ไหวถ้าเป็นนักคานวณ น, นักก่อสร้างเนี่ยเขาปรับแล้วเจ๊งเลยแบบนี้นะเจ๊งใช่ไหมปรับเยอะเนืเอาจะสร้างตึกร้อยชั้นเนี่ย แต่วางเสาเข็มวาเดียวร้อยชั้นนะตึกร้อยชั้นนี่นะอรีย์มัสเนี่ยสูงกว่าร้อยชั้นโพธิปกักษิธรรมสามสิบเจ็ดประการเนี่ยนี่เราเดินกุศลศีลอ่อนแอมากๆต้องใช้คําว่าอ่อนแอมากๆช่วยไปสะกิดออกจากห้องกรรมฐ า, านมาฟังเรื่องศีลหน่อยได้ไหมบอกคุณรู้จกักศีลดีเลยเนี่ไปสะกิดออกมาก่อน บอกเย่าพึ่งบรรลุตอนนี้เพราะศีลคุณยังไม่หนานแน่นที่จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงหรือศีลมันจะไปเกิดตอนนั้นได้เอาแม้ถ้าดูเบื้องหลังแสนกลับจะเกิดได้ใช่ไหมถ้าอย่างสันตติมหาหมาดนางปตาจ a ลาเป็นต้นเหล่าเนี้ยนี่เขาแสนกลับไอเรามันแสนสาหาัสก็จะได้ศีลแต่ละข้อแสนสาหัสใช่ไหม อันนี้เรื่องจริงไหมมันเรื่องจริงอมาพูดเนี่ยจะได้เป็นข้อส ก, กิดเราจริงๆเนะศีลเดินให้ชัดในชีวิตจริงบางทีเราหลุดลุ่ยกันจนไม่รู้จะหลุดยังไงเจอมะนี่ลองใครพูดไม่ถูกใจนิดเดียวหันควับเลยบอกมาฟองทำด้วยนะเจอมะต้องดูที่ใจ ก็อตัวโทสะมตัวตัดรากของศีลตลอดเลยโลภะโทสะโมหะมันตัดอยู่ตลอดศีลมันนทำท่าจะขึ้นมาแล้วก็ตัดขาดซลโอ้โหต้องมาต่อใหม่ต่อใหม่ต้นของศีลเหลืองมาเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเป็นต้นกล้าต้นเพราะช้ำทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าดูแล้วไม่น่าชื่นใจเลยทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาดูว่าจริงๆชีวิตจริงเราเดินกุศลศีลกันไม่ค่อยแข็งแรง ที่น่าเป็นห่วงสัมมาชีวะเสียยะนี่ที่ยกให้เห็นเนี่ยตัวสัมมาชีวะเนี่ยที่เป็นไปกับกายยถาจริญว่าจีทุจริตเพราะกายวาจาและใจต้องสะอาดมันเป็นผลปรากฏของศีลเดี๋ยวได้ไปดูเหตุกล้ไปดูรักดูลักษณะดูกิจดูผลดูอาการปรากฏเหตุการ์เหตุการ์ของศีลจะได้ชัดมันจะไปศึกษารายละเอียดที่ต้องต้องดูรายละเอียดทั้งหมดในนัศีลเนี่ยถ้าไม่ดูรายละเอียดของศีลทั้งหมดเนี่ยเราจะเราจะเดินไม่ได้ในชีวิตเนี่ย เพราะชีวิตจริงๆในการที่เราจะเดินกุศลศีลให้คิดดูนะพระบรมสัทท์ศาสดาเนี่ยกายกรรมของพระพเจ้านั้นมีพยานนําหน้าวาจีกรรมก็มีพยานนาหน้ามโนกรรมก็มีพยานนําหน้าพยานของพระเจ้าเป็นไปทั้งในอดีตนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหมดเลยเห็นแปลว่าอะไรพระองค์เดินกุศลศีลมาอย่างยาวไกลเนี่ยยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกลับอย่างเราเนี่ยไม่ต้องเห็นไหม ความเรียบร้อยทางกายแทบจะไม่มีเลยใช่ไม่ใช่มีคิดไว้ก่อนวิจัยก่อนในกรณีจะเอื้อมมือไปไหมนั่งอยู่เี่ก็กระก ด, ดิกขาแป๊บแป๊ป๊ใช่ไหมของเราเนี่ยไม่งามเท่หเหรอไม่งามหรอกเพราะกุศลศีลเราไม่แข็งแรงแต่ถ้าคนที่กุศลศีลเขาแข็งแรงเนี่ยเขางามเขางามมันจะเป็นไปในลักษณะที่เกิดความเข้าใจเพราะมีปัญญาเป็นตัวนําให้สังเกต ด, ดูนะเจตนาเป็นศีลเจสิกเป็นศีลเนี่ยจะมีอะไร สัมมาวจาสัมมากามิตาสัมมาชีวะนี่ตัวจิตวิตรีความไม่โลภนี่ไหมความไม่โลภเป็นอโลภะความไม่โกรธเป็นอโทสะแล้วก็ตัวปัญญานี่เดี๋ยวจะไปไขคุณนี้ไม่ทันเรื่องจะได้เชื่อมให้ดูว่าจริงๆแล้วเชื่อมโยงให้เห็นว่าตัวปัญญามาเป็นศีลยังไงมันจะได้ว่ามันเกี่ยวกัรวิจัยมันเกี่ยวเรื่องความรู้มันเกี่ยวรรเรื่องการรู้เรื่องกรรมผลของกรรมชัดเจนขนาดไหนไม่ใช่ว่าโอ้ยถ้าเราถามว่าปัญญามาเป็นศีลอย่างไง ความไม่โลภเ่าเป็นศีลยังไงความไม่โกรธเรเป็นศีลอย่างไงเนี่ยตอนภาคบ่ายมานั่งศึกษากันมานั่งเรียนกันใหม่เรื่องศีลเนี่ยอ่านเลยไปแล้วต้องนดึ ง, ด, งดึงลงมาใหม่ใช่ไหมจนจะได้ปฏิบัติได้ไงเดี๋ยวข้อเท็จริงก็คือว่าทํำยังไงที่เราจะขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สะอาดเมื่อกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมสะอาดเบีเสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตดูนะในคําสอนพระเจ้าท่านจะไล่ามาตามลําดับใช่ไหม มีศรัทธาฟังธรรมพอฟังธรรมเป็นปัจัยเกิดโยนิสโสมนสิกานี่ไหมเนี่ยตัวโยนิสโสมนาสิการต่างๆมีศรัทธาเป็นต้นเกิดขึ้นมาเบ็ดเสร็จก็น้อมมาในปาติโมก ส, สังวรศีลแล้วที่ี้กรณีรรปฏิโมก ส, สังวรศีลก็มีอินทรีย์สังวรมีอาชีวปริสุทธิศีลแล้วก็ว่าไปาแต่ที่สุดจริงๆก็คือจะมามาให้สังเกต ด, ดูไหมว่าสุดจริตสามเห็นไหม พออินทรสังวรเนี่จะปิดบาปทางทวารทั้งหกตาหัวจมูกเล่นกายใจไม่ให้ทุจริตเข้าพอสุจริตสามบริบูรณ์แล้วต่อมาประชุมสติปัฏฐานดนี่เหมือนกันกุศลศีลเนี่ยถ้าเราเดินเดินไปแล้วสุจริตสามจะบริบูรณ์พอบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานจึงลงมาทีหลังเขาใหญยังถึงจะเป็นที่รองรับสติปัฏฐานถ้างั้นสติปัฏฐานไม่บริบูรณ์หรอกไปเดินกายานุปัสสนาเวทนาจิตาดามมนุปัสสน ก็ท่องคล่องกันไปเดินเดินไม่ได้จริงในชีวิตข้าใจยังยอ ม, ยอมที่มันจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้นั้นตัวเนี้ยก็ตัวเราก็ต้องมาฝึกขัดเกลารในเรื่องของกุศลศีลกุศลศีลเป็นไปกับกายวาจาใช่ไหมแล้วเป็นไปกับจิตใจเอามีเวลาถามว่าวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเราใช้กาย ก, กรรมเคลื่อนไหวเยอะไหมวัตจีกรรมที่เปล่งออกไปมากไหมมโนกรรมที่คิดเยอะไหม เห็นไหมเป็นไปกับการขัดเกลากุศลศีลจริงๆถ้าตัวกุศลศีลไม่เดินในกระแสของชีวิตได้จริงๆทีนี้บางคนเนี่ยเขาสามารถเดินกุศลศีลได้ยาวๆได้ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างเป็นต้นใช่ไหมเอานั่งนั่งอยู่อย่างเงี้ยให้สังเกตท่นในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยถ้ากุศลศีลเดินอยู่ถามว่าความโลภจะเข้าไหมความโกรธเข้าไหม เข้าไม่เข้าความหลงจะเข้าไหมการมาฉันทะเข้าไหมน้อมในกามาคุณก็ไม่เข้าพยาบาทก็ไม่เข้าทีน้ำมิทาก็ไม่เข้าอุทธจารกุกกุจาฟุ้งซ่านก็ไม่เข้าวิจิกิจชาสงสัยกําหนดทำไม่แน่นอนก็ไม่เข้าแล้วก็อาวิชาก็ไม่เข้าอารติความขึงเครียดต่างๆเนี่ยความไม่ยินดีในธรรมก็ไม่เข้าเห็นไหมมันออกจากธรรมเหล่านี้ได้เลยตัวกุศลศีลเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้น ฉะนั้นตรงนี้ก็คือสัมมาวาจาสัมมารกรมมตาสัมมาอาชีวะแล้วก็เป็นไปในส่วนของเป็นไปในส่วนของวา่าตัวอนาพิชาอภยาบาศแล้วก็สัมมาทิฏฐิอันนี้โมเดลอย่างฮะยังเลยกิ อ, อย่างนี้เดี๋ยวแยกหน่อยถ้างั้นนะแยกตรงนี้ก่อนตัวสามตัวนะ อ, อนาพิชาอภยาบาศแล้วก็สัมมาทิฏฐิเดี๋ยวไปเดินช่วงบ่าย แต่ช่วงนี้แยกนิดหนึ่งแยกระหว่างเจตนาศีลก่อนกับเจตสิกศีลไอตัวเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเนี่ยมันมีความต่างกันยังไงใช่หมถามว่าเจตนากับเจตสิกเขาเป็นธรรมะที่เกิดพร้อมกันไหมเอางี้นะว่าเจตนาความจงใจจัดแจงสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะเนี่ยบางครั้งเกิดได้ไ ม, ไม่ได้ก็แล้วแต่แต่แ ต, แ ต, แ ต, แต่แต่อารมณ์ที่เขาจะปรากฏ แต่ที่แน่คือความไม่โลภความไม่โกโรธและปัญญาเกิดพร้อมกับเจตนาศีลไหมพร้อมไม่พร้อมถ้าในขณะที่เจตนาอยู่ในกุศลจิตจุบบาตตอนนั้นมีความไม่โลภอยู่ด้วยไหมมีความไม่โกโรธไหมถ้าเป็นญาณนะสัมบยศมีความไม่หลงอยู่ด้วยไห ม, มเห็นไ <aves. S 1> หนมเขาเกิดพร้อมกันเจตนาศีลกับเจสิกศีลเนี่ย แต่ถ้าถามบอกว่าอะไรตอนขนาดไหนเป็นเจตนาศีลตอนขนาดไหนเป็นเจตสิกศีลเขาดูตรงไหนเขาดูตรงที่เจตนาปรากฏชัดเป็นประธานในฐานะที่เจตนาอยู่ในฐานะเป็นประธานฉะนั้นเจตนาที่บอกว่าในการใดถ้าเจตนามาเป็นธรรมะที่อยู่ในฐานะเป็นประธานมาเป็นใหญ่กว่า ความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาก็อยู่ในฐานะเป็นธรรมะที่คล้อยตามอันนั้นความจงใจตัวจัดแจงจะมาเป็นใหญ่เช่นความตั้งใจในการที่จะงดเว้นจากการฆ่าจากการลักเป็นต้นจากการพูดเท็จเป็นต้นตอนนั้นให้เห็นชัดเลยว่าตอนนั้นอะไรเป็นประธานเจตนาเป็นประธานแต่บางคราวปัญญาเป็นประธานเช่นวิจัยเรื่องกรรมผลของกรรมชัดมาก เข้าใจเลยว่าเนี่ยตัวกายทุจริตวิจิตรจริตมโนทุจริตเนือเจตนาที่เราจงใจไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นตัวกรรมแล้วมีธรรมะที่เกิดร่วมกันกับกรรมยังไงเออเข้าใจตัวเหตุแล้วเข้าใจผลที่ได้รับแล้วได้เข้าใจที่ตนเองที่กําลังได้รับผลด้วยใช่ไหยว่าเช่นปาณฏาิบตัตยการงดเว้นจากการฆ่าเนยมันทําให้ชีกระแสของชีวิตของตนเองนั้นน่ะไม่เดือดร้อนอยังไง มีอายุยาวยืนยาวอย่างไรเบียดเบียนสัตว์แล้วทําให้โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้เข้าใจเลยชัดเลยนะีนะ่ะเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดที่จริ ง, รงข้อมูลในเรื่องการต่างๆนี้มันมันมีมากข้อมูลเกี่ยวเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ผลเป็นยังไงรักษาไมีผลไม่รักษาไมีผลยังไงเนี่ยแต่นั่นแหละปัญญาที่ไปเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดเจนอันนี้แปลว่าปัญญาอยู่ในฐานะเป็นเป็นประธานเจตนาก็เป็นธรรมะที่ คอยตามเห็นไหมฉะนั้นเจตนาศีลกับเจตสิกศีลเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันเป็นระยะระยะมันแล้วแต่ว่าเขาจะได้อาหารได้ปัจจัยที่เกื้อนหนุนถ้าในคราวใดปัญญามีอาหารมีปัจจัยเกื้อนหนุนเขาชัดขึ้นเหมือนอาหารทางร่างกายเนี่ยเราให้ไปในร่างกายร่างกายก็จะแข็งแรงตามสภาพนั้นๆเช่นเราให้อาหารของทางตามากออาหารที่ให้ไปก็จะไปบำรุงสายตา เราให้อาหารทางทางทางฟันมากอาหารก็จ ะ, ะบารุงฟันเข้าใจใช่ไอันนี้ก็เหมือนการบางขาวเจตนาก็เป็นประธานบางขาวก็เจตสิกก็เป็นประธานแต่ทั้งสองอย่างเกื้อหนุนกันคล้อยตามกันเหมือนอาหารเนี่ยที่เรากินไปไม่ใช่กินเฉพาะวิตามินตัวเดียวใช่ไแต่มีวิตามินตัวไหนที่มันมากที่สุดตัวนั้นก็ไปเป็นประธานไปนอกนั้นก็คล้อยตามแล้วก็บำรุงตามสถานะไปอย่างนี้เป็นต้น นี่เรามองเห็นนี่ว่าบางอย่างว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเจตนาด้วยความหมายเนื้อความที่ว่าในการใดเจตนามีความวิเศษยิ่งกวิรติอันเป็นปฏิปักษ์ต่อปานาติบาตเจตนาเป็นปฏิปักษ์ต่อเจตนาที่เป็นไปในกุศลนะถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่อป า, านาติบาตถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออธินนาทานการเมสุมิฉาจานถึงจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการกล่าวเทศพูดคาหยาเพื่อเจอือเพื่อพูดส่อเสียด จึงจะเป็นไปฏิบัติต่อความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ความเห็นผิดใช่ไหมดงนั้นเจตนานั้นต้องเป็นไปกับกุศลถ้าในขณะในลักษณะอย่างนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเจตนาเป็นประธานที่พระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนพิกษจนทั้งหลายกายสังเจตนาสามอย่างกายสังเจตนาเป็นต้นอะไรเนี่ยนะเจตนาที่เป็นไปอยู่เช่นนี้ย่อมให้สําเร็จเป็นความงดเว้นต่อการฆ่างดเว้นต่อการลักงดเว้นต่อการประพฤติผิดในการม งดเว้นต่อการพูดเท็จส่อเสียดทำอยางเพลอเจอแล้วก็งดเว้นจากการที่จะไม่โลภไม่โกรธแล้วก็งดเว้นจากการที่ไม่เห็นผิดโดยภาวะตอนนั้นเจตนานั่นแหละเป็นประธานตอนนั้นกลุ่มวิรตีทั้งหลายสมาวาจาสมากัมตาสมาชีวะกลุ่มพวกเจตสิกมีความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาก็คล้อยตามเจตนาไปใช่ไหมเจตนาก็อยู่ในฐานะเป็นประธานเอาในชีวิตจริงเราเป็นไหม มีบ้างไหมแบบเนี้ยคือความตั้งใจสูงมากเคยเป็นไหมล่ะพอฟังทำปุ๊บตั้งใจเลยใช่ไหมเริ่มมาคิดแล้วตอนนี้ยอมเริ่มตั้งประเด็นคิดไหมว่าระหว่างลาบสการ์ลกับศีลกับเจตนาศีลเนี่ยเกียรติยศชื่อเสียงกับเจตนาศีลเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ระหว่างญาติกระศีล ญาติ ก, กระสีนี่ยังไงญาตินี่เป็นเหตุให้ใหทุ่ศีลได้ไหมอาญาติเป็นเหตุถึงทุ่มศีลอาญาติทาผิดจริงๆแต่ต้องไปโกหกบนศาลแต่ถ้าโกหกแล้วญาติจะจ ะ, จะไม่ติดคุกจา้าศีลหรือเอาญาติจริงหรือเขาเคยไวใ้ใจทําเอาขนาดนั้นเลยหรือจะได้โมทนาเอามาโมรนาจริงๆนะ ถ้าโมทนาไปแล้วทำไม่ได้เดี๋ยวยุ่งนะฮะได้ไม่ได้ไ ด, ได้ยิงเลยโอสาธุเลยทั้งนั้นนะสาธุเลยใช่ไหมนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวขยับขึ้นมาอีกนิดถ้ารักษาสินแปดเนาะคุณหมอก็กบอกว่าเออต้องทานข้าวตั้งแต่เที่ยงไปนะถ้าที่ท้องไม่มีอาหารนี่เดี๋ยวกระเพาะเล่นงานใช่ั้มเป็นโรคกระเพาะเดี๋ยวกระเพาะทะลุเนี่ย จะเอาเอาไว้หรือ เ, เอาศีลนะเอากับเอากระเพาะไว้หรือ เ, เอาศีลไว้ฮะเอาศีลไว้กลัวจะบอกโอ้ยเดี๋ยวเราทำกระเพาะให้ดีแลา้วรักษาศีลได้อีกนานนความคิดแบบนี้เยอะใช่ไหมความคิดอย่างเงี้ยเยอะเอาศีลไว้เพราะกระเพาะเนี่ยทะลุมาหลายสังสารวัตแล้วไม่ทำอะไรมันก็ทะลุเชื่อเหรอ ไปดูแลดีขนาดไหนไม่ทะลุวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทะลุใช่ไม่ใช่แต่ศีล น, นี่แหละเพราะเราไม่รักษานี่แหละมันถึงเป็นแบบเนี้ยถ้าเรารักษาศีลดีอย่างภาษารีบุตรเราจะได้เป็นภาษารีบุตรถ้ารักษาดีอย่างพระโมกขลานะเราจะได้เป็นพระโมกขลานะไปแล้วถ้ารักษาดีสาศีลดีอย่างพระนรเราจะเป็นพระนรเลยลนะนี่เราไม่ดีบางคนอยากเป็นพระนนรนะแต่ แต่ไม่พยายามทำศีลใน้ท้าพระนานนท์แล้วจะได้ไหม <Yeah. S 1> ดีแต่อยากใช่ไหมแต่ไม่ทำใช่ไหมดีแต่อยากแต่ไม่ทํานั้นต้องทำใช่ไหมแต่นี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงอวัยวะแล้วใช่ไหมก็เอาศีลมาชีวิตอะไรต่เนี้ยก็บางคนตายจริงๆนะบางคนต้องต้องตายเพราะว่าเพราะว่า กรณีอย่างโรคบางโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับศีลเลยหรือหรือกรณีที่จะต้องถูกกระทุสลายอะไรต่างๆให้สังเกตดูนะที่พระเถระไงที่ท่านบวชใช่ไมบวชมาไปเสร็จท่านทิ้งทรัพย์ไว้สี่สิบโกดโกดละสิบล้านเห็นไหมท่านทิ้งต่อมาภรรยาของน้องชายก็ กลัวว่าท่านจะศึกกลับไปเอาก็เลยจ้างโจนตามฆ่าท่านก็ไปเจอท่านในป่าโจนก็ล้อมจะไปทําร้ายท่านก็บอกว่าขอชีวิตคืนนึงได้ไหมวันก็คืนโจนก็บอกว่ามีอะไรประกันท่านท่านท่านมีหลักอะไรประกันเนี่ยท่านก็เลยยกขาของท่านวางบนก้อนหินยกแล้วก็ใช้ก้อนหินใหญ่ทุบ ทบขาตัวเองละเอียดข้างหนึ่งแล้วก็ทบอีกข้างถามโจนว่าแค่นี้มั่นใจยังโจนก็บอกมั่นใจลอันนี้แปลว่าท่านเอาอะไรเนี่ยท่านเอาศีลให้ท่านเลือกศีลท่านรู้ว่าถ้าท่านโทษศีลเนี่ยท่านจะเสียหายแต่มีศีลเนี่ยท่านสามารถจะทํากุศลศีลให้แข็งแรงเป็นสุจริตสามแล้วท่านจะประชุมสติปัฏฐานได้ท่านก็ไข่ครวญเลย ใช่มตั้งแต่บวชมาเนี่ยกุศลศีลท่านไม่บกพ่องอย่างไงใครควรแล้วแล้วเราเราข่มทุกขเวทนาได้ปลาโมดปีติเกิดเนียข่มได้เอาถ้ายัางรักษาศีลก็ย่องก็แย่งอย่างเราถ้าเจ็บปวดหน่อยแล้วมันจะข่มอะไรได้ไหมเนี่ยอ่ะใช่ไหมรักษาได้วันหนึ่งหลุดไปห้าวันใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วนี้รักถ้ารักษาอย่างนี้คิดแล้วไม่ปีติฮะ รักษาจนคิดแล้วเกิดปลาโมดปีติได้นั่นแหละอันนี้สงวนชัดแต่ตแสดงเห็นชัดว่าต้องมีความรอบรู้จริงๆใช่ไหมถึงจะยังปราโมดปีติปัะสิทธิความสุขและในที่สุดจริงๆท่านได้บรรลุทันอย่างเงี้นะอันนี้มาเพราะสีแล้วเยอะหมดเลยเรื่องสีน่ะเดี๋ยวไปตามดูเถอะว่าท่านใคร่ควรกันมาอย่างไงนี่สมควรเกเวลาแล้วเนา ะ, ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่น นิมนต์พระอาจารย์จันเจ้าค่ะ เ, เดี๋ยวเราเข้ามาเที่ยงสีสิบห้านะคะดีไหมคะค่ ะ, คะขอบคุณค่ะนิมนต์ฉันเจ้าค่ะ ท่านที่ได้เขียนชื่อไว้คราวที่แล้วว่าต้องการปริสฉทธหนึ่งนะคะท่านที่ได้ลงชื่อไว้แล้วว่าเมื่อคราวที่แล้วว่าต้องการปริสิทธ์หนึ่งขอให้ไปรับได้หลังจากทานอาหารแล้วนะคะค่ารับได้ที่โต๊ะข้างหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่ที่ได้ลงชื่อไว้ขอบคุณค่ะ สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะดีไหมสวดเป็นทํานองลังกาได้ไหมได้ไหมไม่ได้เลยอ่ะลองสวดกันดูนะโมตสัสสะบาคาวโตอระราหโต สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะบาก a วะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะ บาคาวโตอะระหะโตสามมาสัมบุทธาสบุทธังสารนังคัจจามิดัมมังสารนังคัจจามิ สังขังสรรังกัจจามิดุติยามปีพุทธังสรรังกัจจามิดุติยามปีธรรมังสรรังกัจามิ ดุติยามปีสังขังสรนังกัจจามีตติยามปีบุตังสรนังขัจจามีตาติยามปีดัมมังสรนัง กัจจามิตาติยามปีสังขังสรรังกัจจามิอิติปิโสบคาวาอะระหังสัมมาสามบุโร เวจาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิโดอนุตตารโอโพเรสัตามมาสารทีสาธาเดวมนุษ สานังบุตโตภควาติสวาคาโตภควาตามโมสันทิเทโกอาคาลิโกเอหิปัสสโกโอปานายโก ปัจจตังเวทิตาบโววิญญหิตีสุปฏิปันโนภคาวโตสาวกัสังโกอุจุปฏิปันโนภคาวโตสาวกสังโก ยยปฏิปันโนภคาวะโตสาวกสังโกสามีเจปาติปันโนภคาวะโตสาวกสังโกยาทิทางจัดตาริปุริสายุกานีอัต ท่าปุริสะปุกกะลาเอสสะบะขวะโตสาวะกะสังโกอาหุเนโยปาหุเนโยดักขิเนโยอันจาริการะเนโยอนุตตรังปุญญก เทตังโลกาสาติสาธุสาธุสาธุาธอาก็ขอโมโทนากับพวกเรานะที่ได้ตั้งใจสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเมื่อสักครู่ก็ฟังยอมสนทนาทำให้คิดว่า พอพูดถึงในเรื่องของศีลบารมีของพระบรมศา ส, สดานะทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงตอนที่พระ อ, องค์ทรงบำเพ็ญศีลบารมีมาในกรณีที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงบําเพ็ญศีลบารมีมาเนะี่ยแล้วยาวนานในชะ่ไตัวอย่างที่กล่าวไว้เนะี่ยค่อนข้างมีเยอะแต่ถึงขนาดเยอะนะนะั้นเนี่ยก็ ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าบารมีของพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงสละและทรงกระทามาเนี่ยท่านบอกว่าท่านบำเพญ็ญศีลและบารมีมาเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูนะว่าเออในส่วนของการบำเพญ็ญศีลเนี่ยท่านบรรเลงบำเพ็ญโดยแบบไม่มีส่วนเหลือ ถ้าแบบไม่มีส่วนเหลือแปลว่าท่านทำมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรใช่ไมถ้ามาพิจารณาดูตอนที่ท่านเป็นในจริยาวัดของพญาช้างศรีรั ว, วนาคา่ะในศีละนาคาจริยาการบำเพ็ญศีลแบารมีของพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านบอกว่าในการใดเราเป็นกุชนชรเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมวัน ในการนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีผู้เสมอเราด้วยคุณคือศีลธรรมะพิจารณาอย่างนี้ท่านพูดตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจา้าแต่ท่านย้อนอดีตตอนนั้นท่านเป็นกุณชรเป็นพญาช้างนี่เนี่ยท่านบอกว่าในพื้นแผ่นดินในพื้นแผ่นดินนั้นหาบุคคลที่เสมอท่านไม่มีเดงด้านของศีลนั้นแปลว่าอะไร แปลว่าทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลของท่านนํ้บริบูรณ์แม้กระทั่งท่านอยู่ในเพศของสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องกล่าวไปในฐานะเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาพิจารณาด้วยที่ว่าหัวใจของสัตว์เดรัจฉานท่านนั้นทําไมท่านชํานาญในการเดินกุศลศีลแม้ท่านเดินในด้านของเจตนาศีลคือการประพฤติข้อปฏิบัติในการดูแลมารดาบิดา ใช่ไหมถ้ า, มาพิจารณาอย่างนี้ตอนที่ท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ครั้งบังเกิดในกําเนิดของช้างที่ป่าหิ ม, มวันประเทศช้างนั้นเป็นช้างเผือกผ่องตลอดรูปงามสมบูรณ์ด้วยลักษณะช้างตนนัวเนี้ท่านเป็นหัวหน้าจากโขงของช้างมีบริวารเนี่ยอยู่แสนเชือกท่านในยุคนั้นลองคิดดูนะช้างแสนเชือกมารดาของพระโพธิสัตว์นี่ยตาบอด ต้องปกครองลูกน้องแสนเชือกด้วยแล้วก็ดูแลแม่ด้วยดูแลคุณแม่ด้วยเนี่ยพระโพธิสัต์ก็ฝากพลาผลที่มีรสชาติอร่อยในงวงเหงช้างทั้งหลายเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปดูมารดาได้ทุกวันก็เลยฝากผลไม้ที่เก็บได้อะไรได้ฝากให้ลูกน้องฝากให้บริวารบอกว่า ช่วยเอาผลาผลเหล่านี้ไปให้คุณแม่นบ้นนองอย่างนี้นะายช้างทั้งหลายรับไปท่านฝากเยอะนะช้างทั้งหลายรับไปไม่เอาไปให้มานดาเอาไปเคี่ยวกินกันเองเพราะโพธิสัตว์ก็คอยสังเกตบ่อยๆนะเอ๊ะทำไมาแม่ผอมลงอย่างนี้นะไม่อ้วน พอสังเกตก็รู้เรื่องราวคิดว่าระหว่างบริวารแสนเชือกกับแม่ตาบอดท่านก็มาพิจารณาว่าถ้าขืนดูแลบริวารดีแต่แม่ลำบากก็ไม่สมควรแก่เราเพราะคุณธรรมของพระพุทธศาสน์อยู่ข้อหนึ่งซึ่งต้องมั่นคงมากคือกตัญญูกตเวทีด้วยใช่ไหม และในขณะเดียวกันก็คือว่าการกระตัญโย و, กระตเวทีของพระบุริศเนี่ยต้องมีปัญญานำนะไม่ใช่กระตันโยแบบไม่มีปัญญาท่านมาพิจารณาท่านก็เลยบอกขอดูมารดาเองดีกว่าท่านคิดสละสละคงช้างเลยเลี้ยงมารดาตอนกลางคืนเมื่อช้างเหล่านั้นไม่รู้หลับเนี่ยท่านก็พามารดาไปที่เชิงเขาจันทะโรระบันพ ไปอาศัยสะโบกหรือสะบัวอยู่สะหนึ่งให้มารดาอยู่ในถ้พภูเขาแห่งหนึ่งแล้วท่านก็เลี้ยงเอาแม่ไปไว้ในถ้ำแล้วอยู่ใกล้ๆสระน้ําท่านก็เลี้ยงดูแปลว่าท่านก็เลี้ยงท่านปฏิบัติอะไรท่านปฏิบัติในด้านของข้อวัดท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงศตระกูลเห็นไหมนั้นน่ะท่านรักษาเจตนาศีลเป็นต้นของท่านให้บริบูรณ์ ท่านเลี้ยงแม่เนี่ยท่านจะไม่ดูแม่นะไม่มีสักวันที่ท่านจะไปตาขวางใส่แม่เอใช่ไหมเพราะแม่แม่ตาบอดแม่ตาบอดจริยาวัดของท่านบริบูรณ์อย่างนั้นเนี่ยเรามานึกดูที่สมมุติถ้าเราจะต้องเลี้ยงแม่ตาบอดเราจะเราจะหงดหยิดแม่ไหมแม่กินข้าวหกบ้าง หรือแม่บางทีทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดบ้างหรือว่าบ่นเพ้อบ่อยๆ บ, บ้างใช่ไมก็ต้องมาคิดเพราะถ้าเราบ่นเพอ้อหรือทำไม่ถูกเราเสียศีลถ้าเสียศีลก็ไม่คู่ควรต่อ ก, การที่จะเดินกุศลกุศลธรรมชั้นสูงก็จะเสียหายไปด้วยต่อมาก็มีพานป่าคนหนึ่งหลงทางไม่สามารถกำหนดทิศ ท, ทางได้ก็ร้องไห้คำครวญคครวญเสียงดังลั่นป่า ในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ยินเสียงของพานป่าก็ดํำลิกบอกว่าชายผู้เนี้ไร้ที่พึ่งใช่ไหมทีนี้การที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเจอคนไร้ที่พึ่งเนี่ยท่านจะต้องคิดเหมือนกันว่ะถ้าโ พ, พธิสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดชาติไหนเนะี่ยถ้าเราอยู่หรือมีเราอยู่การที่ชายผู้นี้จะพินาศไปเนี่ยไม่เป็นงานสมควรเห็นไหมวิธีคิดของพระโพธิสัตว์ถ้าเป็นวิธีคิดของคนพานก็ ถ้าเราอยู่คนอื่นจะพินาศไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าพระโพธิสัตว์ไม่จะไม่จะไม่ทนดูดายเพราะกรุณาในใจของพระโพธิสัตว์เยอะไหมก็คิดดูยิ่งใหญ่จนชั้นของพระมหากรุณาไม่ใช่กรุณาธรรมดาเนี่ยจนสงสุดเป็นมหากรุณาสมาบัติญาณือยานีเลยฉันท่านก็บอกไม่สมควรแล้วท่านก็เลยไปหาในพรานพรานป่าเห็น เห็นท่านก็กลัวใช่ไหมช้างเดินก็หางยังเรากลัวไหมก็ต้องกลัวใช่ไหมท่านก็กลัวท่านก็เลยพอกลัวท่านก็บอกท่านผู้เจริญท่านไม่มีภัยพ่อสายเราดอกเนี้ยอย่าไปหนีไปเลยเป็นต้นเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องไห้คากลรยอยู่เล่าพรานก็เมื่อใดเนี่ยพอเล่าเรื่องนี้หลายคนก็นั่งเถียงกันถ้าคนในปัจจุบันนี่นะ พอพูดว่าช้างพูดได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นมากใช่ไหมใช่โอ้เ็ น, นิทานหลอกเด็กโอโ้ยุ่งเลยอเดี๋ยวเล่าซะเลยถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามท่านหมหาอุนาเพราะท่านจบปเปียนรเรียนเก้ามาใยมว่เป็นอย่างที่อามาเล่ายิงคือภาษาเนี่ยภาษาของสัตว์โลก เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีนี่เป็นตันติภาษาเป็นภาษาดังเดิมใช่ไหมสรุปแล้วทุกคนเนี่ยเขาใช้ภาษานี้กันให้สังเกตไหมพระบรมศาสดาเนี่ยเวลาแสดงถามพระองค์ใช้ภาษาบาลีใช่ไหมแต่โลกเราเนี่ยมันวิวัฒนาการภาษามันเพี้ยนนั้นแต่ก่อนจริงๆเนี่ยสัตว์ทุกอย่างพวกใช้ภาษาบาลีแล้วไม่เพี้ยนพวกเราเนี่ยเพี้ยนหมดแล้วเพี้ยนภาษาบาลี แต่ถึงแม้ว่ายังเพียนแต่ของเราก็ยังคงภาษาบาลีไว้เยอะพูดกันแบบไม่ค่อยรู้เนี่ยรู้ตัวกันหรอกที่พูดภาษาบาลีเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่อัยารัยชื่อก็ดีอะไรก็ดีในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอิทธิพลบาลีนี่เต็มไปหมดทุกชาติทุกภาษาต่างๆที่เดิมทีเดียวก็คือว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนี้อุบัติเกิดขึ้นใช่ไหม อาพัสละผมก็ลงมาแล้วในสุดจริงก็มีชุมชนเกิดขึ้นมาดังกล่าวไปดูในอคัญญสูตรที่สุดก็จริงก็คือาภาษาดั้งเดิมก็คือนัอ่นแหละใช้ภาษาบาลีนาเข้านะเข้าเนี่ยพออายุการเวลาหลายร้อยกอดปีมาเนี่ยหลายร้อยปีมาเนี่ยภาษามันก็เพี้ยนไปเรื่อยแต่ก่อนซาติราชันก็ใช้ใช้ภาษาบาลีกันหมดใช้เขาก็สนธนาเขาคุยกันได้อย่างสบายสบายใช่ไหม ฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมของพวกเราเนี่ยเราเป็นภาษาที่เรารู้เรื่องรู้ราวกันอย่างดีฉะนั้นคนฟังภาษาบาลีลองฟังไปเรื่อยๆเถอฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจไม่ยากหรอกสืบค้นไปเรื่อยๆื่อยๆเรื่อยๆฟังนิดหน่อยหน่อยเพราะมันเป็นภาษาที่เราเคยตั้งอัธยาศาัยไว้แล้วเราเคยเป็นมาแล้วอย่างตามลําดับเนี่ยนี้มันก็เพี้ยนโดยสรุปก็คือศาสตราจารย์เขาก็ก สื่อกันด้วยภาษาบาลีเขาก็พูดกันด้วยภาษาบาลีนัเข้ามันก็เพี้ยนเพี้ยนเวียนเพี้ยเลยใช่ไหมต่อมาคนไทยก็อย่างคนจีนก็อย่างไปคนละเรื่องเลยเนี่ย เ, mm. เวียดนามไป yeah. อย่างเกาหลีไปอย่างญี่ปุ่นไปอย่างทั้งฝ่ายทั้งแถบยุโรปไปอย่างไปคนละภาษาหมดเลยแท้จริงต้นตอก็มาจากภาษาเดียวกันใช่ไหมมาปัจจุบันนี้แม้แต่สุนารยังเห่าไม่เหมือนกันแล้วอคนละประเทศลงไปฟังเสียงเห่าสิไปคนละคนละอย่างแล้วเห่าไม่เหมือนกันแล้ว เนี่ยจริงๆก็คือภาษานั้นเน่เป็นภาษาบาลีฉะนั้นช้างเนี่ยท่านใช้ภาษาบาลีคุยกับนายพานก็ภาษาบาลีฉะนั้นเวลาจะเล่าเรื่องอย่างเงี้ยต้องสืบค้นให้เขาดูว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมานานหลายทศวรรษในยุคที่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานสื่อภาษาบาลีกันน่ในยุคน้นน่ยนะแต่มันก็มีเพียนเน้ยนนะ นัเข้านัาเข้าพวกบรรดาสัตว์เราชฉานกลุ่มพวกนี้พวกกบายาสัตว์ทั้งหลายมันก็จะเพี้ยนไปก่อนเขาเยอะใช่ไหมสัตว์ที่มีคุณทั้งหลายก็ยังทรงภาษาบาลีได้อยู่นี่ก็จะเป็นใบลักษณะอย่างนั้นตรงนั้นก็คือว่าพานป่าเนี่ยหนีด้วยกลัวก็ถามว่าท่านไม่ต้องกลัวภัยอย่าหนีไปเลยเพ่อะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องกคำควรอยู่เมื่อในพานตอบว่าข้าพเจ้าหลงทางมาวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วนายยังไม่ได้กินอะไรเลยเป็นต้นเนี่ยนะ พญาช้างก็ว่าอย่าไปกลัวไปเลยพ่อเราจะพาท่านไปที่เดินทางของมนุษย์บอกแล้วพาไปส่งอย่าเดือดร้อนใจแล้วท่านก็พานในพานให้ในพานป่านั่งบนหลังของท่านก็นําออกจากป่าแล้วก็กลับไปพานป่าลามกแล้วคาว่าลามกนี่คืออะไรคิดชั่วแล้วใช่ไหมลามกเป็นชื่อของอกุศลถ้าความโลภเกิดขึ้นในใจเขาเรียกลามกเกิดขึ้นใน ใ, นใจ ถ้าความโกรธเกิดขึ้นในใจเขาเรียกว่าลามกแล้วตอนนั้นใจลามกแล้วถ้าโมหะเกิดขึ้นลามกไหมราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจะอย่างนี้นการนุตปะอุตจักเวลาเกิดขึ้นกับใจท่านบูใด้เขาเรียกว่าลามกเพราะไม่คำว่าลามกก็เป็นชื่อของอกุศลนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลยมาเพี้ยนเป็นการด่ากันตําหนิกันว่าลามกตรงนี้ก็คือว่าผ่าน ป่าเนี่ยก็คิดลามกเราจักไปในพระนครกราบทูลแด่พระราชาดีกว่าก็ทําเครื่องหมายของต้นไม้เวลาเดินผ่านไวก็ทําเครื่องหมายไว้หมดเลยออกไปกรุงพราณาศีในการนั้นนะ่ะมงคลหัตถีของพระราชาล้มตายช้างของพระราชาตายผ่านป่าก็เข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลถึงความที่ตนเห็นพระหมาบุรุษ ตอนนี้พระบรมศาสดาตรัสเองนะบอกว่าพ่านป่าพบเราในป่าใหญ่แล้วได้กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่มหาราชช้างมงคลนนั้นสมควรแก่ช้างพระที่นั่งมีอยู่ในป่าใหญ่งั้นการจับช้างนั้นน่ไม่ต้องขุดคูปกติเวลาก็จะจับช้างก็จะขุดคูลอบอยูไ่ไหมพวกทุกคนที่แม้การปักเสาตะลุงแล้วก็การขุดหลุม ก็ไม่ต้องรู้จักเสาตะุงไม้ยอมแสดงไม่เคยเห็นเขาคล้องคล้องช้างไงอยากให้พระสอนไหมคือเวลาเขาจะคล้องช้างเนี่ยก็จะต้องปักเสาเขาไว้นะเวลาปักเสาเขาไว้เนี่ยกรณีที่เวลาเขามัดช้างเนี่ยเขาจะต้องมัดช้างไว้กับเสานั้นแล้วก็จะต้องก็จะต้องในกรณีที่เวลาไปคล้องช้างต่างๆเางเราเนี่ย เขาจะช้างในการที่จะไล่ค้องเวลาในปูงเนี่ยต้องเห็นช้างตัวไหนสวยๆเนี่ยเขาจะเขาจะมีพิธีจับช้างกันเลยปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วมีแต่การฝึกให้ดูการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแล้วก็มีการปักเสาตะลุงหรอกการขุดหลุมหลวงก็ไม่ต้องคือช้างพระวัวที่สัตว์เนี่ยช้างตัวนี้เป็นช้างอาชานในฮะในขณะจับที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมานะที่นี่เองพระเจ้าข้าก็ไปรายงานพระราชาตรงเนี้ย พระราชาเมื่อได้ฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ดีใจใช่ไหมก็ดีใจว่าโอ้โหช้างงามแบบนั้นใช่ไก็เลยบอกให้พานป่าเป็นผู้นำไปก็ส่งควานช้างไปกับบริวารแล้วก็มีพระดำรัสว่าท่านจงนาพญาคชสารที่ในพานป่าบอกให้ได้นะเอามาให้ได้ควานช้างนั้นก็ไปกับนายพานป่าตอนนั้นก็เห็นว่าโพธิสัตว์ ไปยังสะบัวหาอาหารให้แม่กำลังจะไปหาเงาบัวหาดอกบัวฝ่ายพระราชาก็ฟังคำของพระราชานี้พระเจ้าตรัยบอกว่าดีพระไทยส่งควานช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาอย่างดีรู้ลักษณะของช้างเป็นอย่างดีรู้อุปนิสัยของช้างด้วยเนี่ยควานช้างนั่นไปแล้วก็ไปพบช้างกำลังถอนเงาบัวอยู่ในสะบัวหลวงเพื่อเอาไปเลี้ยงมารดา เง่าบัวที่เขาทาเป็นน้ำปานาถวายพระตอนเย็นได้เนี่ยควานช้างพอรู้เนี่ยควานช้างเห็นปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสบอกว่าแนดีดเนี่ยควานช้างผู้นี้ยรู้ศีลของเราแปลว่าอะไรเนี่ยรู้ว่าท่านผู้นี้มีทั้งจารีตศีลและวาลีศีลใช่ไหม มีทั้งข้อปฏิบัติเนี่ยในการดูแลพ่อแม่และดูคืออย่างนี้ท่านสามท่านดูแลพ่อแม่ก็มีกุศลสีในการดูแลท่านเชื่อมโยงทิศดักระหว่างตนกับพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อพ่อคุณแม่โคดพ่อคุณแม่อย่างไงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลเนี่ยทำตนได้เหมาะสมเนี่ยท่านรู้งคิดด้วยนะข้อมูลนี้ท่านชัด ถ้าท่านอุทิศไปแล้วท่านก็พยายามอุทิศ ส, สนกุศลไปให้นะ่ะกิจตรงนี้ท่านชัดแล้วก็ในกรณีท่านเชื่อมโยงว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านจะชัดเจนอย่างนี้ใครเป็นเพื่อนใครเป็นน้องใครเป็นบุตรใครเป็นภรรยาใครเป็นบริวารใครเป็นบุคคลทุกควรเคารพช้างว่าบริษัทเนี่ยท่านบำเพ็ญข้อปฏิบัติท่านชัดถ้าเราบำเพ็ญไม่ได้อายช้างใช่ไหมสัตย์เดชานเนีเนี่ย ใช่ไหมก็มานั่งพิจารณาดูอย่างที่บอกแต่ตอนเช้าบอกว่าถ้าเราเกิดจะพัดจะผูไปเป็นอบายศัสตร์เราจะได้วัดกิจได้ได้ข้อปฏิบัติแบบนี้ได้บ้างไหมเนี่ยก็ต้องทําให้ได้ใช่ไหมถ้าเราเป็นมนุษย์ทําไม่ได้คิดว่าจะไปเปไปเป็นได้ในพบต่อไปไหมลําบากใช่ไหมนั้นก็พยายามทําให้ได้สิ่แล้วบอกเอาถ้าพ่อไม่อยู่แม่อยู่ไหมพี่อยู่ไหมเยอะแยะใช่ไหมปู่ตายายายอยู่ไหมสามารถปฏิบัติ ปฏิบัติให้เป็นศีลนะให้เป็นอาชีวะด้วยทีนี้ควานช้างนั้นไปแล้วก็พบช้างนั่นกําลังถอนเง้าบัวอยู่ช้างควานช้างรู้ศีลของเราพิจารณาดูลักษณะแล้วกล่าวพอพิจารณาแล้วควานช้างก็เรียกมานี่ในรูปเรียกเลยแล้วก็จับที่งวงของเราเป็นต้นคืออาจารย์ที่ฉลาดเนี่ยก็ศึกษาศึกษาดีเขาแปลว่าสําเร็จวิชาช้าง รู้คุณกับรู้ศีละคุณของเราอะ่ะได้แก่ความรู้คุณของศีลว่าช้างผู้เจริญนี้เป็นช้างอาชาไนาเป็นช้างไม่โง่เป็นช้างที่ไม่ดุมีปกติไม่คุกครีถามว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านดูลักษณะแล้วรู้พิจารณาดูลักษณะเนี่ยว่าความช้างเนี่ยดูลักษณะของเราด้วยการฉี่ถ้วนเพราะอะไรเพราะความช้างเป็นผู้มีศิละปะ คำว่าศิลปะก็แปลว่าคนฉลาดในการที่จะก็เหมือนคนบางคนเนี่ยนะไปเรียนไปเรียนวิชาการทางโลกเนี่ยถ้าเป็นคนมีศิลปะแปลว่าเอาวิชาการมาใช้ได้เป็นเอามาใช้ได้เป็นหรือสามารถมองเหตุการณ์ต่างๆออกในการดูช้างซึ่งศึกษามาเป็นอย่างดีด้วยเหตุนั้นควานช้างจึงกล่าวว่าช้างก็กล่าวมานี่ในลูกพอดูปับ๊บรู้เลยว่าช้างเนี่ยนี่ช้างอาชาใ น, นฝึกมาอย่างดีแล้วและไม่โง่ใช่ไหมเป็นช้างฉลาด และเป็นช้างไม่ดุแลวมีปกติไม่คุกครีไม่คุกครีก็แปลว่าลายช้างรักษาศีลเรามีปกติคุกครีหรือไม่คุกครีครุกครีไหมชอบคุกครีหมู่คณะเยอะๆไหมคุกครีเป็นชื่อของการครุกครีด้วยกิเลสก็ได้นะคุกครีด้วยกิเลสพระโพธิสัตว์เห็นควานช้างแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งยังไง ตอนนั้นอธิฐานบา ร, รมีก็มาด้วยนะไม่ใช่ไม่มานะท่านบอกว่าภัยของเรานี้เกิดจากผ่านป่าพวกนี้เองช้างมองออกไหมคิดได้ไหมว่าภัยมาถึงตัวแล้วรู้ไหมว่าใครนาภัยมาให้รู้เนี่ยทำไมท่านบอกว่าเป็นภัยมาถึงตัวเองเราเนี่ยมีกําลังสามารถกำจัดช้างได้ทาพันเชือกได้ถ้าโกรธถ้าโกรธเนี่ยช้างพันเชือกขวางท่านไม่อยู่ ไม่อยู่แน่นอนแล้วก็ยังเหล่านักรบพร้อด้วยแควในพีนาทไปได้ถ้านักรบจะขวางหน้าท่านนี่ยหรือจะเอาปืนเอาไฟเอามีดเอาขวานมาขวางนี่ยท่านเอาตัวรอดได้เพราะท่านเป็นมาอาชาญนะเออไม่ใช่เป็นช้างอาชาไนาเป็นถูกฝึกแล้วรู้เล้ฉลาดในการออกรบช้างที่ฝึกช้างที่ออกรบฉลาดนี่นะ เขาใช้อวัยวะทุกส่วนสู้ได้หมดนะใช้งวงก็ได้ใช้หางก็ได้ใช้เท้าหน้าเท้าหลังได้ใช้สีข้างได้ใช้ใบหูได้นั้นช้างนี่เขาใช้เอาได้หมดช้างเขาฝึกเป็นช้างอาชาในเนะ่ยเป็นอย่างนั้นเขาไม่กลัวหรอกยิ่งระดับช้างวัโพธิลสัตว์เนี่ยมีกำลังมากเท่ากับช้างเป็นพันๆเชือกเป็นหมื่นๆเชือก เราถ้าท่านโกรธขึ้นมาเนี่ยเอานักรบให้ทั้งแคว้นเนี่ยพี่นาฏลงไปได้แต่ถ้าเราโกรธอะไรขาดอะไรขาดถ้าถ้าโกรธอะไรขาดศีลเป็นอะไรศีลเป็นรากของกุศลเออศีลไม่ใช่ความโกรธเนี่ยเป็นรากของศีลใช่ไหมฉะนั้นถ้าถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยรากขาด ศีนก็ขาดเพราะฉะนั้นแม้ควานช้างจะอหอกทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธไปทั้งคิดก่อนไหมเนี่ยคนจะรักษาศีนน่ะเขาให้คิดก่อนให้คิดก่อนอ้าวคิดวันนี้ตั้งจิตรักษาศีลเนี่ยนะบอกว่าใครจะลาบสกาล่ามาล่อเราก็จะไม่ให้ศีลวิบัติศีลจะไม่ขาดใช่ไหม ใครจะมาปฏทุสลายญาติเราขนาดไหนหรือใครจะให้ยศตำแหน่งเราขนาดไหนเราก็จะไม่ให้ศีลแตกทำลายก็ ค, คิดไว้ก่อนอย่างนี้นะใครจะมาตัดอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราตั้งใจที่จะดำเนินเดินกุศลศีลเราจะไม่ให้ศีลแตกทำลายถึงแม้ที่สุดถ้าชีวิตของเราจะต้องเป็นอะไรไปเราจะไม่ยอมผิดศีลถ้าถ้าคิดไว้ก่อนอย่างเงี้ย คนลักษาศีลก็คิดไว้ก่อนเอาลองย้อนย้อนอดีตหน่อยแต่ก่อนที่ไปเดินศีลกันเนี่ยคิดอย่างนี้ไว้ก่อนไหมได้คิดไว้ก่อนไหมบอกว่าเออยศก็ดีเอยราบสกาละยศก็ดีอวัยวะก็ดีญาติก็ดีอวัยวะก็ดีแล้วก็ชีวิตก็ดีเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ยไม่สําคัญเท่ากุศลศีลคิดแบบนี้ไว้ก่อนไหมงั้นกลับไปคิดจะต่อไปเนี่ยใช่ไหมต่อไปกลับไปคิดทีนี้ เราเนี่ยไม่กล้าคิดวิธีจะเคยอย่างนี้ใหม่ๆเนี่ยเอามาถามพระหลายองค์แล้วเอามาเองเนี่ยก็ไม่กล้าแต่คิดไปเฮายมคิดบ่อยๆคิดคิดคิดคิดคิดไปคิดในใจอะ่ะหรือถ้าไม่มั่นใจพูดออกมาราบส ก, การ์ล่าคัญกว่าศีลยศสําคัญกว่าศีนอวัยวะสําสคัญกว่าศีล ญาติสำคัญกว่าศีลอวัยวะสําคัญกว่าศีลแล้วก็ชีวิตสําคัญกว่าศีลหรือศีลกว่าสําคัญกว่าสิ่งเหล่านี้ไล่ไปเลยศีลสาคัญกว่าลาบสกาละหรือลาบสกาละสําคัญกว่าศีลลองไล่ไปก่อนไม่ใหม่เนี่ยมันจะลาบสกาละดีกว่าศีลใช่ไหมยศดีกว่าศีลญาติดีกว่าศีลอวัยวะดีกว่าศีลชีวิตดีกว่าศีลน่าเข้าน่าเข้าก็มาวิจัยสิ วิจัยอะไรวิจัยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามบอกมันจะตามกระแสชีวิตเข้าไปได้ทุกภพทุกชาติไหมตามรักษากระแสชีวิตเราได้ทุกภพทุกชาติไหมเอาไม่ได้แล้วแต่กุศลศีนี่งไงจะเป็นตัวคอยอุปถมัมคอยเกื้อหนุนคอยดูแลกระแสชีวิตของเรานั้นไม่ให้ตกต่ำใช่ไหมโดยเฉพาะจะไม่ให้เราตกไปในไบยภูมิคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตติระฉานเปตอสุรกายจะและในที่สุดจริงๆตัวกูสลรศีนี่จะไม่ให้เราตกไปในสังสารวัตพ้นจากสังสารวัตได้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลาบสกาละไม่ว่าจะเป็นยศไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไม่ว่าจะเป็นชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถจะตามกระแสชีวิต เ, เราได้ไปทุกภพทุกชาติเริ่มคิดเป็นใช่ไหมคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆแก้ไขได้ นวเข้าแนวเข้าคัญปริมาณความคิดเนี่ยเราไม่ได้ไปรับจ้างให้คิดนี่ใช่ไหมคิดบ่อยๆนอนคิดก็ได้นั่งคิดก็ได้เดินคิดก็ได้คิดให้มันดีดีจริงๆใช่ไหมข้อมูลไม่พอก็ใส่ข้อมูลเข้าไปง่ายมากแต่ก่อนอามาเรีกว่ารักษาศีลดยากกลับเป็นเรื่องง่ายง่ายตรงที่เราเอาอัดข้อมูลลงไปอ ะ, อะไรเราไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอา น, นิสงส์ก็ฟังประโยชน์ฟังอา น, นิสงส์ โทษของความทุศีล์อินนสง์การมีศีลโทษของโทสะอินนสง์ของเมตตาอะไรก็ไล่ไปตามลําดับอันข้อมูลไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะน่ะเข้านต่เข้ากิเลสแพ้เพราะกิเลสในอ่อนแอกิเลสีนอ่อนแอยอมไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกแต่เราไปตามใจเขาทีน้ำมีท่า <On air. S 1> อ่อนแอไหมอ่อนแอไหมเวลานั่งเก้าอี้อย่าไปนั่งอย่างงั้นดิถ้านั่งอย่างงั้นเดี๋ยวทีน้ำมีท่าเข้านันเนี่ย ใช่ไหมเขาเก้าอี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ให้มีมีพนักพิงน่าจะดีนะมามีพนักพิงอมาก็ไม่ยอมพิงหรอกเดี๋ยวกลัวบรรยายไปแล้วหลับก็ยุ่งเลยใช่ไหมย่อมย่อเปรียบกันสิบอกคนคนบรรยายนั่งตัวตรงเลยแล้วก็นั่งตัวตรงๆหน่อยดีไหมนั่งนั่งตัวตรงๆคอตรงๆหน่อยยิ่สบายเลยใช่ไหมนั่งฟังธรรม ตรงนี้ยถ้าเราพิจารณาศีลของเราก็จะขาดถ้าหากเราโกรธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน่ะแม้ควานช้างจะหอกมาทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธและดังนี้แล้วก็โน้มศีรษะลงยืนนิ่งอยู่พระโพธิพากเจ้าตรัสไว้ในการนั้นกําลังของเรามีอยู่ภายในตนเนี่นะปกติอันใดวันเนี้ยกําลังของเราเสมอเหมือนกับกําลังของช้างตั้งพันเชือกแม้เราโกรธโกรธโกรธควานช้างนี่นะ พวกเขาไปใกล้เพื่อจะจับเราเราสามารถจะเหยียบเขาเหล่านั้นได้แม้ทั้งหมดแม้ตลอดถึงราจสมบัติของมนุษย์ทั้งหมดเราก็พังได้แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้ในเสาตรุงเราก็จะทำจิตไม่ให้โกรธเคืองเพื่อบำเพญ็ญศีลรักษากุโศลศีลเพื่อบำเพญ็ญศีลและบรารมีให้บริบูรณ์เอาคิดอย่างนี้ได้ไหม ของเราก็คือว่าสัมมาสัมโพธิญาณปเจกับโพธิญาณสาวกโพธิญาณใช่ไหมของเราระดับไหนสัมมาสัมโพธิญาณปเจกับโพธิญาณหรือสาวกโพธิญาณเอาระดับไหนดีสาว ก, า ส, าวกสาวกมีหลายประเภทระดับอัคระสาวกหรือเอามหาสาวก ห, าหรือเอาปกติสาวก ครับโหสุดแล้วเนี่ยปกติด เ, ดเอาแบบไม่มีคนรู้จักหรือมีคนรู้จักทำไมมักน้อยในกุศลจาง <c oughs> เอาให้มีชื่อบ้างไหมด้วยไม่ได้เลยจะให้เขากล่าวบ้างเอาอยัางไงดีฉดินสามพี่น้องพร้อมรีวารหนึ่งพันจะเอาสามพี่น้องหรือเอาหนึ่งพันเอาไงเอาหนึ่งพัน โอ้หนึ่งพันก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเขายังเอ่ยชื่อบ้างว่ามีหนึ่งพันเชื่อไหมที่ไม่มีเอ่ยมาก็มีนะไม่มีใครรู้จักเลยเนะี่ยเอามีตำราบันทึกไว้สักนิดไม่ดีหรือต่อไปในสังสารวัตรเขาจะระบุบ้างใช่ไหมฝากชื่อไว้หน่อยใช่ไคือยังไงก็ได้เดินกุศลศีลแล้วก็เดินให้เต็มศูบเลยไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่า ต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มตามฐานะถ้าสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องบำเพ็ญสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นระดับที่จะให้ได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณศีลระดับนั้นให้เต็มหรือปัจเจกพอิญาณก็ต้องให้เต็มสาว ก, กพอิญาณก็ต้องระดับอัคราสาวกหรือมหาสาวกหรือปกติสาวกฉะนั้นก็ต้องทําให้เต็มแต่ละฐานะถ้าลองคิดดูว่า แล้วปัจจุบันนี่ทะยมมาพิจารณาอย่างนี้นะเราคิดว่าศีลของเราเนี่ยที่บำเพ็ญกันมาตอนนี้อายุก็ใครสูงสุดกั น, น่าจะเมื่อกี้มียมมาบอกว่าเจ็ดสิบแปดขวบแล้วเนี่ยก็แปลว่าลองย้อนอดีตดูทีนะว่าตัวกุศลศีลที่เป็นเจตนาศีลเจสิกศีลเป็นต้นเหล่านี้มองดูแล้วเนี่ยมันขึ้นมาได้เยอะหรือ ย, อยัง เออขึ้นมาได้เยอะหรื อ, อยังถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยแล้วเป็นแต่ละวันนี่นะลองมาพิจารณาดูด้วยนะดูตัวกุศลศีลเนะี่ยเจตนาเจตสิกเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่เป็นไปกันในเรื่องของข้อปฏิบัติพื้นฐานด้วยแล้วที่เป็นไปอย่างในชั้นของปาฏิโมกสังวรศีลนะเป็นต้นด้วยลองมาพิจารณาดูดีว่าตัวกุศลศีลนะ่ะเต็มไหมหรือว่าแข็งแรงไหม โดยเฉพาะแข็งแรงถ้าแข็งแรงดูตรงไหนดูตรงกายวาจาใจสะอาดสะอาดในที่นั้นก็แปลว่าโลภโกรธหลงนะไม่แทรกใจมากถ้าจะแทรกกันน้อยมากนี่ก็ดูตรงนั้นนะนะตื่นขึ้นมาสดชื่นทั้งวันเลยเนี่ยนะนะเป็นงั้นไม่อยอวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลาขนาดนี้ยความหงุดหงิดในใจไม่เคยเกิดถ้าหงุดหงิดแปลว่ามันเริ่มเลยนะใช่ไหมมีโอกาสล่วงละเมิดทางกายและทางวาจาแล้ว ทีนี้ท่านก็มาพิจารณาบอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นนะพึงทําลายเราด้วยเสาตะลุงและด้วยขวานและหอกซัดเนะี่ท่านบอกว่าเราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดเออถ้าหากมาพิจารณาอย่างนะี้บอกกาลังกายที่ติดอยู่กับร่างกายเนะี่ยก็เรียกว่ากําลังกายไม่ใช่กําลังกายที่เกิดขึ้นด้วยยานหรือความเป็นผู้ฉลาดนะีวันนี้กําลังของเราเนะี่ยช้างพันเชือกท่านว่างั้น ในวันนี้อ่ะเท่ากับช้างพันเชือกกําลังของท่านนะ่ยเหมือนกับกําลังของกําลังของเราเท่ากับกําลังในร่างกายของช้างเหล่านั้นท่านไม่ใช่เปรียบเทียบเนะี้ยเพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่อุบัติในในตระกูลมงคลหัตถีท่านจึงมีกําลังเท่ากับช้างพันเชือกจริงๆเอา้าทำไมทําไมพระโพธิสัตว์เป็นสัตว์ดิราฉานทําไมกําลังถึงมาก และเวลามาเกิดเป็นมนุษย์พระ อ, องค์ก็ทําไมไมีกําลังมากเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรใครตอบได้เอออย่าเพิ่งถามยมไม่ให้ถามใช่ไหมงั้นเดีย๋ยวมาตอบไปก่อนเอาไว้ท้ายท้าดีวกว่าจริงไหมเพราะกําลังของกุศลและศีลงั้นคนที่บําเพ็ญกุศลและศีลเนี่ยเขาไม่ฆ่านอกจากไม่ฆ่าศีลบริบูรณ์ก็คือไม่เบียดเบียน กรรมที่เกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยทําให้เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงและกําลังจะแข็งแร ง, ย, งยิ่งขึ้นไปอันมาสงสัยเบียดเบียนสัตว์ไปเยอะ <c oughs> เนี่ย อ, อกุศลกรรมเนี่ยนะมันก็จะตามเบียดเบียนทําให้กระแส ข, ของรู ป, ปกายเนี่ยมันอ่อนแอถ้าใครอ่อนแอเนี่ยรู้เลยว่าในอดีตนั้นตัวกุศลศีลไม่ดีไม่แข็งแรงฉะนั้นะนะ ก็มาพิจารณาท่านอรพิจารณาบางคนเนี่ยอายุตั้งอย่างมากแล้วแต่เขาแข็งแรงอันนั้นแปลว่าอะไรกําลังของกุศลศีลก็ดีมากใช่ไหมศีลเขาค่อนข้างดีช้างเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องคิดดูวยที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาตั้งสิบหอสงไขกว่าไปแล้วเนี่ยนะแล้วกุศลศีลของท่านที่ท่านเดินมาค่อนข้างอย่างแรงมาอย่างต่อเ น, นื่องเป็นส่วนใหญ่เนี่ย ถึงแม้ท่านจะมีในมรณาสถานการท่านจะพัดจะผูเนี่ยไปเกิดเป็นสัตย์เดชานแม้กุศลในประวัติการก็ให้ผลท่านกำลังของท่านแข็งแรงมากอย่างเราเนี่ยเราเดินกุศลศีลได้ยาวไหมยาวไม่วันหนึ่งวันหนึ่งเอาใครมานั่งตรงนี้แล้วทำให้ศีลเศร้าหมองคือ ท, ทำให้บาปเกิดในใจปะ่ะ หรือไม่เกิดเลยตั้งแต่นั่งมาตั้งแต่มานั่งฟังธรรมมาเอาแค่ช่วงเวลาฟังธรรมเนี่ยจิตไม่เศร้าหมองเลยความโลภก็ไม่เข้าความโกรธก็ไม่เข้าถีนมิถะก็ไม่แทกอุทะจะความฟุ้งซ่านกุกุจะลำคาญใจก็ไม่แทกวิจิกิจฉาความกำหนดที่ไม่แน่นอนในการจะเดินในกุศลธรรมก็ไม่มีความลังเลยเลยตั้งมั่นในการที่จะเดินกุศลธรรมแข็งแรงดีไหมถ้าไม่ค่อยแข็งแรงนี่บ่งบอกว่าโอกาส กุศลศีลจะเสียเยอะเพราะว่าจิตไม่แข็งแรงตรงนี้ท่านเลยบอกบอกว่าพอมาพิจารณาในลักษณะนี้ท่านบอกว่ากําลังของท่านนะเท่ากับช้างพันเชือกถ้าเราโกรธควานช้างเหล่านั้นผู้เข้ามาใกล้เพื่อจะจับเราเนี่ยนะหากเราโกรธควานช้างผู้เข้ามาเพื่อจะจับเราเราพึงเอากําลังต่อสู้ในการทําลายชีวิตของควานช้างได้ไม่ใช่กําลังต่อสู้ควานช้างอย่างเดียวเท่านั้นที่แท้จริงแล้วสามารถต่อสู้แม้ ตลอดราชาสมบัติของมนุษย์เป็นต้นได้แม้ตลอดราชฉบลังของมนุษย์นะนะเราก็จะทําลายราชาสมบัติราชฉบลังของมนุษย์เหล่านั้นผู้มาโดยราชาการได้เป็นผุยผงได้ก็คือเนี่ยทําลายคนนี้ไม่พอนะเดินเข้าวังของแฟนการสีแล้วทาลายเมืองต้องเมืองได้เลยนั่นคือกําลังของเรานี่ช้างที่มีกําลังมากแต่ถึงแม้เราเนะี่ยว่าจะโกรธจะอย่าจ ะ, จ ะ, จะเป็นในลักษณะอย่างนั้น ก็ไม่ทําจิตให้ขัดเคืองเราไม่ทําจิตให้โกรธเครืองคือเราไม่ทําวิธีการคือไม่เอางวงไปจับฟาดแกสัตว์เหล่านั้นเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราไปทําลายเขาก็คือการทําลายศีลของเราเมื่อเราทําลายศีลของเรานั้นน่ะศีลก็ขาดเมื่อศีลเราขาดนั้นการบําเพ็ญศีลบารมีของเราก็จะไม่เต็มเมื่อศีลบารมีของเราไม่เต็มเราก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อไม่ได้เป็นพระเจ้าก็ไม่มีสัพพัญยตยานเป็นต้นเมื่อไม่มีสัพพัญยตยานนั้นเราจะช่วยสัตว์ขนสัตว์ออกจากสักสารวัตรก็ไม่ได้ไหมท่านก็คิดตามมุมในลักษณะแบบเนี้ยเราคิดได้ไหมเอาคิดได้ไหมเราคิดแบบไหนถ้าจะคิดถ้ายอมจะคิดคิดกันยังไงบอกว่าถ้าเราโกรธท่านคนนี้แล้วทาลายศีลของเราใช่ไหมเมื่อศีลเราขาดศีลเราแตกศีลเราทําลายไปเบ็ยดเสร็จแล้ว ความหวังที่เราจับบำเพ็ญศีลของเราให้บริบูรณ์ตามที่เราตั้งใจไว้เช่นเราต้องการอยากจะเป็นปกติสาวกพลาดไปหรือยังพลาดหรือไม่พลาดพลาดอีกแล้วตอนนี้ยพลาดเพราะศีลมันแตกมันทนะํนาลายในขณะนี้นี่แหละเมื่อเมื่อความหวังเราพลาดในการเป็นปกติสาวกการทําลายกิเลสคือราคาโ ท, าาทไรศัพท์โมหะทํำลายได้ไหมเอาไม่ได้ เมื่อทำร้ายกิเลสคือราคาโทรศัมัหาเป็นต้นไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ได้ไหมพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องกลับมาเจ็บปวดอีกมไหมกลับมาเจ็บปวดอีกเนี่ยคิดไม่ไกลไคิดไม่กว้างมองไม่ไกลต่อไปหัดคิดคิดให้กว้างมองให้ไกลๆก็ไวใช่ไหมตรงนี้ท่านบอกว่าพระผู้ให้ภาคเจ้าทรงสแสดงความตั้งมั่นของศีลโดยการทําความมั่นคงแห่งการ ร, าารักษาศีล ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทําลายนะพึงประทุษร้ายท่านก็จักไม่ทําความโกรธให้เกิดขึ้นเพราะความโกรธเป็นตัวตัดรากหรือเป็นตัวบั่นทอนศีลเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดเพราะกลัวเราจะมีศีลขาดเมื่อพระโพธิสัตว์ดําริอย่างนี้แล้วจึงยืนเฉยไม่ไหวติงพอไม่ไหวติงกวานช้างก้าวลงสู่สะบัวเห็นลักษณะสมบัติของพระโพธิสัตว์ ก็กล่าวว่ามานี่แน่ลูกพอบอกมานี่แน่ลูกใช่ไหมแล้วก็เอามือจับที่งวงงวงของพระโพธิสัตว์เหมือนกับพวงเงินงามไหมอย่างกับพวงเงินงามมากทีนี้ไปถึงพอจับเบ็ดเสร็จคือจับดึงมาเลยจับงวงดึงมาเลยพระโพธิสัตว์ก็ยื่นงวงให้แล้วก็เดินเพราะอะไรโอ้ท่านผู้นี้มาดี ท่านผู้นี้มีผู้มีศีลท่านผู้นี้พูดจามีศีลใช่ไหมคือคือคนที่ศึกษาเรื่องวิชาเรื่องการดูช้างดูโคชาสารโคจลักษณะเนี่ยก็ดูปั๊บช้างตัว น, นี้มีศีลเนี่ยเขาก็ทําทํามีศีลเข้าไปสมาทานศีอะไเนี่ยไปเบสเสร็จนีเราเห็นช้างกล้าไหมมานี่แน่ลูกกล้าไหมกล้าไหมอาสมาทานศีลให้ดีสิสมาทานศีลให้ดู ให้ดีใช่ไหมเม็่เสร็จก็เดินไปเจอช้างก็ยื่นมือใช้เวลาเจดวันควานช้างเมื่อถึงระหว่างทางก็ส่งข่าวให้ทุนให้พระราชาทราบพระราชาก็ตกแต่งพระนครควานช้างก็นําพระโพธิสัตว์ที่มีสายรัดทําด้วยกลิ่นหอมประดับประดาตกแต่งแล้วก็ไปสู่โรงช้างวงด้วยม่านอันวิจิตกราบทูลพระราชาให้ทราบ พระราชาก็ถือโภชนะมีรถอนเนื้อต่างๆนะเอาให้แก่ช้างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่รับโภชนอาหารนนั้ท่านดํำริบอกว่าเรามีแม่แม่อดอาหารการที่เราจะมากินอาหารไม่สมควรแก่เราเราไม่เคยประพฤติข้อปฏิบัติแบบนี้เลยแปลว่าอะไร ท, ท่านไม่เคยกินอาหารก่อนแม่ น้องหลับตานึกดูที่เคยกินอาหารก่อนแม่ไหมเคยั้มกลับไปกาบเท้าแม่เลยใช่ไมแม่เดี๋ยวต่อไปไปเดี๋ยวลูกจะจะประพฤติวัดเลยนะจะพฤตข้อปฏิบัติเลยจะประพฤติกุศลษีในดีเนาะกลับไปจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ตามฐานนะถึงไม่ดูแลก็โทรหาท่านบ่อยๆได้ไหมถ้าอยู่ไกล โทรไงดีแม่เดือนนี้ไม่ค่าจะจ่ายไม่พอขอมั่งนี้ได้ไหมแม่เป็นธนาคารเอกเลยยุ่งเลยนะไม่ต้องฝากเบิกประจําก็ย้โทรให้กำลังใจบอกแม่ทานข้าวหรือยังนี่เป็นศีลไหมอ่เป็นไม่เป็นเป็นศีลเป็นศีล ทางวาจาวิจีกรรมเปล่งออกมาไงศีลเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเจตนานศีลเจสิกศีลสังวรศีลอวิตริกรมาเนี่ยก็ประชุมที่กุศลจิตแล้วกุศลจิตนั่นแหละจะทํากิจแห่งการดูแลกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ปฏิบัติข้อวัดต่างๆแล้วควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไรปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไรปฏิบัติต่อมิตรเป็นต้นอย่างไรปฏิบัติต่อบุตรภรรยาเป็นต้นอย่างไร หรือปฏิบัติตอบริวารอย่างไรปฏิบัติต่อสาวกของพระเจ้าอย่างไรตัวกุศลศีลเหล่านี้จะเป็นตัวกำกับทั้งตะข้อววัดตรงนี้ไม่บริบูรณ์ปฏิโมกสังวรศีลจักบริบูรณ์ไม่ได้แล้วถ้าปฏิโมกสังวรศีลบริบูรณ์ไม่ได้อินทร์ศีลขังวรศีลจักบริบูรณ์อย่างไรเมื่ออินทร์ศีลขังวรศีลไม่บริบูรณ์แล้วสุจิริสามจักบริบูรณ์ไม่ได้เมื่อสุจริสามบริบูรณ์ไม่ได้เราจะเอาสติปัฏฐานสมภิธานมาประชุมลงได้ยังไง เราจะเดินโพธิปักฉิยธรรมต้องทําศีลในบริบูรณ์แต่งั้นข้อวัดต่างๆที่ปฏิบัติเนี่ยต้องไม่ให้ไม่ใช่ปฏิบัติไปด้วยอกุศลนะต้องเป็นใบ ก, กากุศลนะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ท่านก็บอกอามารดาผู้น่าสงสารตาก็บอดไม่มีผู้ดูแลจะถูกตอต่ําเท้าตกภูเขาจันทะโรรณนะนาโหแม่จะตกภูเขาแล้ใช่ไหมท่านจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่า ท่านก็ต้องปฏิบัติกับบุคคลที่ปฏิบัติอย่างนี้นะพระราชาสับแล้วกระตัดถามบอกว่าท่านมหานาคะท่านช้างผู้ประเสริฐเนี่ยนะใครคือมารดาของท่านตาบอดไม่มีผู้ดูแลและจะถูกตอตำ่ำและตกวูเขาจันทร์เรณะพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชามารดาของข้าพระองค์นาตาก็บอดทั้งสองข้าง ไม่มีผู้ดูแลเลยอยู่ในถ้านี้เนะียเดินผ่านนี้เดินถ้าเดินถูกต่อตามเท้าใช่ไหม ต, ตกภูเขาจันทรานะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วไม่ได้มีพักสาหาะเนี่ยอาหารเนี่ยตกถึงท้องเลยแล้วแล้วข้าพระองค์จะกินได้ยังไง พระพจ้าบำเพ็ญศีลมันเป็นวัดข้อปฏิบัติต่อมารดาไม่เคยไม่เคยกินอาหารก่อนเน่ยคือว่าคือพอท่านพูดในลักษณะอย่างนั้นแล้วท่านก็เมื่อพระโพธิสัตว์ทุนวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมารดาขครับองค์ยังไม่ได้รับอาหารเลยพอพูดแค่นั้นแหละพระราชาสะดุ้งแล้วใช่ไหมพ ร, พระราชาสะดุ้งให้เราทำกรรมอะไรไปเนี่ย โอ้กำหนักแล้วเนี่ยสะดุง้งสะเทือนใจเลยนี่ถ้าเราไปจับคนมาแล้วก็เขาปล่อยพ่อแม่เขต้องลําบากแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เราก็ต้องตก ใ, แกกกไไใจแล้วท่านก็บอกพวกท่านทําอะไรไปเนี่ยเอใช่ไหมจงปล่อยพญานาคพญานาคนี่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนะ้หวังเนียแล้วท่านก็บอกขอท่านพญานาคเนี่เนี่พพยพญานาค คือถ้าเรียกพญาเรียกว่ามหานาคาเป็นชื่อของช้างผู้ประเสริฐเนี่ยมหานาคามหานาคาเนี่ยบอกว่าจงอยู่อย่างสงบกับมารดาพร้อมด้วยญาเธอแล้วก็ก็บอกแล้วก็รับสั่งให้ปล่อยไปนะกุญชรมหานาคานั้นน่ะช้างนั้นพ้นจากพันธุการแล้วก็พักผ่อนอยู่คู่เดียวอะ่ะก็รีบไปอยู่ถึงที่อยู่ของตนเองเลย คือท่านบอกว่าท่านสงสารคือท่านเวทนามากถ้าว่ามารดาจะถูกตอต่าที่เท้าเพราะมารดามารดาก็รำ่ำไห้ใช่ไหมตาก็บอดเพราะทุก์ที่จากบุตรเนี่ยท่านก็พิ จ, จารณาบอกว่าจะเสียสีที่ต้นไม้ดันนุต้นนี้เป็นต้นใช่ไหมคือเวลาเดินเนี่ยแม่เดินออกมาเพราะความหิวจะเดินออกมาที่สาที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวตอก็ไปเหยียบเออเดี๋ยวเดี เ, ดเดท้าก็ไปเหยียบที่ตอ หรืตนเองก็จะไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็กแทกต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้เป็นต้นชนต้นไม้ต้นนี้หรือไม่อย่างนั้นก็ตกภูเขาตายเนี่ยท่านพิจารณาอย่างนี้ไงพอพิจารณาเบีเสร็จเบียดเมียท่านก็บอกโอ้โหเนี่ยแม่ต้องลําบากเจ็ดวันแล้วเนี่ยลําบากคือว่าแม่จะต้องออกมาหาลูกแน่ยใช่ไหมว่าลูกเป็นอะไรไปอย่างนี้เป็นต้ น, นต่อมาท่านก็เลยกลับช้างตัวประเสริฐนั้นพ้นจากพันธนาการพักอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ แต่ก่อนจะกราบนี่นะท่านให้อะไรแกพระราชาท่านให้ทศพิตราชธรรมสอนทศพิตราชธรรมสิบประการเลยใช่ไหมทำสำหรับผู้ปกครองทําสําหรับพระราชาท่านก็สอนเลยว่าการเป็นพระราชาที่ทรงทำเขาเป็นกันยังไงสอนเลยได้ประโยชน์ให้พระราชานี่ให้การครบบัณฑิตเป็นแบบเนี้แล้วก็หาเฟ้นคบบัณฑิต น, น, นะมีโอกาสไ ด, ได้ได้รับสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็สอนทศพิทราชธรรมเป็นต้นคือไม่ให้ประมาทให้มีความอดทนขันติเป็นต้นเราเนี้ยนะแล้วในส่วนจริงท่านก็ออกจากพระนครไปหามารดาในวันนั้นนะ่แจ้งเรื่องราวให้ทั้งหมดให้มารดาทราบมารดาก็ดีใจมทนาแก่พระราชาท่านก็บอกว่าขอพระราชาผู้ปกครองแฟนกาสีให้เจริญผู้ปล่อยลูกของเราผู้มีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยจงมีพระชนมมีอายุยืนนานเถิด อาภิวาดานสิริสานนจังอุดาปจายนโนจตารดา ม, มาวัฒนติอายุนโนสุขังบลังเแม่ของพระโพธิสัตว์ก็ให้พรเวลาชา <c oughs> เราเวลามีใครให้ของให้พรก็เป็นหรือเปล่าให้เป็นบ้างกว่าพอลูกพอพอลูกให้ของ เออขอบใจที่น่าให้มากๆแบบนี้หน่อยสิ <c oughs> ยังไม่ได้ให้ฟอนก็ย <c oughs> พระราชาก็เลื่อมใสในคุณธรรมของโพธิสัตว์นะีอยู่ต่อมาก็รับสั่งให้สร้างสร้างบ้านไม้ใกล้สระบัวก็ปรนนิบัติช้างพระโพธิสัตว์และมารดาพระโพธิสัตว์เป็นอยู่เป็นเนืองนิดเนะียต่อมาเมื่อมารดาล้มล้มแปลว่าอะไร มาดาตายแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทำการฝังศพแม่แล้วก็ไปที่กุรันทกะอาสมตอนนั้นมีฤาษีห0 0ลงมานะที่หิมวันดาวประเทศพระราชาก็ปฏินบัตรฤาษีก็ส่งให้ช้างแก่ช่างแก่สลักเนะี่ยรูปช้างเนี่แหละเป็นรูปพระโพธิสัตว์แล้วก็บริจาคสักการะใหญ่ชาวชมพูทวีปก็ประชุมกันทุกปีโดยลำดับนะ ฉลองโลพยาช้างนะั้นพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นพระอานนท์ในครั้งนี้เห็นไหมโดยท่านเกี่ยวข้องกันเนเะห็นไหมขนาดเป็นช้างเป็นสัตว์รัจฉานท่านยงังไปสอนอุปถาของท่านเลยนะี <c> ่ย <oughs> ใช่ไหมนี่เป็นอย่างเงี้ยท่านท่านเกี่ยวข้องกันนางช้างในครั้งนั้นก็เป็นพระมหามายาในบัเนี้ยนางสุดมหามายาพ่านปลาเป็น เทวทาปเนี่ยเกี่ยวข้องกันดีเหลือเกินใช่ไหมฮะช้างตัวประเสริฐที่เลี้ยงมารดาในครั้งนั้นก็เป็นพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะเห็นว่าศีลใช่ไหมที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาที่จริงที่ท่านเล่าอย่างเงี้ยก็เกี่ยวข้องเล็กน้อยแต่จริงมากมีมาก แต่ท่านก็ยกมาเพราะท่านยกมาค่อนข้างเพื่อเป็นประเด็นเป็นตัวอย่างให้เห็นคุณในลักษณะของกุศลศีลอต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของเจตสิกศีลในส่วนของอโลอะโลพาอตโทสัแล้วก็อโมหะตอนเช้าก่อนจะพักเนี่ยพูดถึงในเรื่องของเจตนากับเจตสิกทีนี้เจตนากับเจตสิกได้ยกตัวอย่างไปแล้วจะให้บางครั้งเจตนาก็วิเศษกว่าเจตสิกบางครั้งเจตสิกก็วิเศษกว่าเจตนาใช่ไหม เช่นความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเป็นต้นนะหรือว่าสัมมาวจาสัมมากรรมปตะสัมมาชีวะเป็นต้นตรงนั้นก็มองประเด็นตรงนั้นไปก่อนทีนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวจาสัมมากรรมปตะสัมมาชีวะพูดไปแล้วพูดถึงในเรื่องของอนนาพิชชาอัพยาบาศแล้วก็สัมมาทิฏฐิอนาพิชชาอัพยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะพูดถึงในเรื่องของความไม่โลภ แล้วก็ความไม่โกรธพูดถึงในเรื่องของปัญญาถามว่าความไม่โลภเป็นศีลยังไงความไม่โลภเนี่ยตรงข้ามกับความโลภใช่ไหมเป็นอโลภะธรรมชาติที่ไม่ติดข้องในการมาคุณอารมณ์นั่นแหละอันนั้นคือสภาวะที่ไม่โลภเขาเกิดขึ้นในกุศลจิตในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นน่ยความโลภเป็นเหตุแห่งความทุศีนี่ยก็อย่างนี้เวลาเกิดความโลภขึ้นมา ความโลภเป็นปัจจัยแก่การฆ่าได้ไหมได้ไม่ได้เป็นปัจจัยแก่การเป็นปัจจัยแก่ความเป็นปัจจัยแก่การลักได้ไหมลักขโมยเนะยเป็นปัจจัยแก่การประพฤติผิดในกรรมได้ไหมเป็นปัจจัยแก่การพูดเท็จได้ไหมพูดส่อเสียดได้ไหมพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อความโลภเป็นปัจจัยแก่ความโลภได้ไหมโลบยิงขึ้นนะความโลภเป็นปัจจัยความโกรธได้ไหมความโลภเป็นปัจจัยความมิจนผิดได้ไหม เมเราได้หมดขอตัวอย่างได้ซึ่งหนึ่งตัวอย่างสิใช่ไหมมันต้องมีตัวอย่างใช่ไหมยะเอาโลภเป็นปัจจัยแก่การฆ่าโลภเป็นปัจจัยแก่การลักโลภเป็นปัจจัยแก่การประพฤติผิดในกรรมความโลภเป็นปัจจัยแก่การฆ่ามีตัวอย่างอยู่ตัวอย่างเยอะในเรื่องจริงๆนี่แหละเมื่อคนเราโลภอยากจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งขวางอยู่ถ้าคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยเราจะเราจะฮุบมรดกนี้ได้เราจะเป็นใหญ่ได้แล้วก็ มีการฆ่าหรือสั่งฆ่าหรือสังเก็บเป็นต้นเห็นไหมความโลภก็เป็นปัจจัยแก่การฆ่าฉะนั้นความโลภเป็นปัจจัยแก่การฆ่าได้ความไม่โลภจึงเป็นปัจจัยแก่การไม่ฆ่าได้เข้าใจไหมเพราะเราไม่โลภก็เลยไม่เป็นปัจจัยแก่การไปฆ่าแม้เป็นปัจจัยแก่การรักคนเราโลภก็ต้องไปหารักขโมยเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยการลักเนี่ยมีหลายวิธีหลายวิธีนะช่อโกงอะไรได้เยอะแยะเบียดเสดหมดเลยบางทีเซ็นหนังสือแก๊กเดียวนะี่คือลักนะ ลักขโมยเลยนีจากการเซนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเราคึกว่าโอ้ยเซนแก๊กเดียวเนี่ยไม่ไม่ได้เซนแก๊กเดียวเนี่ยฆ่าก็ได้ลักก็ได้พูดผิดในกลาวก็ได้เป็นเหตุหึงการพูดเท็จก็ได้เพราะเซนเน้นการพูดเนี่ยนะส่อเสียดคําหยาบเพ้อเจ้อเป็นต้นนี้ได้โกรธเซนได้ไหมรอบเซนได้ไหมเห็นผิดเซนได้ไหมงี้เป็นต้นโอ้ยใครที่เซนหนังสือบ่อยๆโอ้ได้ศีลเยอะนะถ้าพิจารณาเป็นเนี่ย ถ้าพิจารณาไม่เป็นโอ้ยสินขาดทั้งวันเลยศ <laughs> ีนไม่เดินเนะ่ะใช่ไหมมีโอกาสสินขาดได้ใช่ไหมใช่เ น, นี่ยเราก็ไปพิจารณาอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับศีนจริงๆเลยนะไม่จะไม่เกี่ยวข้องดูเหมือนโอ้โหไม่ได้ไปทําผิดศีนอะไรเลยใช่ไหมนั่งเขียนหนังสืออยู่เนี้ยเออ ผ, <laughs> เยอผิดสินได้นั่งเขียนหนังสือผิดศีนได้นี่เป็นอย่างนี้ก็ก็เห็นไหมว่าความโลภเป็นปัจจัยเกี่กับก ผู้ศีลได้จริงๆและสรุปก็คือความโลภข้อเดียวเป็นปจยยัจจัยแห่งการล่วงอากุศลกรรมบทได้แต่ถ้าไม่โลภ ก, ก็เป็นปัจจัยการปิดช่องบาปได้สิบช่องเลยปิดได้หมดเลยนี้แหละความไม่โลภเป็นศีลเพราะไปเกื้อกูลกายกรรมเกื้อกูลวัจีกรรมและเกื้อกูลมนโนกรรมให้เป็นไปกับสุดจริตสามขอย่าง ฉะนั้นเพราะความไม่โลภนี่แหละเลยเป็นปัจจัยแก่การเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่การทําให้ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพือเจือเห็นไหมความไม่โลภจึงเป็นเจตสิกศีนเพราะทําให้กายกรรมไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปทําวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายและไม่สซ่านไปทำมโนกรรมได้ไยมทำมโนกรรมไม่ให้ไม่คิดในทางที่เป็นโลภหรือเป็นผิดตีลเป็นต้นด้วย เห็นไหมตัวศีลเนี่ยจึงเป็นกิจของเขาเขาเป็นศีลระนาก่อนในฐานะเป็นสมาทานังทําให้ไม่เกินก่นไม่กระจัดกระจายแล้วก็ไม่ซ่านไปใช่ไหมตัวตัวอโลภาสเนี่ยปิดบาปได้ทางกายทางวาจาและใจไม่เป็นบาปผลปรากฏขึ้นมากายก็สะอาดเห็นไหมกิจของเขาคือทําทุศีลเออไม่ไม่ไม่ร่วงละเมิดกําจัดความทุศีลกิจคือการงานของของอโลภาเนี่ยไม่ทุศีล กำจัดความทุ่ศีลแต่หน้าเอผลปรากฏผลปรากฏของเขาคือกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดชัดไหมตรงเนี้ยมันมันสะอาดจริงๆแล้วสะอาดไปนานไหมสะอาดไปห้านาทีแล้วไปเศร้ามองต่ออันนี้แปลว่าอะไรศีลเดินติดมันติดขัดเนี่ยเรามีปัญหากันตรงเนี้ยทุกวันเนี่ยที่จะต้องมานั่งกระเทาะศีลเนี่ยมันทะลุทะลวงแต่และวยืมสี่ชั่วโมงให้ได้เนี่ย เราเดินศีลกันไม่ได้นะปัญหามีอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดินไปเราเข้าใจศีลกันพอสมควรนะไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่เวลาเราจะเดินไปมันมีปัญหาพอมีปัญหาเนี่ยโทษสิ่งแวดล้อมหรือโทษอะไรดีถ้าศีลเราขาดเนี่ยโทษสิ่งแวดล้อมหรือโทษอะไรโทษอะไรดี อ, อ้อคนนี้มันทำให้เราผิดศีลเนี่ยได้ไั้ย เพราะจริงๆแล้วมันขาดความเจตนาศีลเราไม่แข็งแรงเจตสิกศีลไม่แข็งแรงเพราะการจะรักษาศีลเนี่ยสังเกต ด, ดูพระโพธิสัตว์ทีพอท่านเห็นความช้างมาเห็นนายพลามาเห็นคนมากันเยอะแยะท่านพิจารณาก่อนเลยไหมท่านพิจารณาวันนี้มีภยมัยไหมยังภัยจะต้องเกิดแก่ท่านแล้วแล้วท่านพิจารณาต่อไปไหถ้าเะ เขาจับมัดทบตีแทงใช่ไหมประหัสประหารจกไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลจะขาดนี่แปลว่าอะไรท่านมีอนาคตเป็นอารมณ์ไหมท่านวิจัยเลยอ่ะอย่างเรามันไม่ยอมคิดไปข้างหน้าต้องพยายามคิดไปข้างหน้าใช่ไหมต้องมองให้กว้างมองให้ไกลฝ่ายสูงก็ว่าอย่าไปมองแคบคิดใกล้อะไรนะ ต้องคิดกว้างมองไกลแล้วฝ่ายสูงใช่ไหมที่เขาใช้สำนวนกันเน่ะคิดแคบมองใกล้แล้วอะไรอะไรนะฝ่ายตามยอมพูดเองนะใช่ไหมก็นั่นแหละมันมันจริงจริงก็ฝ่ายตามนั่นแหละใช่ไหมเพราะเราคิดจะไม่เอาศีลไงถ้าจะคิดเอาศีลมันก็คิดสูงคิดกว้างเข้าไปตรงนี้นะก็ แล้วก็พยายามเดินศีลได้เนี่ยท่านคิดไว้ก่อนศีลเขาคิดไว้ก่อนเยมเขาวิจัยไว้ก่อนเมื่อเช้าสมาทานศีลกันไหมยังสมาทานแล้วคิดข้างหน้าเลยมไหมถ้ามาที่นี่แล้วอาจจะมีเหตุปัจจัยทําให้ศีลเราเร า, เราจะต้องทุศีลเราจะไม่ยอมไม่ทุศีลเกิดขึ้นในใจคิดไว้ก่อนแบบนี้ไหมหรือไม่คิดเลยถึงเวลาก็สมาทานเส็จเสร็จก็ถือว่าจบแค่นี้แล้ว เป็นลาบของเราแล้วเนอเราได้ดีแล้วห no. นอะศีลของเราบริสุทธิ์เนอะท่องกันในคร้องหมดเลยนะบางคนเนี่ยท่องกันอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้เป็นราบยังไงก็ไม่รู้ศีลบริสุทธิ์ยังไงไม่รู้ดียังไงก็ไม่ทราบใช่ไหมที่จริงคําว่าเป็นราบของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วห no. นอศีลของเราบริสุทธิ์หนอเราได้ปฏิบัติบูชาทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตเนี่ย เพื่อเดินตามรอยของพระลหันบูชาคุณของพระผู้ธมีภระเจ้าทำไมบูชาพระบรมศาสดากว่าจาักเอาศีลมาสอนพวกเราเนี่ยพระองค์ทิ้งอัตภาพไปแล้วกี่อัตภาพไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพเพื่อให้เรารู้จักเจตนานศีลเจสิกศีล ส, สังวรศีลนวิติกามศีลเนี่ยเห็นคุณของท่านบางไหมเห็นความเหน็ดเหนื่อยของท่านหรือไม่ เห hmm. ็นบารมีธรรมที so <h ums my Star> <him> so ่พระองค์ต้องเบลมเพาะมาเนี่ยเข้าใจพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยสักนิดหนึ่งไหมเราจะได้บูชาท่านด้วยปฏิบัติบูชาในข้อนี้เอาศีลมาประชุมในความคิดแล้วบูชาท่านผู้ประเสริฐนน่ะคิดอย่างนี้ถึงจะเห็นคุณปัญญาจะได้เข้าใจถึงผู้มีคุณและจะรู้ว่าใครใช่ไหมว่าพระบรมศาสดามีคุณต่อพวกเรามากเพราะพระองค์เนี่ยประทานกุศลศีลด้วยพระมหากรุณา เพราะการุณาเราาจะไปจมในไบโยภูมิแล้วจะต้องตกอยู่ในสังสารวัฏแล้วเงยศรีรษะออกจากสังสารวัฏไม่ได้พระองค์ก็เลยประทานกุศลศีลให้เราจะได้เอาไปประชุมจะได้ไปรักษาจะได้เอาไปปฏิบัติขัดเกา่าแล้วเราจะได้ปลอดภัยเพราะพระองค์กรุณาในเราใช่ไหมฉะนั้นเราจะปฏิบัติบูชาท่านเราจะเป็นทาตของพระเจ้าจะไม่เป็นทาตของตันห์หายแล้วโลภะนี่เป็นตันหานี่เพราะเราเป็นทาตเขามานานเราเลยล่วงละเมิดสิกขาบทเราเลยทําตัวเองให้เจ็บปวด โทสะเนี่ยใช่ไหมเป็ น, นเป็นกิเลสนี่เราไม่เป็นทาตมันอีกแล้วจะไม่มันเกิดในกระแสะชีวิตอีกแล้วเป็นทาตุมันมานานมันก็ทําให้เราทุศีลเจ็บปวดในสังสารวัฏโมหะเนี่ยมันทำเป็นกิเลสนี่เราอย่าไปสมาทานเป็นทาตุเขาสิเรามาเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่พ้นจากกิเลสเครื่องคล่องแล้วใช่ไหมแล้วก็ทรงประทานกุศลอันรําเลิศทั้งหลายเราปฏิบัติเพื่อจะทําให้ตนเองนะ่ะพ้นจากสังสารวัฏก็คิดอย่างเงี้ย ถ้าคิดอย่างนี้จะทําไม่มีจิตใจน้อมจะรักษาศีนมั้ยตอนนี้ศีนเริ่มสําคัญกว่าลาบสกาลาหรือยังโอ้โหไม่ค่อยแข็งแรงเลยไม่ค่อยแข็งแรงเลยเป็นยังไงลาบสกาลาไม่ยังดีกว่าศีนอยู่หรืออะไรดีกว่ากาันลาบสกเอาอาหารเนี่ยเ <laughs> มื่อวานไเมื่อวันก่อนไม่คุยกับ <laughs> เด็กนักศึกษา ให้รักษาศีลอมานินทานนิดนึงลูกศิษย์อาจารย์ดเตรเอดกเตอร์อดอตอรดาดาวไรักษาศีลก็บอกว่าสมาทานศีลปาดอย่างดีแล้วเนึงตอนเย็นแม่ครัววิรธรรมมิท่าไหนไปทำส้มตำก็ให้ยอมผู้หญิงชอบส้มตำไหมขอไปชอบไหมระหว่างศีลกับส้มตำจานหนึ่งเรเลือกอะไร เลียกอะไรโอ้เด็กเขาโอ้โหก็มาก็เลยบอกก็เลยต้องกระตุ้นเขาบอกอะไรศีลเนี่ย<ช>พระเจ้าก็จะได้มาหันนี่ใช่ไหมก็จะให้เนี่ยทําให้ต้องวิบัติไปเพราะจำตามจานเดียวเนี่ยมันสมควรไหมทำไมนั่งคิดตูวเองใช้ปัญญาวิจัยหน่อยใช่ไะมมันต้องคิดให้หนักนะ ใช่ไหมทำไมเราไปแรกไอ้ส้มตำจานเดียวเนี่ยที่เอามาลาดลิ้นเล่นเอามาเอามาลูดลิ้นเล่นเนี่ยผ่านเข้าลิ้นแป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วผ่านเข้าคอไม่ยอมด้วยนะเอาเจาะเจาะ อ, อัดลงในหลอดคอตรงนีหห้หลอดหลอดหลอดอาหารตรงนี้ได้ไหมยอมไหมเห็นไหมให้เสียบลงที่อื่นไม่เอาขอให้ผ่านลิ้นเนี่ยดูตั้หาที่มันมันต่อรองกับเราขนาดหนักเลยนะ อ า, อาหารเข้าทั้งอื่นไม่ยอมอ่ะถ้ามีใครมาเจาะตรงกระเพาะแล้วเนี่ยอัดอาอหารเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันเอาไหมไม่เอาอีกขอให้แปะลิ้นตันหายมันชื่นใจหน่อยกัน้นแล้วทําไมเราไปเป็นทาสขนาดนั้นเลิกได้แล้วเขาประกาศเลิกทาสกันมาตั้งนานแล้วประเทศไทยเนี่ยใช่ไหม ก, ก็อย่าไปเป็นทาสของตันหายเลยก็ประกันจริงไม่จริง พูดตรงนี้คล้ายๆเราจะต่อสู้ตัญหาได้หลายคนพูดเนะเพราะกลับไปอยู่คนเดียวทีไรมันไม่แข็งแรงสักทีเลยเป็นงั้นจริงมหรพระก็พูดของท่านไปท่านมีหน้าที่พูดก็พูดไปพวกนั้น <ซะ S 1> ก็คนมันทำไม่ได้เป็นงั้นหมอย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหอันเป็นการทำลายชีวิตของเราในอนาคตนะมันเป็นความเจ็บปวดในอนาคตนะนะ ฉะนั้นตรงนี้ก็ท่านไม่แรกสา ก, กาละและศีลดีกว่าต่อไปก็เริ่มขยับหรือหมยศถาบรรดาศักดิ์ต่อไปก็ขยับไปเป็นญาติอวัยวะและชีวิตเดี๋ยวก็ได้แต่คิดทุกวันนะบางคนเนี่ยใช้เวลาคิดวันเดียวชนะหมดเลยได้ศีลไว้เลยเขาคิดบ่อยๆมความคิดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อใครคิดนั่งคิดได้ทั้งเยอะแยะเบ็ดเสร็จ คิดได้มากๆโดยคิดเรื่องสีเนี่ยคิดไปใช่ไหมเหมือนอย่างนี้เหมือนคนตื่นสายอะมาแนะนําถ้าใครตื่นสายนะอะมาก็ไปแนะนํานักศึกษาเดี๋ยวนี้ตื่นเที่ยงวันกัน <laughs> ไม่รู้สอนลูกกันยังไง <laughs> พวกเรานี่แหละ <laughs> <laughs> ต้องไงเพื <laughs> <laughs> ่ตรงนี้ <laughs> เวลามันนอนตื่นสายเนี่ยนะ <laughs> พอมันเริ่มเลยเวลาเราก็คิดบ่อยๆสิให้ข้อมูลก็สินี่สายแล้วนะ ใช่ไหมบอกเขาเลยมันนอนอยู่เงี้ยไม่อายเขารื้อใช่ไหมหน่าเกลียดนอนตื่นสายโตแล้วแม้เราอยากจะบรรลุเป็นสาวกของพรธเจ้าบางอะไรบ้างใช่ไหมเกลียดค้านอย่างนี้พระเจ้ามีสารเสริญไว้ตรงไหนไหมก็เตือนไปเรื่อยๆใช่ไหมเอาแตามันยังบอกเอา้ามันมีเหตุผลที่จะนอนเหตุผลของเองฟังมานานแล้วจนหกสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมก็เนี่ยแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆสิตื่นได้แล้วอย่ามัวนอนอย่ามัวง่วง ก็คิดไปเรื่อยๆนอนหลับอยู่นั้นแหะคิดไปคิดไป <Okay. S 1> คิดไปเรื่อยๆน่ะเข้าน่ะเข้าอยู่ไม่ไหวลุกพูดตั้งจริงมาค่อยทําดูแล้วความขี้เกียจความเกียจค้านทั้งหลายเนี่ยใช้ข้อมูลเข้าไปมันกลัวข้อมูลบรรดาเกียรตทั้งหลายน่ะกลัวมากที่สุดคือกลัวความรู้ยอมให้ความรู้ให้ข้อมูลให้วิชาเข้าไปน่ะเข้าน่ะเข้าลุกขึ้นมานั่งตาใสเราไม่ทราไม่ยอมรักษาศีลนะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยอยากเป็นสัตว์นรกใช่ไหม อยากเป็นอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมใช่ไหมดูอยากเป็นอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาเป็นวัวเป็นควายเป็นไหมเอาเป็นหมูให้เขาเชื้อดเป็นไหมเอาเป็นไก่ให้เขาตัดคอทุกวันเข้าลงฆ่าสัตว์เป็นไหมเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆที่ใช่ไหมนะข้าวนะข้ามันผมไม่เอาหรอกมันกลัวนะข้านะข้าเอาสีเฮ้ยที่มันอยู่ที่การให้ข้อมูลยิงๆงพราะั้นถ้าให้ข้อมูลในเบสเซ็จในทุกคนน่ยแข็งแรงหมด เดี๋ยวไปนั่งเฉยๆมึนๆอยู่โยมนั่งซึมๆ ม, มึนๆเนี่ยไม่ค่อยได้ศีลศีลมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากการนั่งมึนๆนะมันนะั่งมันต้องมันต้องปลูกร้าวคุณธรรมไหมต้องปลูกร้าวคุณธรรมตัวโยนิสมนัสกา ร, ร, รเนี่ยปลุกร้าวขึ้นมาตื่นเต้นหมดแล้ยตอเนี้นักเข้านักเข้าเนี่ยพวกอยให้ใกล้เฮ้ยตื่นได้แล้วสมาทานศีลมันจะเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นศีลเนี่ยต้องต้องใช้ ต้องใช้แรงขับในการคิดการปรุงแต่งบางทีเราไปคิดว่าสมาฐานครั้งเดียวมันจบเลยเราไปได้ข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วเปลี่ยนแปลงทุกคนเอามาเชื่อว่าคิดไม่ถึงวันหรอกทุกคนจะไปมีศีลได้แต่มันเสียอย่างเดียวเนี่ยที่เอามาสอนไม่ได้อยู่คนประเภทเดียวนะสอนให้คิดแล้วไม่ยอมคิดเนี่ย ไม่ยอมคิดไปนั่งมึนๆเงี้ยทั้งๆ ท, ที่จะคิดได้แต่ไม่ยอมคิดเนี่ยคนประเภทนี้ไม่รู้จะทำยังไงพุทธเจ้าก็ปวดไม่ได้จะมานั้นขอให้เอาไปคิดเอาไปวิจัยเอาไปใคร้ครวนเถอะแล้วได้ดีบได้ดีกันหมดการบรรลุเนี่ยมันอยู่ที่การคิดการวิจัยเนี่ยไม่ไม่ใช่บรรลุด้วยนั่งนั่งเราไปเราไปเอาเอาบรารมีอยู่ข้อนึงมาทำ ศีลบารมีท่านถูกแต่เราไปคิดผิดอธิษฐานะบารมีอ่ะเราอธิษฐานแล้วขอแล้วไม่ยอมทำข อ, ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาของให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พันก็ทาให้แจ้งซึ่งอะไราแต่ผลอันเลิศกลับไปนอนเฉย นี่เสียไหมนเงี้ยเสียหมดเลยเงี้ยเขาให้เอามาไข่ครวญแล้วอธิษฐานไปแล้วเข้าใจป่าแล้วก็ทําไปซิที น, นี้ยเข้าที่ฐานแล้วทําเอา้าพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่ท่านอธิฐานเสร็จเร็จแล้วท่านนอนรอผลไหมไม่ใช่ท่านขนขวายที่ทำํำนะเราอย่าไปเข้าใจอธิฐานบารมีผิดเข้าใจยงังยอมเดินให้เป็นแล้วมันจะได้ผลแล้วแล้ว แล้วกระแสชีวิตของเรามันจะไม่ตกต่ําชีวิตเป็นแบบนี้อย่าไปไปอยู่เฉยๆเนี่ยหรือไปไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาศีลเดินไม่ได้แล้วเรามานั่งอย่างเงี้ยบางทีเราเราเหมือนเราจะได้บุญนะบางทีเนี่ยแต่ถ้าไม่วิจัยตามเนี่ยบุญไม่เกิดอีกใช่ไหมแต่มันได้อย่างเดียวแล้วมันได้นั่งหลับแล้วก็แอร์เย็นๆบ้างบางทีเนี่ย <c oughs> กลับไปเขาโรกหลานก็ถามแมวนี้ได้แล้วได้สองตื่น สองยุ่งเลยตอนนี้ทําไม่ได้แค่สองแม่วันก่อนได้ทั้งเยอะลาคานคนข้างๆปลุกแม่อยู่เรื่อยเลยมีลาบากเลยใช่ไหมคือคือตรงเนี้ยเวลาเราเจริญกุศลเนี่ยเจริญนี่มันถูกเวลาเจริญให้ถูกแล้วแล้วกุศลมันจะเกิดไอ้ตรงนี้ที่มาพยายามให้ข้อมูลมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมปรารถนาปรารถนาให้เราเดินกันไปน อะโลพาใช่ไหมประการต่อไปคืออโทสะอโทษาเขาแปลว่าความไม่โกรธองค์ธรรมได้แก่อโทสานั่แหละอโทษาเจสิกทีนี้อโทศีลเนี่ยศีลเนี่ ย, นนยไปเชื่อมโยงกับขันติสังเกตดูทีตัวขันติสังวรนะี่จะเชื่อมโยงกับคำว่าอโทษาคือความไม่โกรธนี่โยมทีนี้ความไม่โกรธเนี่ยนะความไม่โกรธที่เป็นสภาพของของความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ย เรานึกว่าไม่โกรธนี่คือไม่พูดใช่ไหมโกรธแทบตายนี่แหละเราไปคิดว่าเราเนี่ยเคมีขันติบอกแม่ว่าวานนี้เราทนได้ถ้าไม่ทนได้พังไปแล้วเนี่ยอไอ้ตรงเนี้ยเราเราไปเข้าใจผิดไงไปเข้าใจผิดว่าตัวขันติเนี่ยคือการนิ่งแต่ไม่ใช่ว่าคนมีขันติพูดมากนะไม่ใช่นะ เดี๋ยวอย่าผิดจรเพราะตัวขันติจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวอโทสะที่เป็นตัวขม่มหรือเป็นตัวจัดการความโกรธเป็นตัวจัดการความโกรธฉะนั้นคนที่มีขันติบา ร, รมีก็แปลคนที่มีเมตตาเนะี่ยคนที่มีเมตตาค่อนข้างแข็งแรงดีแต่ตัวขันติเนี่ยกับตัวเมตตาบา ร, รมีเนะี่ยมันมีการแยกกันอย่างแยกก็ถ้าหากเมตตาเนะี่ยมันเกี่ยวกับสัตว์ มันเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวแับต่างๆที่มีความรักความในตั ว, ต, วตัวเมตตาความปราถนาดีดเอื้อทอนแต่ถ้ขันติเนี่ยมันเน้นความอดทนตอนหนาวร้อนเย็นอะต่างก็ว่าไปมันมันกว้างกว่ามันกว้างไปอย่างนั้นทีนี้ในกรณีตัวอโทสะที่เป็นศีลเนี่ย ค, คุคุมคมไปจนถึงขันติสังวรเนี่ยเพราะเป็นเจตสิกศีลทีนี้ตัวตัวอโทสะคือความไม่โกรธเนี่ยด้วยความไม่โกรธเนี่ย เลยเป็นปัจจัยเก่การเกื้อกูลเลยเกื้อกูลตัวกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมได้อย่างดีเลยเพราะตัวขันตัวอโทสะเนี่ยเป็นตัวกลุ่มของอโทสะคือความไม่โกรธที่เป็นตัวนําของนามธรรมทั้งหลายเขาเป็นประธานของนามธรรมเลยนะถ้าเขาเกิดเขาเกิดในฐานะเป็นประธานเนี่ยก็เป็นประธานในฐานะที่ว่ามีความหนักแน่นมีความไม่โกรธความหนักแน่นและความไม่โกรธเช่น ไม่ล่วงละเมิดเป็นปัจจัยแก่การที่ไม่ทําให้กายกรรมวิจีกรรมน่ยเกื่อนกลลกระจัดกระจายหรือสั้นไปในเบื้องต้นนี่นะที่เป็ น, นศีลนาสับแรกในความหมายแรกเนี่ยเขาทําให้ตัวศีลนาเนี่ยไม่กระจายไม่ตัวให้กายกรรมวจีกรรมเนี่ยไม่กระจายกระจายให้สังเกต ด, ดูบอกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าถ้ามีใครมาตําหนิมาด่าใช่ไหมมาด่าเราหรือมาทําร้ายเราเนี่ยที่เราไม่ฆ่าเขาเนี่ยเพราะเราอดทนไนดะ เราอดทนได้แนี่ยความอดทนที่เป็นอาโทสะที่เป็นอาโทสะเจสิกไปทํางานเนี่ยอดทนแบบมีหน้าตาผ่องใสอันนี้เป็นผลภายนอกนะที่แสดงออกมาใจเบิกบานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใจเบิกบานแล้วรู้เหตุผลเพราะว่ากลัวเห็นไหมเหมือนช้างว่าบริษัทมีหลายๆเรื่องที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ยมีหลายเรื่องมากท่านจะ ก, กลัวที่สุดก็คือกลัวว่า ถ้ากายท่านแตกแต่ท่านกลัวศีลงั้นท่านจะแตกท่านกลัวกลัวศีลแตกมากกว่าที่ตอนที่ว่าพวกพูดถึงในเรื่องของกรณีที่ว่าพวกวัวทัต์เนี่ยเวลาท่านถูกประทุษสลายเนี่นะให้ให้สังเกตดูตอนที่ถ้าเล่าเรื่องต่อไปก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของที่ท่านรักษาศีลอุโบสถเนี่ย ในที่ในกรณีที่ท่านรักษาศีลอุโบสถเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเป็นพญาไอเป็นเป็นเป็นพญานาคเนี่ยในในในตอนที่ท่านเป็นพญานาคเนี่ยในขณะที่ท่านรักษาศีลอุโบสถเนี่ยนะถ้าพิจารณาอย่างนี้นะเล่าแบบคร่าวๆดีกว่าคืออย่างนี้ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพญานาคนั้นท่านมีราชสมบัติเยอะพญานาคนี่เนี่ยจำเปรยะนาคราชเนี่ยในในในในนาคภพภพนี่ยเยอะมาก แล้วนางนาคที่เป็นบริวารก็เป็นพันใช่ไหมแล้วกวรท่านไงท่านาก็ไม่สามารถสมาทานอุโบสถได้แม้ความโลค ก, ก็เป็นปัจจัยให้ท่านทุศีนได้ไงหรือท่านเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเดี๋ยวท่านก็จะเป็นปัจจัยก็ทุศีนได้เป็นต้นแล้วก็อันนี้ก็ความเห็นผิดก็จะเป็นปัจจัยแก่การที่ท่านจะทุศีลได้ท่านก็เลยบอกไม่แล้วมารักษาศีนที่อุทยานของท่านนั่งหน้า ก, ก็ตามไปพเนาพนอยท่านโอ้โหไม่ไม่สะดวกเลยไม่ส p a r i แล้ว ท่านก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะที่ไหนนะท่านเดินขึ้นมาโลกมนุษย์ได้เลยมาไปเสร็จท่านก็อาศัยจอมปวกเห็นไท่านก็อยู่ที่จอมปวกงามมากเพราะโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็งามเนะีพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จริงแต่แต่เวลาอยู่ในภพของท่านนี่ก็ท่านเป็นมนุษย์นะเป็นเหมือนมนุษย์นี่นะแต่ท่านงามกว่ามนุษย์นะันนะบุญดูบุ ญ, บญถ้าพูดถึงในด้านของบุญในประวัติการดีกว่า ดีกว่าที่นี่มนุษย์แต่ว่าในปฏินปฏนปฏสนธิการแหละท่านพลาดพราะไปเป็นอบายสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้ตอนที่ท่านไปเป็นปัญญาหน้าท่านก็มาปนจอมปวกต่อมาก็มีมานกเนยที่ไปเรียนมนต์มาจากตกตะกัศิลาเรียนวิชาเกี่ยวเรื่องของหมองูจับอะไรต่างๆหรือเนี้ยท่านลายมนต์ได้แล้วท่านมีโอสถที่เป็นพิษพอมาถึงก็มาเห็นปญาน้าโอ้งามงามปเป็นร็จก็ไล่มนต ขบอตอนที่ไล่ม น, นลมนีไ่ไล่มนเหมือนไอ้ตัวเหล็กแหลมวิ่งแทงในรูหูรูหูพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านขดอยู่บนบนจอมปวกท่านก็ต้องเงยศีรษะออกจากขนดมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะพอเห็นเบสเซตนนะ่ะ ความความโกรธของท่านเนี่ยมันจะเกิดขนาไม่ได้ไม่เกิดเลยนะขณะแรกนี่นะเกิดปุ๊บเนี่ยแต่ท่านจะไม่ให้ความโกรธนั้นเกิดเป็นชาวนะที่สองสามสี่ห้าความเร็วเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยอย่างของเราเนี่ยยังได้ยากถ้ามันขึ้นสู่ชาวนะปุ๊บนี่นะมันปล่อยยาวเปื้อยเลย บางทีเล่นได้ตั้งห้านาทีลืมเนื้อลืมตัวด่าสกราดหมดแล้วนี่นะกลับมาแล้วโอ้ยหายใจหอบบาปไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยนะแต่พระวิษณ์ไม่ไม่ร่วงละเมิดศีลท่านโกรธปุ๊บขึ้นมาท่านสกัดชวนะที่เป็นตัวตัดท่านสูงมากที่เป็นกุศลชาวนะเนี่ยตัดปุ๊บเลยนะพอตัดปุ๊บท่านบอกว่าถ้าเราโกรธศีลแตกทํำลายเนี่ยเมื่อศีล การบำเพ็ญศีลของเราบศีลบารมีของเราแตกทํำลายสมาสัมิทาณก็จะไม่ได้เราก็อย่าดูท่านก็หลับตาแล้วก็เอาหัวม้วนเข้าขนดตามเดิมปวดไหมปวดทรมานไหมทรมานต้องทนเพราะมันถ้าเอาเหล็กแทงเข้าไปในหูะัะทรมานท่านก็ท น, นเขาน้าเข้าก็พรานมโนปนมมาใกล้ๆกับพ้น เขี้ยวโอโสถที่เป็นพิษพ่นราดโอ้โห oh. เหมือนน้ำกรดเหมือนน้ำกรดราดแล้วก็ไอแ้แผลพุพองขึ้นปุ๊บปุ๊บปุป๊ปุปุ ป, ป, ป, ป, ปุตามตัวต้องทนไหมเนี่ยตอนเนี้ยอาโทสะหรือคันตีสังวรเกิดอย่างเงี้ยเกิดเงี้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้อง สะอาดนะตอนนี้ผลท่านจะต้องตรวจสอบศีลของท่านเนี่ยตรวจสอบศีลตลอดเวลามีใครประทุษร้ายเราเราคิดถึงผู้ประทุษร้ายหรือคิดถึงศีลอ่ะคิดถึงศีลไม่ที่ผ่านมาเอาตัวเรา <c oughs> คิดถึงอะไรเพราะเพราะโพธิสัตร์ไม่ต้องห่วงท่านคิดถูกอมาห่วงพวกเราเนี่ยคิดไม่ถูกเขาให่อย่างอมาต้องการให้พวกเราเนี่ยคิดให้ถูก จะได้กลับไปเจริญถูกเวลาไปเจอเหตุการณ์ข้างหน้าเราคิดอดีตเราพลาดมาแล้วใช่ไหมเพราะเราไปคิดถึงบุคคลที่ทําเราแต่เราไม่คิดถึงศีลต่อไปเราให้คิดถึงอะไรคิดถึงศีลตรวจสอบว่าศีลยังอยู่ไหมหากศีลยังอยู่ย่งยืนยงก็ท่องไป <laughs> ใช่ไม้มท่องไปใช่ไหม <laughs> ก็เอาศีลเป็นประการสําคัญอย่าไปเอาใช่ไหมเคยงุนเหลียดกับแม่ไหม อยกับแม่เคยใช่ไหมต่อไปเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าศีลเราเป็นยังไงใช่ไหมเราไปทําสิ่งต่างๆเนี่ยเราไปหวังผลภายนอกเช่นว่าไปทํากับคุณแม่คุณแม่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปทํากับคุณพ่อคุณพ่อต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไปทำกับอาจารย์อาจารย์ต้องปฏิบ like ัติกับเราอย่างนี้ไปทำกับเพื่อนเพื่อนต้องปฏิบัติกับเราอย่างนี้ไปทำกับสามีบุตรภรรยาเขาต้องปฏิบัติกับเราอย่างนี้อย่างนี้ไปทำกับบริวารบริวารต้องปฏิบัติกับเราอย่างนี้อย่างนี้ไปถามพวกพระเจ้าต้องปฏิบัติกับเราอย่างนี้เห็นไหมเราดันไปเน้นผลข้างนอกต่อไปตีลังกากลับใหม่หันหลังกลับใหม่มาด <im mon sis. S 1> ูตัวศีลเราเนี่ยเราทำได้สมบูรณ์ได้ยังตัวเนี้ อันนั้นมันผลโดยอ้อมโดยผลโดยตรงที่ตัวกุศลศีลพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเขาใช้ยังแต่เนี้ยนะเนี่ยประเด็นตรงเนี้ยถ้าไปดูผลภายนอกก็นิยุ่งแล้วเราเราไปเอาผลโดยอ้อมมาเป็นผลโดยตรงผลโดยตรงเป็นผลโดยอ้อมยุ่งเลยแต่เนี้ยเดินศีลไม่ได้แล้วแก่มั้ยมันก็เลยไปให้ความสาคัญกับผลโดยอ้อมมากกว่า โดยตรงที่มันจะเกิดขึ้นในตัวกุศลศีลที่จะเกิดขึ้นจะแข็งแรงขึ้นจะพัฒนาขึ้นเขาใช้ยางแต่เนี้ยต่อไปเวลาเราจะปฏิบัติต่อสามีสามีปฏิบัติต่อภรรยาเนี่ยก็เบียดไปใช่ไหมเราก็ทําเราทําเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อให้เขารักเราหรือเพื่อให้กุศลศีลเราแข็งแรงฮะที่ผ่านมาทางที่ผ่านมา <laughs> ทางที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเนะี่ยโดยมากล้วทำเพื่อให้เขารักเรานะ <Okay. S 1> ใช่ไหมใช่ <Yeah. S 1> เนี่ยมันคิดผิดหรือคิดถูก <Okay. S 1> เพราะว่ามันไปไปมุ่งผลโดยอ้อมเนะเข้าเนะเข้าให้สังเกตที่ช่วยคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นกับกลายเป็นคนเครียดเครียดเครียดเครียดกับกลายเป็นคนแย่ลงแย่ลงแย่ลงทำประโยชน์เยอะแยะเบเศษนี่นะ <Okay. S 1> กับกลายเป็นคนที่ทุกข์สีเอง นี่แปลว่าอะไรเนี่ยต้องกลับหลังหันนีืยังตอนนี้กลับแล้วกลับหันหลังแล้วก็มาดูว่ากลับไปเดินไปใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอะไรดีเป็นบ ท, บทเลยเป็นบทเรียนแต่ไม่ต้องอาศัยบทเรียนนี้บ่อย <c oughs> ใช่ไหมแค่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วจะไม่มีเวลาจะไม่มีเวลาหาบทเรียนอื่นอีกแล้วใช่ไหมแค่นี้ก็เพียงพอต่อการที่เราจะเดินต่อแล้วอย่างนี้นะ ก็พยายามเดินตัวเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนพระวิศารที่ท่านพิจารณาเนี่ยทีนี้พตอตอมไ้เบ็เสร็จก็โดนโดนอย่างเนี้ยโดนยาโอสถที่เป็นพิษนาข้าก็ถูกลากเลยถูกทำลายแลย้วเห็นไหมท่านก็เอาศีลก็ได้ในท่สุดจริงๆก็ไอ้นี้มานบนี่ก็อาไปแสดงในหมู่บ้านใช่ไหมเกาะบอกไอ พญานาคนี้แปลงบอกอะไรนี่เป็นสีนั่นสีนี้ได้ล่ะก็หลอกเอาไปหลอกคนอื่นเขาว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์ไงว่าอา้าวจงเป็นสีเขียวอ่ะก็ประกาศวันเดี๋ยวนะจะทําให้พญานาคเป็นสีเขียวพญานาคกลายเป็นสีเขียวพญานาคคิดยังไงจำเป็นพญานาคก็เลยบอกว่าขอให้หมองูเนี่ยจงมีความสุขฮะ ปราศจากทุกมีใจเบิกบานปราถนาลาบให้ได้ลาบปราถนายดให้ได้ยดปราถนาสารเสริญให้ได้สารเสด็จขอให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถอนี่ให้พรเราเนี่ทนี่ทำได้ั้มมีใครทุกหัวตุ้มขอให้มีความสุขลำบากกันนะเนาะ ันบากไหมลำบากแค่โดนด่านี้แล้วก็โอ้ไม่รู้จะทำไงแต่ที่สุดจริงๆต้องต้องมาไข่ควรจริงๆเพราะว่าศีลเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยท่านก็ทำไปเรื่อยๆนะเข้าที่แรกเี่ยพรานหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเออเนี่ยหมอหูคนนี้ก็คิดว่าได้เงินเท่านี้ก็พอแต่พอไหมคนผ่านความโลภเกิดขึ้นก็ไปเรื่อยๆไม่พอ จนถึงนู้นแหละไปแสดงใหนเวราชานี่ยแหละอย่างที่เราเคยศึกษาไปแสดงให้พระราชาต่อมาก็ไปแสดงพระราชาที่นี่นางที่เป็นภรรยาของท่านเน่ยที่อยู่ในนากก็ดูดูน้ําไงโอ้นี่โดนมองูจับไปแล้วพราะสามีสั่งไว้ก่อนใช่ไหมสามีสั่งไว้ก่อนว่าถ้าน้ําเป็นสีนี้ไปโดนจับไปโดนอะไรโดนหนักโดนแะไรต่างเล่นงานโดนพยาคุณเล่นงานโดนเลยก็สั่งไว้เบ็ดเสร็จนี่เออ เขาบริษัทจะรู้เออจะมีฤทธิ์ไงไปก็เลยออกมาออกมาก็เหาะมานั่นแหละก็มาเห็นสามีของตนเองเหาะบนอากาศร้องไห้บนอากาศตอนนั้นสามีกําลังพยาหนหกํากลังแปลงกายแปลงลายตามหมองอูเขาต่อนหน้า พ, พระที่นั่งอะ่ะแกก็เหลี้ยวไปบนอากาศเห็นภรรยาลอยบนอากาศแกอายภรรยารู้เปล่า ก็ดูที่มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นเนะ่ยท่านบอกว่าถ้าท่านถลึงตามองหมอ ง, งูเนี่ยจะไม่เป็นต่อโกเลยถ้าท่านโกดทนเนียจะเอานครนั้นทันน้งนครนให้พังพิราไปยังได้เลยเผาได้อะฤทธิ์ของท่านเนี่ยแต่ท่านไม่ทำเพราะกลัวศีลท่านจะแตกจะ ท, ท่านก็อายภรรยาก็หดเข้าไปในกรงหดเป็นเศษกระมวนอายพระราชาก็าอีแปลกใจ พอพิจารณาไปพอเห็นโอ้เห็นเห็นเห็นภรรยาด้านก็เลยเชิญมาแล้วก็ผู้จาก็รู้ออ้าหมอ ง, งูไม่ได้มีฤทธิ์จริงนะเลยแต่ก็ประราชทานอะไรให้นะเบ็ดเสร็จก็เลยนี่ก็เลยมาแปลงเป็นมันนอบหนุ่มแล้วก็มาเป้าแล้วก็พากันไปเที่ยวที่นากวีพบแล้วก็ให้สมบัติในนั้นมาเป็นตัวเหล่านี้ แล้วก็แนะนําให้ตั้งอยู่ในทศพิศรร่าจะรมเป็นตัวนี้นะนี่คือคือที่ไปที่มาของการบำเพ็ญศีลบารมีของพระโพธิสัตว์อันนี้ถ้าหากเราจับประเด็นตรงนี้ได้เราก็จะไ ด, ได้ได้ได้ความหมายของว่าพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยไม่โกรธที่ไม่โกรธเนี่ยก็คืออโทสะเนี่ยอโธสะเจตสิกเนี่ยหรือขันติสังวรเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวเกื้อกูลกายกรรมวจีกร ร, วกรรมและมโนกรรมเห็นไหมตัวกุศลศีลมันเดินได้ในลักษณะอย่างนี้นี่คืออโธสะ ถ้าหากในส่วนของสัมมาทิฏฐิใช่ไหมอะนะพิชาความไม่โลภเป็นศีลได้อย่างไรรู้แล้วอะโทสะความไม่โกรธเป็นกุศลศีลได้ยังไงก็คือมาเกลือกูนอยการไม่ฆ่าไ ม, ไม่รักไม่บูดปิดในกามทุกข้อได้หมดเลยนะ น, นั่นก็ไปขยายส่วนตัวปัญญานีา่ยชัดเจนมากตัวปัญญาเนี่ยชัดเจนเกี่ยวในเรื่องของการว่าเรามาพิจารณาดูนะหลายๆ ครั้งที่เราผ่านมาเนี่ยเรานึกว่าปัญญาไม่ใช่ศีลศีลไม่ใช่ปัญญาใช่ไหมเรานึกว่าแยกไงปัญญาศีลก็คือศีลสมาธิก็คือสมาธิปัญญาก็คือปัญญาทีนี้เราก็ไปเชื่อมโยงองค์มรรคกันดูทีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะอยู่ในกลุ่มของกุศลศีลใช่ไหมตัวนี้จัดเป็นศีลสิกขาเลยสัมมาวิมาสัมมาสติ สัมมาสมาธิอันนี้อยู่ในกลุ่มของส ม, มาถะหรือส ม, มาธิศิกขาส่วนสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปรานี่ก็เป็นปัญญาศีล ส, ส ม, มาถาวิปั ส, สนาฉีกเอกแกกันได้ไหมไ ด, ได้ไม่ได้ไดังั้นในข้อปฏิบัติจริงๆฉีกได้ไหมเช่นเราจะเดินปัญญาก่อนเดินศีลทีหลังเดินศีลก่อนเดินปัญญาทีหลังเนี่ยได้ไหมเห็นไหมจริงๆแล้วเขาเกื้อกูลกันยังไงนี่ต้องเข้าใจนะอย่าไปฉีกองค์มาร เวลาเราเรียนหนังสือกันเนี่ยเราจะเรียนเป็นเล่มกันนะบางทีอ้าวเรียนศีลกันก่อนต่อมาก็มันมีสมถะอีกเล่มหนึ่งแล้วก็วิปัสสนาอีกเล่มนึงไปก็หละทางเลยตอนนี้จริงๆแล้วมันเป็นชื่อขององค์มรักนะองค์มรักษแปดอย่าไปฉีกองค์มรักเวลาจะปฏิบัติเวลาจะประชุมสิกขาสามคือศีลและสมาธิปัญญาเป็นต้นอย่าไปฉีกกองจากการโดยข้อปฏิบัติกันไหมไปฉีกได้ยังไง ทีนี้ให้สังเกตดูที่ว่าตัวศีลได้แก่เจตนาตัวศีลได้แก่เจตสิกหกตัวตัวศีลได้แก่สังวรห้มีปฏิโมกสังวรถ้าถามว่าตัวปฏิโมกสังวรคือศีละสังวรนี่ได้แก่ศรัทธานะจะประเด็นให้ถูกในตัวศรัทธาส่วนสติสังวรได้แก่อะไรได้แก่อะไรสติสังวรเนี่ยโหมีหนังสือไปแล้วยังไม่ดูเลยสติสังวรได้แก่ตัวสติใช่ไหม ได้แก่ตัวสติแล้วก็ญาณนะสังวรได้แก่เหตุปัญญาขันติสังวรได้แก่ได้แก่อะไรอัโทสะทก็นี่ไงเป็นเจสิกสินด้วยเป็นขันติสังวรด้วยอันนั้นเป็นอธิวาสนาขันติไงที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมีและเราก็จําเป็นต้องมีนั่นแหละบอกหนาวเนี่ยเป็นเหตุให้ศีลขาดได้ไหม ร้อนมากเป็นเหตุให้สินขาดได้ไหมเห็นไหมหนาวก็เป็นเหตุให้สินขาดร้อนก็เป็นเหตุให้สินขาดสบายเกินไปก็เป็นเหตุให้สินขาดเอาระหว่างหนาวจัดร้อนจัดสบายจัดเนีย่ยอันไหนสินขาดได้ไง่ายถ้าคนที่ไม่รู้คุณค่าของสินขาดหมดเลยใช่ไหมสบายเกินไปก็ทุสินได้ใช่ไหมใช่ในในกรณีอย่างนี้ก็ไปพิจารณาอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่า กรณีที่ขันติสังวรเนี่ยนะตัวขันติเนี่ยตัวขันติเนี่ยก็ตัวอดทนเนี่ยนะให้สังเกตดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตร์เนี่ยท่านจะมีความอดทนสูงมากความอดทนของท่านนะ่ะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึง่งที่ในชาดกอีกเรื่องนึ่งนะในในชาดกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคืออย่างนี้ท่านบอกว่า ในขณะที่ท่านบําเพ็ญบรารมีเนี่ยที่ท่านบําเพ็ญบรารมเีเอานี้เล่าเล่านั่นเรียก่อนนะคือตอนที่ท่านเป็นพยาวานอนเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละมันเชื่อมโยงกันได้ไอ้ตัวคันติอันเนี้ยตอนที่เป็นพยาวานอนที่ตอนท่านได้กินผลมะม่วงพร้อมได้บริวารแล้วต่อมามะม่วงหลุดออกมาแล้วก็ร้อยไปนตนี้นและวพระราชาก็ได้กินรสโอโหวานแล้วต่อมาก็ พากองทหารมานะในั่รา ย, ายละเอียดต่างๆนั่นนะแล้วอยู่ต่อมาก็เกิดที่ว่าที่ท่านเล่าเอง พ, พ, พระเจ้าเล่าว่าเมื่อพระราชามาแล้วเบ็ดเสร็จก็มีการที่จะยิงลูกธนูยิงลูกศรท่านในฐานะเป็นหัวนหน้าจ่าฝูงเนี่ยนะท่านก็โดดโดดจากต้นมะม่วงแล้วก็ที่คอภัยท่านก็ใช้ปากกัดเทวันดึงเทวัน เป็นเชือกมัดที่เอวแล้วโดดโดดกลับมาที่การะยะผิดนั่นแหละพอดีเลยท่านโดดมาก็พอดีที่มือก็คว้าต้นมะม่วงได้กระตึงพอดีเชือกกรตึงท่านก็ตะโกนบอกปริวาณทั้งห้าหกร้อยเลยก็ไดเลยบอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าให้รีบภัยมาถึงท่านทั้งหลายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรา บรรดาบรรดาวานนลิงมาถึงก็โหพยาใช่ไหมทำความเคารพข้ามเหยียบค่อยๆวิ่งไปคำลบข้ามวิงว่งวิง่งวิ่งไเงี้ยก็ลิงลิงที่เป็นพานตัวหนึ่งไม่ทำอย่างนั้นอกตัวสุดท้ายวิง่งขึ้นยอดโมโมงแล้วก็โดดเลยกระโดดลงมา ตรงนั้นก็เชือกเทววันยืดกระดูกท่านนะท่านกบ็บอกพระโพธิสัตว์บอกว่าใจของพระโพธิสัตว์แตกสลายกระแทกกระดูกก็เคลื่อนหมดนะแตกสลายแต่ไม่ปล่อยถ้าปล่อยลิงก็ตาย ถามว่าลิงตัวนี้รู้น้ำใจพระโพธิสัตว์หมว่ายังไงก็ไม่ปล่อยรู้เพราะอยู่ด้วยกันมานานคนฉลาดแกมโกงเนี่ยจะรู้จะรู้มันจะรู้จากคนคนนีย้ยังไงถ้าสัจจะตั้งแล้วมั่นคงถ้าขันติและเต็มที่ชีวิตรักษาศีลและเป็นชีวิตคือคนลักษณะแบบนี้คนชั่วเนี่ยก็จะคิดว่าคนแบบนี้เป็นเหยื่อของเ้าเนี่ยโดยทั่วไปในสังคม แต่ไม่เห็นศีลคุณไม่เห็นสมาธิคุณปัญญาคุณของท่านแล้วก็เดินไปก็ไม่เดินเปล่าๆขยม่มขย่มไปเรื่อยๆกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆแล้วก็จนขึ้นไปแล้วในส่วนจริงมือท่านก็ล่วงตกมานี่ยเลแล้วก็ระราชาก็แล้วต่อมาก็ในกรณีที่ว่าท่านก็สอนระราชาเรื่องเป็นหัวหน้าเรื่องเป็นบุญ น, นําเรื่องคุณธรรมตัวสพิทอะไรต่างๆเหล่านี้ ควรถ้าเป็นหัวหน้าก็รับผิดชอบเอยก็ว่าไปแล้วในที่สุดก็ท่านก็ตายตรงนี้แปลว่าท่านไม่โกรธเห็นไหมขันติเห็นไห ม, หไหมท่านรักศีลของท่านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ถ้าเรามาเพิจารณาอย่างนี้นะ่ะศีลของท่านเนี่ยประเสริฐประเสริฐท่านไม่เสียดายเลยแต่ท่านเสียดายมากถ้าศีลนั่นจะแตก เราลองมาพิจารณาดูในลักษณะอย่างนี้ดูเดี๋ยวถ้าเราจะมีความรู้สึกเสียดายศีลจริงๆรักศีลจริงๆเนี่ยมากกว่าชีวิตขึ้นมาจริงๆแลมันจะเริ่มชัดขึ้นว่าศีลมันสําคัญเพราะเป็นปฏิบัติธรเป็นเครื่องดําเนินของพระโพธิสัตว์เป็นปฏิบัติเป็นเครื่องดําเนินของของคนที่มีบุญ ต, ต้องการที่จะออกจากสงสารและวัด ถ้าเราปล่อยให้ศีนั้นแตกทําลายไปในใจเราเนะืศีลตกจากใจเราเมื่อไหรไม่ดูแลกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเมื่อไหรเป็นต้นเะไเนี่ยแปลว่าชีวิตเราวิบัติเน่ในอนาคตเนี่ยคิดอย่างนี้บ่อยๆสิไครกลวนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆในส่วนจริงๆตัวกุศลศีนแข็งแรงทุกคนแข็งแรงคือถ้าพิจารณาในลกนนนักษณะนี้จะเห็นจะเห็นคุณของศีลว่าที่เราบอกว่าคนนั้นหวังดีคนนี่หวังดีต่างๆจริงๆตัวกุศลศีนที่รักษาเนี่แหละ จะเป็นตัวเกื้อกูลกระแสะชีวิตของเราไม่ตกละกําลำบากอย่างที่บอกว่าในชีวิตที่เราจะต้องเดินทางไปในสังสารวัตเนี่ยอันหาเบื้องต้นและที่สุดยังไม่ได้เพราะเป้าหมายมันยังไม่ชัดเนี่ยถ้าตราบใดเราทิ้งศีลเราวิบัติวิบัติเลยเราจมเลยในสังสารวัตเราจะเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเนี่ยมันเจ็บปวดอย่างทรมานด้วยนะ ไอตต้ตรงนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ตัวกุศลศีรนั่นเองเจะเกื้อหนุนกระแสของชีวิตนั้นไม่ให้ตกไปในใบยภูมิแล้วก็ไม่ให้ตกไปในสังสารวัฏถ้าเราพูดตามศาสต์เขาเรียกว่าปาตีนะแปลว่าตกนะปาตีเนี่ยแปลว่าตกไปตกไปในใบยพูมิก็ตกไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปลญและสุรกายและตกไปในสังสารวัฏเขาจึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นปาตีปาตีปาติที่ตกไปในสังสารวัฏตกไปในใบยภูมินั่นเอง ทีนี้ถ้าไม่ต้องการให้เป็นกลุ่มปาฏิตีทั้งหลายก็เหลือปาฏิโมกสังวรศาษีเป็นต้นเนี่ยก็คือมีมีปาฏิโมกทั้งวรศาษีก็มีเกี่ยวในเรื่องของศีลสังวรมีสติสังวรเป็นต้นอะไรนี้มาประชุมเสียและเรากระแสะชีวิตของเราจะได้ไม่ตกไปในใยภูมิและตกไปในสังสารวัฏและจะได้เป็นปัจจัยแก่ความพ้นทุกเนี่ยนะฉะนั้นในด้านของอโทสานี่คือความไม่โกรธเป็นศีล ลักษณะนี้ประเด็นต่อมาตัวปัญญาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยปัญญาก็ไม่พ้นแก่การไปวิจัยตัวเจตนาเจตสิกนี่แหละวิจัยเรื่องลายเจตนากรรมในส่วนของเจตนากรรมนั้นเป็นไปในส่วนของสาชาตะแล้วก็นานาคณิกะใช่ไหมถ้าเป็นสาชาตะกรรมะที่พูดถึงในเรื่องของเจตนาเจตสิกนี่แหละที่เป็นศีลเนี่ยเจตนาเป็นศีลเจตนานี่แหละทีนี้ตัวศีลเจตนานี่นเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวเจตนาก็มาจัดแจ้งผัสสะใช่ไหม เขาธรรมชาติเขากระตุ้นเตือนชักนำสมัมยุตธรรมนี่จัดแจงภาษาให้ทำกิจของภาษาจัดแจงสัญญาทำกิจของสัญญาในการจำอารมณ์จัดแจงเวทนาทำกิจสเสวยอารมณ์จัดแจงจัดแจงพวกกลุ่มอะโลพะคือไม่โลภจัดแจงอโทสะคือไม่โกรธเป็นต้นนี่ตัวเจตนาตัวนี้เป็นตัวกรรมในขณะที่เขากําลังจัดแจงนามธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบเขาเนี่ยเป็นศาชาตะกรรม เขาเรียกเป็นสาชาตกรรมเขามีหน้าที่กระตุ้นเตือนชักนํำทำที่เกิดร่วมกันกับเขาให้ทํากิจตามหน้าที่ของตนของตนโดยการน้อมรับอารมณ์ทางตาบั่งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้กลุ่มนามาทำเหน่านี้ก็ก็ถูกเจตนากระตุ้นใช่ไหมใช่ทีนี้เจตนานี้กระตุ้นเสร็จแล้วก็ทํากรรมศาสตร์ก็ทํากรรมทางใจทํากรรมทางวาทางวาจาบ้างทํากรรมทางกายบ้าง ถ้าทําออกมาทางใจเรียกมโนกรรมถ้าทําทางกายเรียกว่ากากรรมใช่ไหมทางวาจาก็เรียกวิจีกรรมฉนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมีบ้างไหมที่ไม่ทํากรรมแต่จะทํากรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเท่านั้นเองเอามานั่งฟังทำนี่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมโดยรูปแบบเป็นกุศลกรรมแต่คิดเป็นอกุศลกรรมได้ไหมได้หรือไอ้มีด้วยหรือเขาคิดยังไงมีหรือ มีการคิดไม่ดีต่อพระกําลังแสดงธรรมด้วยเลยเฮ้ยคงไม่มีมัง้ง ไ, ไม่มีะนะเอะแล้วไอ้ทีนะมิท่านี่คิดไม่ดีว่ะบาง <c oughs> ทีมียอมคนหนึ่งครับบอกว่าท่านอย่าพูดเร็วสิถานทำไมพูดเร็วยมฟังไม่ทำเลยหลับเลยก็ <c oughs> บอกเอาแต่โทษพระอีกเ <c oughs> นี่อามาก็พูดชา้า อีกคนนึงท่านพูดช้าจังมันยืดยืดจะยากไงโยมก็เลยหลับเลยไม่รู้าใจใครเลยแบบนี้สรุกแล้วให้มาเป็นอะไรดีเนี่ยโอ้โหมนุษย์ที่ตามใจยากต่อไปเรองจริงนะพูดเร็วบอกฟังไม่ทันไม่ทันก็จะหลับพูดช้าก็บอกมันยืดยากก็จะหลับแล้วก็ทำไงแสดงไม่ไม่ใช่เป็นที่อรรมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมเป็นที่เราแล้ว ไอ้ยมเวลาปกติเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ฟังธรรมะนี่มักหลับไมหมแปลกจริงเออเป็นโรคแปลกนะเนี่ยเคยไปหาหมอดูมัไหม้ำไมหมอตรวจ ด, ดินเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยเป็นโรคฟังธรรมหลับเดี๋ยวหมอก็บอก <c oughs> ดีแล้วยายดีแล้วลุงปกติยา ย, ายลุงนอนไม่ก็หลับอยู่แล้ว <c oughs> เอามาคิดตรงนี้แหละ บางทีมีบางคนนะเขาบอกว่าเทปทีท่มาบรรยายไปฟังก็เขาเองเชื่อตั้งแต่ได้ฟังเทปไม่ค่อยปวดหัวทําาหลับสะดวกขึ้น <c oughs> เอามาแล้วจะคิดบุญยังไงเนอะนึ่งใจเอาจะให้คิดบุญยังไงดีแบบเนี้ยจะให้คิดยังไงเออบางคนก็หลับได้จริงเนี่ยแปลกดีเาฟังแล้วหลับ ก็ท่านพูดแล้วเพิินว่า้นเดี๋ยวเขาเสกันหลับเไไดดนี่ยถ้าถ้ามาบรรยายแบบนี้ยอมเขาไม่ค่อยไปฟังหรอกถามเพราะอะไรมันถามกระตุกเรื่อ ย, อยๆก็ว่ามันไม่ไปเพลินมันไม่หลับว่าไงมันก็ตุกตื่นเรื่อยว่าไงถ้าอย่างนี้หงุดหงิดก็ฟังแล้วหงุดหงิดโอ้เดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้ยากนะยอมนะลําบากเนี่ยถ้ายอมลองไปกล่าวธรรมะเนี่ยลาบากมาก ลำบากในะคนกล่าวทำมาในเวลาไปกล่าวถ้าลองออกมาเดินตามพระสูตรจริงๆเลยเนะ่เดินป๊อปป๊อป ป, ปเดินไปตามเขาสอนนะยิ่งไม่ต้องดูหน้ายอมแล้วนี่ในฟ้าพูดไปเรียบร้อย <c oughs> เออแปลกคนฟังได้ไม่ยาวกุศลเดี๋ยวนี้เราเราชักเดินกุศลกันได้ไม่ค่อยได้ยาวเลยนะอันนี้ภัไภัยมาเยือนเราแล้วนะใช่ไหมเพราะเราเดินกุศลได้บางครั้งไม่ถึงห้านาทีเลย มันจะมีอากุศลแทรกเป็นระยะระยะอันนี้อันตรายแล้วอันตรายตอนไงไอมมาเป็นนึกถึงอานิสงส์ของเมตตาข้อคำว่าอาัมมุนโโหกาลังกาโรตีไม่หลงทําการกิริยาเอเนี่ยมันแววแววจะหลงเหมือนกันนะเนี่ยว่าพวกเราใช่ถ้าปล่อยให้อกุศลแทรกยาวๆเนี่ยมันจะหลงตอนตอนใกล้ตายอ่ะนั้นก็ระวังตรงนี้เนาะป้องกันไว้ตอนที่เราใกล้ใกล้จะดับหรือใกล้จะเปลี่ยนภพชาติเนี่ย จะได้ไม่หลงใช่ไหมถ้าหลงทําการกริยาเนี่ยลำบากเลยการกริยาก็หลงตายอะ่ะหลงตายคนจะตายเพ้อไปทั่วเลยเนี่ยเพราะว่าปล่อยให้อกุศลน่ะแทรกใจยาวเกินไปในชีวิตจริงเนี่ยเพราะการเจริญกุศลเนี่ยเขาต้องดูว่าตัวกุศลเนี่ยเดินได้เดินได้จริงไหมในชีวิตเดินเดินได้ยาวเดินได้ต่อเนื่องสมมติเราเดินเรื่องของพุทธคุณไประยะหนึ่งเบีดเสร็จถ้ามันอุย้ยหมดข้อมูลแล้ว ก็เดินกุศลตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ให้กุศลรองรับไปได้เรื่อยๆใช่ไหมออกจากกุศลประเภทนี้ก็ถ้าไปทํากิจอะไรก็ให้กุศลไปกับมุมนี้ไปเรื่อยเหมือนที่เรามีที่รองรับได้ไว้ทุกจุดใช่ไหมเหมือนเราจะเดินทางเนี่ยแปลว่ามีที่รองรับเปเสร็จอา่าเราจะเดินทางปกติแล้วก็ไปแบบนี้จะไปตรงนั้นกับมีรถไฟฟ้าจะไปตรงนั้นกับนั่งรถเมย์จะไปตรงนั้นกับ น, น, นั่นนนงแท็กซี่อะไรเงี้ยมันจะมีจุดรองรับได้หมด อันนี้เหมือนกันเราจะต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฐานรองรับในการเรินกุศลได้ทุกสถานใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แปลว่าชีวิตเริ่มปลอดภัยเพราะเราเดินกุศล ไ, ได้ยาวเดินได้สะดวกโดยเฉพาะกุศลศีลเนีย่ยเดินได้เป็นวันนะเช่นแค่ศีลในข้อปฏิบัติต่ตางๆเหล่านี้ยเราเดินได้ใช่ไหมแล้วก็ในยามที่เราปฏิบั ต, ติตรงนั้นเบ็ดเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงขึ้นถึงปฏิโมกสังวรศีลคือศีลห้าศีลที่เป็นศีลหลักเราเลยหรือศีลแปดตามที่บุคคลที่จะรักษา แล้วก็สุจริตสามกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็สมาทานไว้เนี้ยเราก็เราก็สมบูรณ์ตลอดเวลาใช่ไหมรักษาได้ด้วยถ้าอย่างนี้ก็แปลว่านั่นชาตเจนที่ในเรื่องของกรรมตัวปัญญาที่ไปพิจารณาเรื่องของสาชาตกรรมะก็ไปรู้เลยว่าตัวเจตนาเนี่ยเขเกิดร่วมกับทำอะไรนี่แค่มาไปเจาะรายละเอียดรู้ด้วยตัวกรรมเป็นตัวเจตนาตัววิริยะที่เกิดร่วมเจตนาก็มีใช่ไหม ความไม่โลภเกิดร่วมกับเจตนาก็ดีความไม่โกรธเกิดร่วมกับเจตนาผัสสะก็เกิดร่วมกับเจตนาเวทนาก็เกิดร่วมกับเวทนาสัญญาก็เกิดร่วมกับเจตนาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหนุนให้เป็นเปหนุนตัวเจตนาเจตนากรรมเจตนาเป็นสาชาตกรรมะธรรมที่เกิดร่วมก็เป็นสาชาตกรรมะปัจจุบันเป็นผลไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็ดูเขาเกิดร่วมกันนั้นในการศึกษารายละเอียด แต่ในกรณีอย่างเราทั้งท่านหลายที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เท่าไรหร่ก็รู้ว่าเจตนาที่เป็นตัวกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตัวเดียวจะต้องมีกลุ่มกุศลธรรม อ, อื่นๆมาเกื้อนหนุนให้สังเกตดูว่าเจตนาแต่ละบุคคลจึงมีปริมาณที่แข็งแรงและอ่อนแอไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะเอาถามว่าเจตนาในการฟังธรรมนี่เท่ากันไหมไม่เท่าหรอกกุศลของคนเราเนี่แข็งแรงหรืออ่อนแอต่างกันไหม บางคนเนี่ยนั่งฟังเนี่ยไม่หลับได้ตลอดเนี่ยฟังได้ต่อเนื่องแปลว่าอะไรเนี่ยกุศลก็แข็งแรงแต่บางคนทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ตั้งใจนี่แหละมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยนั่งฟังเขาทางตามองอะมาอย่างเงี้ยเขาก็กลัวใช่ไหมเขากลัวบาปจะแทะเขาเขาทางตามองอย่างเงี้ยแต่อมามาโดยมองตาลอยๆแล้วเนี่ยอามาก็บอกมันไม่ใช่ใช่ไหม เพราะไอตัวทีน่ามิทาเนะี่ยมันเข้าได้ในะขณะที่ตายังไม่หลับเนะี่ยได้นะมันได้ฉะนั้นเขาบอกว่าเขาให้ตั้งใจไม่ใช่มาตั้งตาตั้งใจฟังไอเราก็ไปตั้งเปิดม่านตาฟังเนี่ยนะ <Okay. S 1> คําสอนเนี่ยมันคงสู่ใจไม่ได้วิ่งเข้าที่ตาที่ไหนแล้วใช่ไหมคนแปลงยิ่งพยายามทางตามองอะต่มาเขา ก, กลัวเขา แต่เมาวะไอ้หนี้ตาล อ, อยแล้วเด็กคนนี้ตาล อ, อยแล้วถ้าเป็นนักกีฬาเขาจับแพ้นะ น, นี่ใช่ไหมตาล อ, อยแล้วไม่สู้แล้วเนี่ยเออเคยเห็นคนนอนแล้วนอนแบบไม่หลับตาไหมนอนเนี่ยลืมตานอนไมออ่มีหญิ ง, งมีไหมยอมมีไหมสังเกตดูยอมผู้หญิงสังเกตยอมผู้ชายนอนใกล้ๆกันสังเกตตอนเที่ยงคืนก็ได้ กลัวเลยใช่ไหมก็คือคนบังคนเนี่ยเขาหลับเนี่ยตาก็เปิดฉะนั้นเขาตั้งใจในที่นั้นหมายความว่าเขาประชุมวิธีคิดอย่าปล่อยให้ความคิดที่เป็นกุศลมันหลุดจากใจถ้างั้นมันจะหลับง่ายมันจะเคยเวลาฟังธรรมเนี่ยเขาคิดเขาวิจัยใช่ไหมมุมต่างๆเหล่านี้คนที่วิจัยตามมุมต่างๆไปเรื่อยๆเนี่ยทีนี้มิท่ไม่ได้ช่องหรอกเพราะเพราะกุศลจินทํางานอยู่เยอะ กุศลจิตที่ทํางานอยู่นั่นนะคือกุศลกรรมนะเจตนาที่ตั้งใจโดยนั้นก็จัดแจงเขาทํากิจของเขาอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเผือใช่ไหมแบบความเคยชินไม่คิดปล่อยเพลินเพลิบบ เ, เ, เ, เ, เ, เดียวแล้วแทบทันทีเลยบาปจะแทรกเป็นระยะระยะเราสติสัมปชัญญะเราอ่อนเย้ไงเราไม่ได้ฝึกเร้ไม่ต้องฝึกนี่วิธีฝึกอามาแนะนํำยังไงรู้ไหมแนะนําบอก อ, อ้าว ย, ย, ยมเอามาไปบรรายอมทํางี้ยอมเทีธรรมะฟังเลย ที่ก็เดินไล่ตามคําสอนนะีที่ถูกต้องนะของใครบรรยายที่ถูกต้องนะีเอาไปฟังถ้าหากไม่ถูกต้องก็ถามกัลยาณนะมิตรที่เขาศึกษาพระธรร ม, มดีว่าเป็นยังไงเนี่ยพระทํามลักษณะนี้นะตรวจสอบไม่เรียบร้อยแล้วเอาไปฟังลองฟังใช้สามียาบทฟังนั่งฟังนั่งฟังถ้ามันจะง่วงยืนถ้าจะยืนถ้าจะจะยืนมันจะง่วงก็เดินฟังเดินทําอย่างนี้นะฝึกดูทม่หนักเข้านะกเข้ามันจะฟังเนียบทเดียวได้ ผมตรงเป็การฝึกหมดเลยในะชีวิตเนี่ยโอ้ถ้าไม่ฝึกเนี่ยไปไม่ค่อยรอดเดียวอันมาที่ต้องฝึกฟังทำนะอานมาที่จะมาบอกเราเนี่ยมาไปฝึกมาเนียฝึกอ๋อต้องทาอย่างนี้จริงๆวันที่อานมาเนี่ยปิดไฟหมดแล้วมาก็เปิดเปิดไปเสร็จก็นั่งนั่งฟังแต่มาจะนั่งนั่งได้นาน น, นั่งไปพอสักพักหนึ่งเกิดเมื่อยแล้วก็จะลุกยืนยืนถ้าเกิดลุ้มแม่ยาบทยืนนี่ไม่สบายย่เลยจิตส่งไปทั้งอื่นเลยค่อยๆเดินเปลี่ยน นเนี่ยก็กลับมานั่งมาแล้วสังเกตดูยาบทไหนที่ที่คู่ควรโ อ, อ้ยาบทนั่งจะสะดวกกว่าแต่ก็ต้องมีการคลายไประยะต้องฝึกด้วยทีเดี๋ยวก็สติสมัชัญยาแข็งแรงทุกคนใช่ไหมมนุษย์นี่ฝึกตนเองได้อยู่แล้วฝึกฝนเพียรพยายามไม่ยากตัวเนี้ยตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมอันนี้เข้าใจในเรื่องของสาชาตากรรมที่เกิดร่วมกันกับกั บ, ก, บ, ก, บกับเจตสิกอื่นๆหรือธรรมะอื่นๆที่ร่วมกับเจตนา แต่หลังจากชาวนะนี้ดับไปแล้วชาวนะนี้มีผลนั้นตัวสีและเจตนาเนี่ยมีผลมีผลมากมีอนิสงส์มากใช่ไหมทีนี้ถามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าตัวเจตนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสิ่งใดถ้าเจตนาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปแต่ทางกายกรรมก็เรียกว่าเป็นเกี่ยวไปกับทางกาย เ, าเรียกกายกรรม ถ้าว่าเป็นเจตนาที่เป็นในอกุศลก็เป็นอกุศลกรรมใช่ไหมถ้าเป็นไปกับกุศลก็เรียกกุศลกรรมดังั้นตัวกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เกิดขึ้นทางกายเนี่ยถ้าหากเป็นไปในส่วนของศีลก็เป็นกุศลเจตเป็นกุศลกรรมและก็กายกรรมที่เป็นกุศลวัชิกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลเป็นศีลเจตนาตัวเนี้ยที่ท่านใช้คําว่าเป็นพีชะทิธากิจเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศลเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นกุศลตลอดเห็นไหมตัวนี้ตัวกุศลศีลเนี่ย ทุกชาวนาะเขามีโอกาสให้ผลตลอดเลยเราอย่าไปคิดว่าการเดินกุศลศีลมันไม่มีผลมันไม่มีอานิสงส์ทั้งผลทั้งอานิสงส์นั้นรองรับอยู่ตลอดเลยแปลว่าเราปริมาณที่เกิดขึ้นนะ่ะไม่เสียแล้วเป็นการตัวกุศลศีลเหล่านี้จะรักษากระแสชีวิตของเราที่เป็นไปในในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็เป็นไปในการต่อไปด้วย แล้วจะมีผลที่เดี๋ยวท่านจะบอกอ น, นิสงฆ์เขาไว้อ น, นิสงฆ์ของกุศลศีล น, นิ่ถาหากว่าเราดูตรงนี้เราจะโอ้เนี่ยตัวตัวปั ญ, ญญาเนี่ยไปไปพิจารณากรรมตัวนี้พิจารณาว่าอากุศลกรรมให้ผลของให้ผลกับความสุขยังไงกุศลอกุศลกรรมให้ทุกเป็นผลยังไงกุศลกรรมให้ผลเป็นทุกเป็นสุขเป็นทุกยังไงเป็นต้นเลยเนี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้เราดูจากคําสอน ดูจากคําสอนเนี่ยถ้าตัวปัญญาเข้าไปวิจัยอะไรไปวิจัยเรื่องเรื่องกรรมด้วยดังที่ได้กล่าววิจัยตัวเจตนากรรมแล้วก็วิจัยก็เรียกเรื่องผลผลของเจตนากรรมเป็นต้นในด้านคําสอนที่ถ้าพิจารณาอย่างนี้นะอดูวิบากถ้าบอกว่าในกุศลแลเจตนานะที่เป็นไปในบาปธรรมต่างๆเหล่านี้นะ ถ้าเว้นจากปาณาติบาตใช่ไหมตัวปัญญาเขาจะไปวิจัยบอกว่าถ้าเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยในคําสอนอาจารย์บอกว่าด้วยอนิสง์ถ้าระงดเว้นจากการฆ่ากุศลที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นจากการฆ่าจะเป็นปัจจัยเป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่อันนี้ไมนีนี่แปลว่าตัวกรรมตัวปัญญาไปวิจัยอย่างนี้วิจัยตัวกรรม ที่เราทําลองลดเว้นจากการฆ่าได้เนี่ยจะเป็นปัจจัยทําให้เราบริบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่บริวัยวะน้อยก็บริบูรณ์อวัยวะส่วนใหญ่ๆก็บริบูรณ์คือในผมก็บริบูรณ์ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในม้ามในไตในตับในหัวใจในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยสิ่งต่างๆในกระเละในสรีระทั้งสิ้นที่เป็นส่วนของกายเนี่ยนะ ที่เป็นที่ประชุมของไม่สะอาดทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกว่ากายทั้งหลายนี่แหละเพราะสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งหลายมาประชุมกันในกายนี้จึงเรียกว่ากายใช่ไหมประชุมกันอยู่ก็เลยเรียกว่ากายเช่นผมที่ไม่สะอาดก็มาอยู่ในที่นี้แหละขนที่ไม่สะอาดเล็บที่ไม่สะอาดฟันที่ไม่สะอาดหนังที่ไม่สะอาดใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อที่ไม่สะอาดหนังที่ไม่สะอาดเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเว้นแต่ที่ไม่สะอาดทั้งหลายมาประชุมกันอยู่ก็เลยเรียกว่ากายยะ แะนั้แต่ว่าของไม่สะอาดเหล่านี้จักบริบูรณ์เพราะการไม่ฆ่าเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่าเนี่ยจะทำให้วัยวะส่วนน้อยๆก็บริบูรณ์แบบน้อยๆคือมันไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็อวัยวะส่วนใหญ่ก็บริบูรณ์เป็นคนมีส่วนทรงไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ไม่กลมก็กลมกล่อมเป็นสมบัติเป็นคนถึงพร้อมด้วยความว่องไวเออแปลกไหม คนที่ทําอะไรค่อนข้างฉลาดและ ว, ว่องไวเนี่ยคือคนไม่ฆ่าคนเห็น ไ, ไหมอันนี้แปลว่าปัญญาต้องไปวิจัยแล้วฟังคําสอนมาอย่างดีใช่ไหมเออบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ฉลาดการยืนการเดินการนั่งเนี่ยเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเพราะอะไระ่ะเพราะไม่ฆ่าไม่ประทุษสษร้ายเข้ามายกตัวยอย่างเลงนะถ้าคนที่ถูกทบถูกตีเนี่ยความคิดการอ่านเขาจะแย่ลงไหมแย่ไหม Yeah. มอแยบางคนถูกทุบสมองสูกตีอะไรเงี้ยฉะนั้นเห็นไหมเนี่ยกรรมพวกนี้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันก็เล่นเราเนี่ยกลายเป็นคนอื่นอาดคิดอะไรก็ช้าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีตาก็าเสียฟันก็เสียแม่พูดอย่างเงี้ยมาไม่ต้องไปยกในตำรายกตัวเองหมดเลยยกเงี่ยนะามาโอยเห็นโทษแล้วเดี๋ยวจะไม่เอาแล้วทีนี้เป็นคนถึงพร้อมด้วยความวุ่นวายเป็นคนที่ เท้าตั้งไว้เป็นอันดีเท้าก็ตั้งดีเป็นคนที่สวยงามด้วยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสะอาดเป็นคนแกล้วกล้าเป็นคนที่มีกําลังมากนี่อานิสงส์เนี่ยเป็นคนที่ก็แปลกอย่างนะเป็นคนที่ที่มีถ้อยคําที่ดีนะเป็นคนที่เป็นที่รักใคร่ของชาวโลกเป็นคนที่ไม่มีโทษ เป็นคนที่มีบริษัทบริษัทก็ไม่แตกแล้าเป็นคนที่ไม่ไม่ขันครั่งต่อต่างๆด้วยคืออย่างนี้ให้สังเกตไหมสมัยก่อนนะเอามาเคยสังเกตว่า้คนบางคนเป็นคนขี้กลัวเกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวเคยเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยแต่สามารถเข้าปู่อยู่ในวงของผู้ผชายได้บางทีเนี่ยเข้าไปในแวดวงของผู้ชา ย, น, ยน่ากลัวนะเช่นไปเออ ไปทํางานมีกลุ่มผู้ชายเยอะแยะเป็เศษแต่เขาไม่กลัวหรอกแล้วเขาปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ไม่กลัวอย่างเดียวแล้วไม่ปลอดภัยนะเพราะว่ากรรมนี่เขาทำปานาธิบาตไม่มีไงเป็นต้นเห็นไหมอา น, นิสงค์ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วถ้าเราไปจับรายละเอียดเนี่ยมาต้องการยกให้เห็นสักข้อสองข้อเพื่อต้องการให้รู้ว่าจริงๆตัวปัญญาเขาวิจัยพวกนี้อย่ปัญญาเขาเข้าใจคําสอนแล้วเขาวิจัยโอ้นี่ผลของการไม่ฆ่านี่เป็นอย่างนี้ผลของการไม่ฆ่าเป็นคนที่ ศัตรูเนะี่ยกำจัดได้ยากคนคิดฆ่าคนคิดกําจัดเนี่ยแคลวคลานหมดเลยนี่คือคือลักษณะของโทษที่ไม่โทษของการที่ว่าไม่ฆ่าศัตรูกําจัดได้ยากจะไม่ตายเพราะความพยายามของบุคคลอื่นพระเจ้าว่าไงใช่ไหมที่พระเจ้าตรัสเลยนะเอางี้ถ้าต้องการดูตัวอย่างที่บุคคลฆ่าไม่ตายเพราะคนอื่นต้องดูพระเจ้าใช่ไหม ที่พระธิดาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอนะนนนท์เนี่ยตถาคตจกไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของบุคคลอื่นนี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ตถาคตศีลบา ร, รมีเต็มแล้วคนศีลบา ร, รมีเต็มแล้วจะไม่ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นพโมกขลานะยังต้องทุบโดนทุบนะเห็นไหมเนียนไม่บริบูรณ์ใคร ใครต้องการไม่ฆ่าไม่ตายเนี่ยต้องสัมมาสัมโพธิญาณใครจะพยายามปะทสุร้ายยังไงอย่างดีก็ทำให้นิดๆหน่อยๆห่อห่อพระโลหิตแค่นั้นแหละนี่ไงคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นอนิสองของปานาติบาที่ของงดเว้นจากการปานาติบาทไหมว่าบริบูรณ์มากใช่ไหมเป็นคนมีรูปร่างสวยเป็นคนมีบริวารมาก อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเห่นไหมไม่น่าจะเกี่ยวข้องบริวารพ่อไม่ไปประทุษลายใครไงเป็นคนมีสวดทรงงามเป็นคนที่มีโรคน้อยเป็นคนที่ไม่มีความโศกเป็นต้นเราเนี่ยนะไม่ต้องพัดพากจากสัตว์และสังขารเป็นที่รักที่ชอบใจแล้วแล้วก็อายุยืนเลยอันนี้คือไม่เบียดเบียน ด, ด้วยนะรวมเบดเสซ็จคือไม่เบียดเบียน ด, ด้วยเป็นต้นเราเนี้ยถ้าหากว่าตรงกันข้ามล่ะทุพันลภาพ หมปัญญาไปวิจัยแล้วถ้าผิดศีลก็แรกเริทุพพลภาพรูปงามไหมอ่อนแอหรือแข็งแรงว่องไวหรือเฉยชาชเป็นคนขี้ขาดไหมหวาดระแวงไมโ้เป็นคนหวาดระแวงอยู่ที่ไหนกลัวก็หมดทำไมถึงกลัวเพราะในสังสารวัฏไปทำเขาเยอะเ<ม>บียดเบียนเขาไวมากแล้วแล้วไงเป็นคนขี้ขาดต่อภัยมากแล้วก็มีสองอย่างนะ ถ้าท่านทั้งหลายทําปนาธิบาตฆ่าสัตว์ฆ่าแมลงฆ่าอะไรนะจำไหมโดนฆ่าตายหรือฆ่าตัวเองตายโอ้อมาแต่ก่อ น, อนมาไม่ไม่เคยคิดเลยนะนมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับมาให้ฟังมาป่วยหนักมากเลยนะนมาเป็นผ้านะมังคิดดูว่าป่วยหนักนอนโรงพยาบาล โอ้ตอนนั้นป่วยรอรอวันตายอะ่ะไม่มาสทัทีโอ้โหโถ ม, มันหนักมากตอนนั้นตัวก็บวมเดินไม่ได้นอนซมเป็นเดือนเดือนแล้วตอนนี้มันแน่นทุกวันทรมานมากต้องทนต้องคลางในใจตลอดนึกในใจรอรออยู่นั่นแหละรอนี่มันนานมากนะการรอวันนั้นเน่นะ ในวันที่เราจะถึงวันนั้นนะตอนนั้นมันมนาจิการพลาดหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันหลงลืมวุบหนึงเลยเนี่ยคิดเรื่องอะไรรู้ไหมจะปีน ล, ลงหน้าต่างของโรงพยาบาลเพราะอามาเนี่ยปรารถนาไม่รักษาและมาถูกบังคับให้รักษาไงอามาก็บอกว่าหมอ ทำไมต้องรักษาด้วยหมออามาไม่เคยเต็มใจเลยนะอนมาต้องการกรับไปไปมาเขาก็เลยคอยปิดไว้เลยคอยดักไว้เลยเนี่ยมาก็นึกในใจทำยังไงนักเข้าพอมันเริ่มปรุงแต่งวิธีคิดผิดมากเนะี่ยอมาคิดคลานออกหน้าต่างอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยโทษของปานาดิบาถินไหมเนี่ยโทษของปานาดิบานะท่านทั้งหลายนเะนี่ย แล้วเราไม่เคยทํามามีไหมในสังสารวัตรถ้ากรรมนั้นมันมาให้ผลเมื่อไหร่มันจะทําให้ความคิดเราวิปนะริตนะน่ากลัวฉะนั้นรีบเจริญกุศลตอนสติสัมปชัญญะดีๆอย่าไปเจริญตอนป่วยจะไปได้ไม่ดีหรอกรีบเล่งได้แล้วเ <c oughs> นี่ยรีบเล่งได้แล้วทํามันเกิดขึ้นกับคนอื่นหรือในตำหรับตาลาอยังก็พออ่านแล้วช่างได้บ้างใช่ไหมอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเห็นชัดเลยอ่ะเนี่ย มีโรคเบียดเบียนมีบริวารก็พิ่นาถเป็นคนมีอายุสัน้นไม่ยืนหรอกนี่คือโทษอันนี้ปัญญาใช่ไหมที่มาวิจัยตรงนี้ใช่ไหมหลังจากฟังคาสอนแล้วก็รวบรวมเมตผลเบ็ดเสร็จแล้วแปลว่าไงกุศลศีลแข็งแรงไว้แต่เนี้ยโอ้โหรอยน้อมกุศลศีลเราจะไม่กล้าเบียดเบียนใครทางกายทางวาจาหรอกแต่นเนี้ยว่ันเบียดเบียนตัวเองในอนาคตหนีอนาคตอันใกล้ในปัจจุบันด้วยแล้วก็ในสังสารวัฏด้วยใช่ไหม เนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างเนี้ยปัญญาก็เดินปัญญาก็เดินแล้วแข็งแรงในลักษณะเนี้ยเนี่ยแค่ในกรณีอย่างเนี้ยถ้าถ้าในลักษณะนี้ก็จะมองเห็นหรือหรืออีกอย่างหนึ่งนะถ้าพิจารณาเนี่ยนะบอกว่าเอาเอาข้อสองนิดนึงในอธินาทานเนี่ยถ้าไปละถ้าไม่รัก มีปัญญาไปวิจัยตัวเจตนากรรมถ้าลรางดเว้นจากการลักได้เบ็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยกระแสของชีวิตไปในพบไหนในเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมากทีนี้มีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็เป็นคนมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ต่างๆเพอาะเพียงอะ่ะพอเพียงขนาดไหนดูบริษัทคือมีถ้าจนว่าไม่รู้จะมียังไงอะ่ะให้ไม่หมดเนะี่ยอันนั้นแปลว่าบริบูรณ์นะนะ ทีนี้เป็นคนที่มีโภคาไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ตัวเนี้ยเราเคยเห็นคนบางคนใช่ไหมบอกโอ้โหรวยรวยจริงๆรต้องยอมรับเขาให้ทานได้ทุกวันอย่างเราเนี่ยโอจะทำได้ตอนนี้มาคิดการให้ทุกวันได้แล้วเพราะเป็นพระเนี่ได้ให้ทุกวันให้จะต้องเจอพระเนี่ยเจอพระก็ให้ทุกวันแล้วเป็นคนที่มีโภคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น คือโพค้าที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะเดี๋ยวก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยเขาบอกเขาทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกลุ่มกลุ่มบุคคลเหล่าเนี้เพราะเขามีโพค้าที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นแล้วเป็นคนที่มีโพค้าที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงในพอคะก็คือจะไม่ไม่ค่อยเจ๊งอ่ะไม่เจ๊งโทษก็งอธิษฐ า, านเนี่ยบางทีมันเจ๊งเรืยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําทําอะไรไปแล้วมันหมดเนี่ยเราโทษอะไรดี กรรมใช่ไหกรรมในปัจจุบันกับกรรมในอดีตมันเกื้อกูลกันไม่ใช่เฉพาะอดีตอย่างเดียวนะบางทีปัจจุบันกรรมเราผิดพลาดเพราะกรรมมีสองส่วนใช่ไหอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมถ้าอดีตกรรมดีแต่ปัจจุบันกรรมไปปิดช่องของกุศลกรรมแล้วกุศลกรรมจะได้จังหวะส่งผลไหมไม่ได้เราเป็นผู้ปิดเองประโยค่าราวิบัติเองนั่นต้องเข้าใจบางทีเราจะไปอ้อนวอนไม่ได้ พอเราไปทำประโยชค์าวิบัติเพี้ยนผิดเนี่ยพอเพี้ยนผิดเลยไปปิดช่องอุปศุกรรมจะได้โอกาสก็ไม่ได้ส่งผลอย่างเงี้ยนะทีนี้เป็นคนมักได้โพคะที่ตนต้องการได้เร็วมากใครเคยเป็นมะคิดอยากได้อะไรแล้วมันเร็วมาก <laughs> ถ้าอางี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย บางทีท่านดําหลีใช่ไหมแค่ดําหลีเนี่ยคนทําให้ล่มเลยโย่นี่คืออะไรเนี่ยกุศลของท่านเพราะท่านไม่ทำมัทินาทานมาในอดีตไงเพราะท่านดําหลีคนก็นั่นให้แล้วคนมีบุญทั้งหลายลองคิดดีเราท่านดำหลีให้ใครได้ยืนหน่อยวิ่งทําให้หมดเลยมามานี่ดําหลีทับแย่ไม่เห็นได้ผลเลยเลยดําหลีแล้วก็ต้องนั่งรอหาอากาศยืนนั่นแหละใช่มไม่ไ ม, ไม่ทำไมก่อนเนี่ยนะ ตัวเราตลีอะไรไม่เคยได้หรอกนี่แปลว่าอะไรเมกพูดถึงตรงเนี้ต้องยุ่งหลายอย่างให้ชืน้นงานออมาเนี่ยปานาฏิบาตก็ไม่ค่อยก็งดเว้นจากปานาฏิบัตก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใน ด, ดีเนี่ยนะอาทินนาทานก็ถ้าจะไม่ธรรมดาเหมือนออกมาเนี่ยแต่นี้ก็เป็นคนที่มีโพค้าไปทั่วไปนะก็คือว่า พระราชาก็ดีโจรก็คือว่าพระราชาก็ไม่ลิบคือถ้ามีทรัพย์แล้วไม่ถูกยึดไม่ถูกยึดทรัพย์คนมีทรัพย์แล้วถูกยึดทรัพย์เพราะโทษของอธินาทานคนมีทรัพย์แล้วถูกโจรปล้นเนื่อเพราะโทษของอธินาทานมีทรัพย์แล้วน้ําท่วมนื่นอโทษผลของอธินาธานเนี่ยเราเราเราเราทำผิดข้อนี้ไว้นะไฟไหม้แล้วก็ คนที่เป็นญาติใช่ไหมยังไม่ทันจะให้เลยเ้าไปก่อนเ <c oughs> นี่ยพวกนี้ก็คือว่าเกี่ยวในเรื่องของผิดเนี่ยนะญาติที่ไม่เป็นที่รักเน่ะบางทีเราไม่อยากจะให้เขาเลยเนี่ยก็ต้องโดนกลุ่มบุคคลเหล่านี้เอาไปแล้วเป็นคนที่มักจะได้ทรัพย์อันไม่ทั่วไปนะเป็นคนที่มีทรัพย์ที่สูงสุดกว่าโลกด้วยแล้วก็เป็นคนไม่รู้จักความเป็นผู้ที่ไม่มีสมบัติด้วย แล้วเป็นคนที่มีความอยู่สุขอยู่อย่างสุขสบายนะแต่ถ้าตรงกันข้ามด้อยทรัพย์ยากจนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ต้องการต้องพินาศด้วยการค้าการลงทุนทั้งหลายแล้วก็ถึงทรัพย์จะมีก็พินาศไปเพราะภัยต่างๆจากราชภายัยโจราภายัยอุทกภยัยอาคีภยัยตรงต้นเนี้ยนะี้แล้วเป็นคนที่มีค่าศึกษตโตมากอลไรต่างๆ ฉะนั้นตามในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเป็นผลของการผิดศีลข้อที่สตรงนี้ปัญญานั่นแหละก็จะไปวิจัยเมื่อปัญญาไปวิจัยรู้ข้อมูลเบ็ดเสร็จอย่างนี้แปลว่าหนึ่งเห็นโทษของความทุศีลสองเห็นอนิสงค์ของการมีศีลเบ็ดเสร็จที่มันชัดเจนยงนี้เบ็ดเสร็จก็ใจก็น้อมเห็นความ เจริญของกุศรศีลนั้นะตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสมมาอาชีวะโดยอานาพิชาอภยาบาทตัวสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเกื้อกูลใช่ไหมไปพิจารณาในการที่จะค่อควรพิจารณาก็เห็นกรรมเห็นผลของกรรมทั้งปัจจุบันกรรมทั้งอดีตกรรมที่จะเชื่อมโยงกันแล้วให้ผลเป็นไปในอนาคตอย่างไรถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวปัญญานั่นแหละที่มาอยู่ในฐานะเป็นศีล เมื่อปัญญาพิจารณาเบ็ดเสร็จแล้วปัญญาก็มาเกื้อกูลให้กายกรรมนั้นไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกรรมมาเกื้อกูลวจีกรรมไม่ให้พูดเทศส่อเสียดคำหยาเพื่อเจอเกื้อกูลให้ใจนั้นไม่โลภให้ใจนั้นไม่โกรธให้สัมมาทิฏฐิเดินในกระแสของชีวิตได้อย่างต่อเนื่องถ้าในลักษณะอย่างนี้แปลว่าอะไรตัวสัมมาทิฏฐิไม่อยู่ในฐานะเป็นศีลเข้าใจยังว่าปัญญาเป็นศีลอย่างไงเพราะปัญญาไปพิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรม น, นี้ก็ ก็เป็นไปในลักษณะนี้เห็นไหมว่าตัวตัวศีลเนี่ยจกเดินได้ค่อนข้างที่ไม่ผิดรูปผิดทางเนี่ยเพราะตัวสัมมาทิฏฐิตัวสัมมาทิฏฐิตรงนี้พักได้หรื อ, อยังพักได้แล้วเนาะพักกี่นาที เ, าเดี๋ยวพบกันสามโมงครึ่งคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ท่านที่ได้ลงชื่อขอปริเฉษหนึ่งไว้เมื่อข่าวที่แล้วนะคะช่วยกรุณาไปรับด้วยนะคะ ขออภัยค่ะท่านได้รับใบอุทิศส่วนกุศลอยู่ข้างหน้ารับกันมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะสองชนิดนะคะอุทิศส่วนกุศลอธิษฐานกับบารามีค่ะค่ะสวดบารามีสิมีท่านใดไม่ได้รับค่ะ ฮะคุณคุณแมงกำลังแจกที่เป็นบารมีค่ะที่เป็นสวดบารมีอะค่ะท่านใดยังไม่ได้ค่ะ อ, อนุญาตเช้าค่านิมนต์ท่านอาจารย์เราเลิกเวลา17บเนาฬิกานะคะค่ะ5้าโมง นะคะกรุณาปิดมือถื อ, อเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวสวดมนต์กันสักหน่อยดีนะก่อนจะศึกษาพระธรรม ธานะปารามิสัมปันโนฐานะอุปามิสัมปันโนฐานะปารามัปารามิสัมปันโนเม ตามตรีกรุณามุทิตาอุเปคาปามีสัมปันโนอิติปิโสบคาวาเศราปารามีสัมปันโนราอุ ปาปารามิสัมปันโนเสราปารามาาปารามิโนเมตตาไมตรีกรุณามู้ที่ตาอุเปกขา มิสามปันโนอิติปิสมะคะวะเนคามมาปารามิสามปันโนคามมาอุปปารามิสามปันโน ขามาปรามทปารามีปัณโนเมตตามัยตรีกรุณาอุเปคาปารามสามปัณโนอิเปิโสมาว ปัญญาปารามิปัณโนปัญญาอุป a ปาลามิสามปัณโนปัญญาปรมาตาปาลาสามปัณโนเมตตามัยตรี รูณาโมติตาอุเปคาบาลานปัณโนอิติปิโสมฆาวะวิริยาปารามิสัมปันโนวริยาปารามิ สัมปันโนเวริยาปารามธปาลมสัมปันโนเมตตามตรการุณามุติตาอุเบกขาปามีสัมปันโนอิติปสุมาคะวะ คันเตปารามสามปานโนคันเตรามิสามปันโนคันเตมาตาปารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณา อาุเกปารามีสมปันโนอิติปิโสมควาาจปาลามีปันโนสาจอุปปาลามี โนสะจามารามตปบาลามสามปันโนเมตตามตริกรุณามอุเปขาปารามสามปันโนอิติปิสมะคาวา นาปารามิสัมปันโนอาทินาอุปารามิสัมปันโนอาทิตทานาปารมาตาบาลามปันโนเมตตาไมตรีกรุณา ตาอุเปฆาปารามิสมปันโนอิติปิสมะกวาตาปารามิสามปันโนเมตาอุปปาราสมปันโน ตาปารามตาปารามิเมตตาไมตรีกรุณหโพธิตาอุเปคาปารามิปัณโนอิติปิโสภะคะวะเอคาปารามิ สามปันโนเปกขาอุปาปาลาสามปันโนเปกขาปารามตาปาสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปาราม สัมปันโนอิติปิโสบากาวาบารามสัมปันโนอุปปารามสัมปันโนอะระตปารามสัมปันโน ตาไม่ติดุมติตาอุเปกาปลานสามปันโนอิติปิสมัควะพุทธังสารนังคัจจามิดัมมังสารนังคัจจาม สังฆ า, าระนาหจฌานนามาตสาธุสาธุสาธุ <c oughs> การที่พระผู้มีพระภาคเจ้านะได้อุบัติเกิดขึ้นมานี่ท่านกล่าวไว้ในคำสอนท่านบอกว่ากุลรุตรกุลธิดาผู้ประพฤติเอื้อเฟือ้อดเกิดแล้วในขณะที่9เป็นผู้ทรงสุดตะนะ ฟังเพื่อทำทรงสุดตาก็คือศึกษาฟังคําสอนมาเป็นอย่างดีแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์บริสุทธิ์ได้ดีคําว่าอินทรีย์บริสุทธิ์ได้ดีแปลว่ามีตั้งแต่ปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลนะอาชีวะปริสุทธิ์ศีลแล้วก็ปัจจยสันนิทสิสศีลเห็นสังสารวัฏโ ด, ดยความเป็นภัยเห็นพระนิพพานกระทําความสิ้นพบว่าเป็นที่ปลอดภัยเป็นแดนเกษม บูชาอยู่โดยชอบซึ่งพระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงหนทางที่นำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงพระนิพพานคือการดับทุกข์เป็นต้นได้ตามเหตุตามหนทางคือมัชฌิมาปฏิวตาก็ต้องยังพระนิพพานอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นให้สำเร็จตามลำดับแห่งการเจริญใช่ไหมผู้ทานนุสติอย่างเราท่านทั้งหลายมาศึกษาศีลบราบรมีของพระพุทธเจ้าด้วย แล้วก็ต้องการที่จะเจริญพุทธคุณในข้อนี้ด้วยแล้วก็ต้องการจะเดินศีลประชุมกุศลศีลเข้าสู่ในกระแสะชีวิตของเราให้ได้ด้วยคำว่าชาโตโยเนี่ยกุลบุตรเนะืหรือกุลธิดาผู้ประพฤติเอื้อเพือ่อใดเกิดแล้วกุลบุตรผู้ประพฤติเอื้อเพือ่อคนใดคือผู้เช่นใดเป็นผู้มีศรัทธาเนี่ยศรัทธาในที่นั้นและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วนะ ฟังทำรร ม, มีศรัทธาสัจทินรีเกิดขึ้นแล้วเมื่อศรัทธาเกิดแก่กล้าศรัทธาเป็นปัจจัยแก่วิริยะใช่ไหมวิริยะก็เป็นปัจจัยแก่สติสติก็เป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญญาก็เอื้อเฟื้อต่อต่อศรัทธาศรัทธาและสมาธิตีเกิดขึ้นแล้วในประเทศที่สมควรในมนุษย์โลกคําว่านาวเมคะเนขณะที่9้าเชื่อมความอะไรกุลบุตร คนใดเกิดแล้วในขณะที่เก้าที่เว้นจากขณะแปดขณะแปดขณะคือเราพ้นแล้วตอนนี้เนาะพ้นหรือยังเนี่ยการไปเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นหรือยังไม่ใช่ที่ผ่านมาตอนนี้เราพ้นยังเฉพาะชาติเนี่ยพ้นหรือยังพ้นแล้วชาตินี้นะไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรกไม่ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดรอยังตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์นรก ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเปรดวิสัยและก็ไม่ได้ไปเกิดในรูปภูมิสีแล้วนะสนะและอะไรกันเนี่ยไม่เกิดอยู่ในอรูปภูมิไม่เกิดเป็นอสัญญาสัตตภูมิไม่เกิดในปัจจันต์ตาชนบทหรือปัจจันตตประเทศประเทศที่พระธรรมมาจากของพระบรมศาสดาแผ่ไปไม่ถึงใช่ไหมศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณพระเจ้าที่แผ่ไปไม่ถึงอะ พระตรปิฎกอันต่างด้วยพระวินัยยาปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระวิทามปิฎกเดินไปไม่ถึงนะธรรมจักรของพระเจ้านั้นแผ่ไปไม่ถึงเกิดในปัจจันตประเทศปัจจันตชนบดีนี๕บกพ่องของเราตาบกพ่องไหมตาเอ้ยหูเอ้ยจมูกเล่นกายย่อไม่บกพ่องนะปัญญาล่ะบางคนเนี่ยศรัทธาของอ่อนแอนะอ่อนแอมากๆ วิริยะก็อ่อนแอบสติก็เลืงเลือนเลอะใช่ไหมสมาธิก็เป็นคนโง่คนขาวเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเราพอที่จะเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ฟังพระธรรมของพระบรมศาสดาเป็นต้นได้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงไหมไม่เป็นใช่ไหมไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงไม่ได้มีความเห็นวิปริตอย่างรุนแรงอย่างชนิดที่ว่าไม่น้อมที่จะมาฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประทานอมตะคือพระสัตวธรรมนะ เขาบอกว่าถ้าขณะทั้งแปดก็คือว่าเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไออารูปและอสั ญ, ญีเป็นต้นปัจจันตประเทศอินทรีย์บกข้องมีอินทรีย์ห้าเป็นต้นไม่บริบูรณ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อุบัติเกิดขึ้นในขณะทั้งแดนั้นเราพ้นแล้วในชาตินี้แปลว่าตอนนี้ เราไม่ได้เป็นสัตว์นรกเราไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจานเราไม่ได้เป็นเปิดเป็นเปลืเราไม่ได้ไปอยู่ในปัจจันตชนบทเราไม่ได้เกิดเป็นอสัญญาสัตว์เป็นต้นหรือรูปภูมินะแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่ศรัทธาก็ไม่มีวิริยสติปัญญาก็ไม่มีเนี่นะเป็นคนโง่คนเขาคนเซส้นนี้ไม่ใช่และไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงและตอนนี้พระบรมศาสดาก็อุบัติเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าขณะทั้ง8นี้เราได้แล้ว เมื่อเราได้ในขณะทั้ง8ดเนี่ยเราก็มาได้เป็นสุตตะธโรก็เป็นผู้ที่ทรงสุตตะเนาะกุลบุตรกุลธิดาฟังพระธรรมวินยัยศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาที่พระบรมศาสดาทรงกล่าวทรงแสดงแล้วทรงจําพระธรรมวินยัยที่ตนฟังมาแล้วด้วยใจนะที่ท่านภาษาลีบุตรกล่าวไว้อย่างไงบอกภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเท่าไร คือเป็นผู้ฟังมากฟังมากต้องฟังสิ่งที่ถูกด้วยนะไม่ใช่ฟังเลอะเลือนไปทั่วเข้าไปก็เปิดวิทยุฟังทุกฐานนี้เลยอย่างนี้ฟังมากเพราะว่าโอโยมฟังทำมาตั้งแต่เด็กนะท่านว่าไงถามว่าฟังตรงไหนยอมฐานนี้ไหนมีฟังหมดยุ่งเลยแต่เนี้ยนะต้องเลือกไหมต้องเลือกที่เป็นพระสัทธรรมที่พูดถูกต้องเลยเนาะอันไหนที่มันไม่ถูกก็รีบบิดหนีเนะ่ ฟังที่มันถูกอา้าวใครจะบอกเรากะถูกหรือไม่ถูกอ้พระพุทธเจ้าบอกก็ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเสียเราจะได้ฟังถูกเนาะกุลบุตรนั่นแหละเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายมีความงามในเบื้องต้นศีนเป็นความงามในเบื้องต้นไหมสมาธิเป็นความงามในตั้มกลางปัญญาเป็นความงามในที่สุดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมศีล ส, สมถาวิปัสสนาเป็นความงามในเบื้องต้นมรรคผลเป็นความงามใน ท่ากลางพระนิพานเป็นความงามในที่สุดนี้ก็ได้นะฉะนั้นนั่นแหละฟังความงามก็หมายความว่าศึกษาฟังวธฒน์ ท, ทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดถึงพร้อมด้วยอัตถาและบญพยัญชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงอย่างครบถ้วนสแสดงพรหมจารันบริสุทธิ์แล้วจําสาธยายได้คล่องปากไดนะ้จำได้สักส่ตรนี่ยังนี่สงสาธยายธรรมจากกันดูมัน มัใส่ไม่เป็นเลยเดี๋ยวเอาไว้งวดหน้านะเนาะอดี๋ยพูดเป็นงวดเดี๋ยวเป็นหวยอีกไม่เอาเอาไว้โอกาสหน้าอามาเจ้พูดตามโยมก็อยู่เรื่อยเลยงวดหน้านะท่านเอามาก็ไม่รู้แต่ก่อนมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมมีคนก็พูดกันงวดที่ออกเอ๊ะเหงงวดที่ออกนี่มันอะไรเนี่ยเอาหวยเนี่ยเสร็จเลยงั้นคําว่างวดหน้านี่มันเป็นภาษาหวยเขาไม่ดีนะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามี เ, เนี่ยกรณีแสดงธรรมันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะสาธยายคร่องปากเพ่งขึ้นเพ่งขึ้นใจแล้วก็แทงตลอดได้ดีด้วยส ม, มาธิฏิภิกษุเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะคำว่าสุดตาวตรโรเนี่ยท่านแสดงถึงใครแสดงถึงกัญญาณบุรุชนเนาะบุรุชนมีสองใช่ไหมอันทาบุรุชนกับกัญยาณบุรุชนเราต้องเป็นกัญยาณบุรุชนนะพระพุทธโคศะท่านแสดงไว้ไง พระผู้มีพภาคเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระทิศได้ทรงแสดงปุถุชนไว้สองประเภทนะอันทั้ปุถุชนประเภทหนึ่งกัลยาณ์ในปุถุชนประเภทหนึ่งในปุถุชนทั้งสองประเภทนั้นปุถุชนใดไม่มีโยนิโสมนัิการในการเรียนในการสอบถามในการในพระธรรมทั้งหลายอันต่างด้วยวันหนึ่งเรามาถามเรื่องขันบ้างไหมเรื่องรู ป, ประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขัน เรื่องจากขวาญานาะรูปายาธนาะโสตาญานาะสัทธาญตนะเป็นต้นเห็นไหมไล่ขันห้าญาณะสิบสองธาตาุสิสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสม บ, บัติอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะก็สอบถามศึกษาเล้วเ ร, เรียนเรียนเรื่องศีลไงมาสอบถามเรื่องศีลถามเรื่องเจตนาศีลถามเรื่องเจตสิกศีลจะถามเรื่องสังวรศีลถามเรื่องอวีติกรรมศีลศีลคือมีการไม่ก้าวล่วงเป็นอย่างไร การสอบถามในเรื่องของศีลเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาเป็นต้นเหล่านี้ถ้าไม่มีการสอบถามเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ประชุมลงในอริยสัจยังไงส่วนไหนเป็นทุกขสัจจะควรกําหนดรอบรู้ส่วนไหนเป็นสมุทัยสัจจะควรละส่วนไหนเป็นนิโรธสัจจะควรทําให้แจ้งส่วนไหนเป็นมรคสัจควรเจริญศีลเป็นสัจจะอะไรศีลที่เรียนเป็นสัจจะอะไรเอาแล้วสารวันทีย่ยลงนะะ เอาเลยศีลเป็นสัจจะอะไรอาศีลเป็นสัจจะอะไรศีล ส, สมถาวิปัสนาเป็นสัตสัจจะอะไรเนี่ยไหมถ้าศีลที่เป็นปุปปภากนะก็เป็นมรรคสัจจะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็พลอยเป็นทุกขสัจจะไปด้วยนะอย่าลืมเนะีแต่จริงๆแล้วเป็นสัจจะที่ควรจเจริญไหมควรจเจริญศีลควรจเจริญใช่ไหมพวกเราไปเอา ศีลมาควรละฉั้นจึงได้เป็นแบบนี้บางคนอย่าเพิ่งรักษาศีลเลยแปลว่าอะไรเดินซาจ่าผิดไหมผิดแล้วศีลควรเจริญควรอบรมควรทําให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตใช่ไหมควรทําให้เกิดตลอดนึกเป็นพักๆนั้น ต, ต่อไปเลิกคิดศีลเป็นพักๆบอกไม่เอาแล้วถ้าใครมาชวนให้ศีลเราขาดบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณทําให้ศีลเราเดินไม่ได้ ตอนนี้เรากำลังเดินติดเครื่องกุศลศีลอยู่ใช่ไหมตอนนี้โโนกุศลศีลกาลังติดเครื่องแล้วอย่าไปดับเครื่องอย่าไปดับเครื่องกุศลศีลถ้ามันไม่มีน้ํามันก็ใส่น้ํามันเข้าไปใช้ใส่ข้อมูลใช้ใส่ข้อมูลใส่ความเข้าใจเข้าไปแล้วก็ start. สตาร์ทศีลก็จะเดินปุ๊บปุ๊บปุเหนื่อยตลอดเลยดีไหมถ้าใครจะทําให้ศีลเราดับแล้วก็บอกไม่เอาไม่เอา ตอนนี้ศีลเรากําลังเดินอยู่นะเห็นไหมผลโดยตรงคือดูที่ศีลว่าเดินอยู่ไหมใช่ไหมผลโดยอ้อมก็คือมีคนลักมีคนชื่นชมยกย่องอย่าเอาเป็นเอาผลโดยอ้อมมาเป็นผลโดยตรงบางทีเราไปหวังไงเราประพฤติปฏิบัติดีกับคนนี้เพราะเรามีเจตนานศีลเจสิกศีลเป็นต้นเหล่านี้คนก็จะต้องทําดีตอบเหล่านี้เราไปหวังผลโดยอ้อมผลโดยตรงก็คือคอยตรวจสอบว่าศีลนั้นไม่ดับ ยังไงกุศลศีลมันเดินได้จริงมันเกิดขึ้นได้จริงในกระแสของชีวิตเนี่ยนะในจิตใจแล้วก็ทํากายกรรมวจีกรรมให้เป็นศีลเป็นไปอย่างต่อเนื่องดีไหมไม่รักษาศีลอยู่ขนาดเดียวคือหลับตเต้นขึ้นมาก็เดินศีลต่อเลยตลอดเลยดีไหมถ้าเป็นไปอย่างเนี้ยชีวิตลุ้งเรืองมากแม้หลับก็เชื่อว่ารักษาศีลแม้หลับก็เชื่อว่ารักษาศีลเดินสิเดินกุศลศีลให้เป็นถามไปทําอะไรก็ให้กุศลศีลเดินอยู่ตลอดเวลาเลย ไม่ทําให้กุศลศีลหยุดเดินทําได้ไหมก็สมาทานตั้งใจให้บ่อยๆแล้วก็มรสิกานบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆใคร่ครวญบ่อยๆพิจารณาให้ข้อมูลเยอะๆข้อมูลที่ถูกนะไม่ได้คิดแบบฟุง้ง <c> ซ <oughs> ่านแล้วคิดแบบฟุง้งซ่านศีลก็ไม่เดินกุศลศีลก็ไม่เกิดฉะนั้นกุศลศีลเนี่ยเกิดไม่ยากถ้าเราเข้าใจไม่ตั้งโยนิโสมมรสิการให้ชัดฟังว่าทําให้ชัด แล้วก็ให้เข้าใจในเรื่องของศีลเป็นกระบวนการให้ชัดเลยทั้งเจตนาก็เข้าใจอะไรจะเป็นปัจจัยแก่เขาอะไรจะเป็นปฏิปักษ์ต่อเขากิตของเขาคืออะไรเดืยดต่อไปศึกษาใช่ไหมอะไรเป็นกิตอะไรเป็นลักษณะของศีลอะไรเป็นกิตเป็นการงานเป็นหน้าที่ของศีลอะไรเป็นผลปรากฏของศีลอะไรเป็นเหตุกลร์เหตุกลรของศีลก็ไปดูให้ชัดแล้วก็เท่าเข้าใจให้ลึกซึ้งตรงนี้เบเสร็จแล้วก็ใข้ครวรเลยใข้ควรตัวกุศลศีลนี่มันก็เดินได้จริงในชีวิตใช่ไหม ทีนี้ถ้าเดินได้จริงในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าตอนไหนศีลมันหยุดเดินก็คอยสังเกตคอยไข้ควรแล้วพิจารณาไปนี่ผลโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบว่าศีลแข็งแรงขึ้นไหมเดินได้คล่องแคล่วไหมอย่างนี้อยู่ตรงนี้จะไปเรียนพระธรรมเนี่ยก็อย่าลืมเอาศีนไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอคนว่าไม่ดีก็โกรธกลับมากลับฟัดกลัเฟียดไม่ไปเรียนอีกแล้วตรงนั้นไม่ดีอะไรต่างๆหรือใช่ไหมเอาเป็นอย่างนั้นนะ บางทีเขานั่งเขาเดินทช่ไหมดีนะั่นเาไม่ทําวิจัยกันแต่เขาทาวิจัยกันขึ้นมามีการออกแบบสอบถามขึ้นมาคนที่ขัดแย้งกันมากที่สุดคือคนศึกษาว่าทำแล้วยุ่งเลยใช่ไหมแ <laughs> สดงเอศีลอะไรออกมาเป็นอย่างเนี้ใช่ไหมอยาให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมศีลต้องได้ความสงบกายสงบกายสงบใจใช่ไหมกายวาจาใจต้องสะอาดที่ศีลเนีนะ่ยทต่เนี้มันเพ่นพ่านไปทั่วเลยเะไรต่างต่างเหล่านี้ หความโกรธมันเข้ามาแทรกแล้วก็รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วว่ามันเป็นตัวตัดรากของศีลคือมันอย่างนี้มันเหมือนอย่างนี้ว่าตัวน้ํามันรถนะสังเกตดูไหมถ้ามันมีอะไรมาแปดเปื้อนมาปนมันจะไม่ได้เรื่องและเครื่องนะเข้านะเข้าเดี๋ยวเสียเดเดินไม่ได้หรอกฉะนั้นน้ํามันมันต้องดีไอกรณีนี้เหมือนกันถ้าตัวตัวศีลที่มันคล้ายๆศีลแต่มันไม่ใช่ศีลเนี่ยต้องระวัง เช่นเรกว่าเป็นศีลเช่นเราก็รักษาแล้วก็สมาทานเดี๋ยวเราก็เครียดทั้งวันเราก็กังวลด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงด้วยแล้วก็ออกสมาทานศีลใครแตะต้องก็ไม่ได้ใครว่านิดหน่อยก็โกรธอะไเงี้ยนะอันนี้สังเกตนะไม่ใช่ศีลแล้วไม่ใช่ศีลแล้วรักษาศีลมาทั้งงานบางคนขี้งดหงิดหน้าดูเลยอะพูดจาก็หยาบคายใช่ไหมเราบอกว่าเราหวังดีนะเนี่ยเหมือนมาแต่มาสมัยก่อนเนี่ยมาเรียกว่ามามีศีล สอนนักเรียนเนี่ยมากโกรธเขาตอนนั้นเน่สอนพระสอนเดี๋เนี่ยมาไม่ได้ไปสอนโยกสอนพระสอนเดี๋ก็กโกรธท่องไม่ได้มาก็บังคับเขาแล้วก็ว่าเขาแรงๆนะบางทีอัเนี้ยว่าเขาแรงๆเอ๊พอ ม, มาตรวจสอบมาพิจารณาดูเองนี่ผิดแล้วเนี่ยที่ไหนได้ทําตัวเป็นพัดลมอยู่เดินเป่าคนอื่นเย็นตัวเองร้อนแะบตายไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยไม่ไม่มีสี ใช่ไั้ยย่งเย็นไม่มีศีลเข้าใจยังที่เนี้ยศีลมันต้องกายสะอาดวาจาและใจสะอาดมันต้องเย็นไม่ศีลเนี่ยศีลศีละะเย็นด้วยนะมีสภาวะเย็นด้วยนะสภาวะเกษมเป็นต้นด้วยศีลนั่นเป็นศีระก็ได้ใช่ไมศีสะคือเศียรเนี่ยตัดศีสะแล้วแขนเดินไปได้ไหมแขนก็กระดืบกระดือบไม่ได้ขาก็เดินไม่ได้เอาไยว่าสืออื่นตายหมดม ตายหมดถ้าศีลแตกศีลทําลายแล้วไม่ต้องไ้คุณธรรมอื่นอนืหายหมดไม่มีเหลือฉะนั้นเดินศีลให้ได้เบื้องต้นเนี่ยถ้าเดินศีลไม่ได้อย่าเพิ่งไปเอาอย่างอื่นเอาได้ไงใช่ไหมคุณธรรมอื่นก็พังพินาศหมดไม่ไปไม่รอดกุศลศีลต้องได้ไม่ใช่ว่าโอ้คุณธรรมศีลอาไว้ทีหลังเอาปัญญาก่อนบางอะไรวางไปใหญ่เลยศีลต้องดีพระเนี่ยเมื่อนามาเหมือนกลุ่มม า, มาลองดี ลองจะมาทุ่ศีลลงลองเกิดทุ่มศีลแล้วจะไปเดินกุศลธรรมอะไรก็เดินไม่ได้ใช่ไหมเอามาคุยกันตลอดโอโ้ไม่ได้เรื่องแล้วถ้าศีลของอามาเสียหายามาก็จะไปเดินกุศลได้ไงก็เดินไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้ามาก็ต้องไปนั่งทุกข์นั่งกลุ่มอยู่นั่นเลยใช่ไหมนะข้าวนะข้าวมาก็ต้องไปนอนเครียดอยู่คนเดียวใช่ไหมกังวลรู้อทำไมไม่รู้อ่ะถ้ายิ่งศึกษามากทําไมจะไม่ทราบ ลองให้อ่านพระไตรปิฎกนี่เล่มแรกสักก็นั่งสะดุง้งนอนสะดุ้งแล้วเอาเล่มแรกแค่นั้นแหละไม่ต้องไปอ่านเล่มไหนเราก็ให้อ่านเล่มแรกแค่นั้นในสี่สิบ้าเล่มก็ได้จะไม่ที่เขาแปลมาก็ได้ไม่ต้องไปอ่านมีอัตถะ ก, ก็ได้แล้วก็จะรู้โอ้ทายแล้วแค่เล่มแรกนี่เราก็จะไปไม่เป็นแล้วเนี่ยด้านคารวะทั้งหลายก็เหมือนกันตรงเราก็ต้องรู้จักว่าเราจะต้องเดินกุศลศีล ใ, ให้ชัดกุศลศีลพอเดินแล้วเราอย่าไปคิดว่ารักษาศีลมันเครียดนะ กับกายเป็นความโผงความโล่งความเป็นอิสระและเป็นไปกับปัญญาเป็นไปกับศรัทธาวุรยิยะสติสมาธิปัญญาเลยนี่เป็นความคล่องมากในกรณีถ้ากุศลศีลเดินเนาะทีนี้บุรุชนมีสองอางพวกอันทบุรุชนก็เป็นบุรุชนผู้ไม่มีการเรียนไม่มีการสอบถามไม่มีการฟังดังกล่าวแล้วในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วนั่นแหละบุตุชนโดยมีเหตุดังกล่าวนี่แหละชื่อว่าอันทบุรุชนแต่ถ้าหากกัญญาลาบุรุชนก็คือว่า ตรงกันข้ามเลยเรื่องวิจัยเรื่องอะไรสอบถามเรื่องศีลสามเรื่องเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลนาวิติกมมามศีลเลยใช่ไหมแล้วก็สอบถามเรื่องปาฏิโมกสังวรศีลเป็นอย่างไรอินเดียสังวรศีลเป็นยังไงอาชีวปริสุทธิศีลเป็นอย่างไรปรัตจิยาสันนิสิตศีลเป็นอย่างไ ร, งไรลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากัญญาบริชนทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้นะ บอกว่าบุคคลที่จักเจริญกุศลศีลนีได้ดีนะให้สังเกตดูไหมคนนั้นต้องมีสัตทินรียแข็งแรงสัตทินรีนั้นต้องตั้งไว้ที่คุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแล้วจะมารักษาศีลได้ยังไงใช่ถ้ายิ่งเราตั้งมั่นในคุณของพระผู้มีภาคเจ้านะแล้วเราเชื่อการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระบรมศาสดาจัก เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เพราะศีลบารมีข้อหนึ่งถ้าศีลบารมีของบรมมาศาสดาไม่เต็มนะคำว่าบารมีแปลว่าต้องทําไม่เต็มด้วยใช่ไหมซั์หนึ่งเนี่ยต้องทําให้บริบูรณ์เน่ยการจะถึงบรมธรรมได้คือพระนิพพานได้ระดับพระพุทธเจ้านี่นะทานบารมีต้องเต็มศีลบารมีต้องเต็มเดชขมาปัญญาวิริยะเป็นต้นจนถึงอุเบกขาบารมีต้องเต็มต้องครบสามสิบทัดนะ มาปริจาคะมีทานะปริจาคะจนถึงให้อวัยวะให้ชีวิตให้บุตรให้ภรรยาเป็นต้นน่ยมหาทานยิ่งยิ่งใหญ่ก็ต้องทํามาไม่ใช่ไม่ทำนะแต่ให้สังเกตไหมถ้าเราดูเหมือนว่าพระบรมศาสดาเมีใจดําใช่ไหมตอนเป็นพระโพธิสัตว์โอ้ยต้องให้ลูกลําบากให้ภรรยาลําบากจะที่ไหนได้พระองค์เก็บภาปรินิพานเกลี้ยงหมดเลยฉะนั้นใครที่เกื้อหนุ น, นโพธิญาณของท่านน่ยได้เดีอดได้ดีหมด แต่คนที่ทําลายโพธิญาณของพระพุทธเจ้าก็วิบัติหมดเลยนะนี่ก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอย่างเราเกิดมาเนี่ยเราจึงต้องขอขามาพระพุทธเจ้าบางครั้งเราอาจจะไปประพฤติผิดในโพธิญาณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากลับมาเกื้อหนุนโพธิญาณพระพุทธเจ้านะคำสอนของพระบ ร, รมศาสดาที่ตรัสไว้นั้นพระพุทธเจ้าตรัส ด, ด้วยสัพพัญญตยานนะถ้าเราไปคัดค้านถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็อย่าไปคัดค้าน ถ้าใครไปคัดค้านไปหักชิ้นละจักรของพระเจ้าเนะ่ยเนี่ยเสียหายให้เลยตอนนี้นะกระแสของชีวิตแทนที่จะเดินไปตรงพระนิพพานก็ละหกละเหินเลยขนาดพระบรมศาสดาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ตอนเกิดเป็นโชติปาระเมตอนเป็นมานอบที่เป็นโชติปาระที่มีเพื่อนกติกาละเป็นผ้านาคา <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเป็นผ้านาคา <c oughs> ที่จริงถ้าท่านจะบรรลุชาตินั้นท่านก็บรรลุได้นั่นแหะ แต่ท่านไม่ได้บรรลุชาตนั้นท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิก่อนนะแต่ท่านจะเป็นไม่นานเพื่อนก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธยาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วท่านค้านไงอู้สัมมาสัมโพธิญาจะมีแต่ไหนอย่างคุยกับพระเลยวันก่อนยังคุยกับท่านมีชยัยบอกโอ้ท่านมีชัยก็ปาลาโลบว่าเออพูดแค่นี้ไม่น่าบาปขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ไหม พูดแค่แม้ ส, มสัมมาสัมโพธิญาณจะมีแต่ไหนโอ้ยหลงทิศหลงทางอยู่หกปีแทบตายเลยเงี่ยนะโอ้เพราะอะไรเนาะทําไมตําหนินิดเดียวทําไมให้ผลรุนแรงขนาดนั้นที่ไหนได้โอ๊ยสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยเป็นของสูงถามว่าสัมมาสัมโพธิญาณอะไรให้มาอะไรให้มาอารหัตมักอรหัตผลให้มา อาราตมักอราถผลอะไรให้มามหาวิปัสสนาญาณให้มาหมายปัสสนาญาณมีอะไรเป็นประฐานมีอะไรเป็นเหตุใกล้สมาธิเป็นต้นไหมสุขก็เป็นเหตุใกล้ของสมาธิปัสสติก็เป็นเหตุใกล้ของสุขเห็นไหมปีติก็เป็นเหตุใกล้ของปัสสธิปีติเห็นไหมเป็นเหตุใกล้ของปัสสติปราโมดก็ปราโมดก็เหตุใกล้ของปีติไงตลอดถึงเอาวิปัีสารแล้วก็กุศลสีลทั้งหลายเป็นต้น แล้วก็บรารมีทํสามสิบทัศน์นั่นแหละมหาปริจาค่า 5, ที่บาเพ็ญมา20อาสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนกับนั่นแหละเป็นประทัดฐานของโพธิยานถึงมีคุณมากใครไปตำหนิหรือไปทำลายไปคิดไม่ดีไปประทุษสลายขึ้นมาก็กระแสะชีวิตกวิบัติเลยนะทำให้ชีวิตเจ็บปวดเลย คำว่าศีเลนะสุตินธริโยเป็นผู้มีอินทรีสังวรมีสุดเนี่ยท่านอธิบายผู้มีอินทรีย์6นืตาหูจมูกลิ้นกายใจนที่กร ะ, ะทาการปิดบาปด้วยความบริสุทธิ์ทั้ง4ประการนัคือปาฏิโมกสังวรศีลอินทรีสังวรศีลอาชีวบริสุทธิที่ศีลปัจจะยะสันนิสิตาศีลเรามาเรียนของเรื่องปาฏิโมกสังวรใช่ม แล้วก็สติสังวรยานะสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรเนี่ยตรงนี้ก็คือจริงๆส่วนหนึ่งก็เรียนปฏิโมกสังวรในอินเรียสังวรปฏิโมกสังวรก็คือศรัทธาเป็นศีลสังวรนั่นเองศรัทธาไหนในศีลสีประการมีปฏิโมกสังวรเป็นต้นเนี่ยกลุ่มบททั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นนั่นเองเป็นตัวศีลเห็นไหมเวลามากล่าวในเรื่องของปฏิโมกสังวรศีล มากล่าวเรื่องอินเรียสังวรศีลมากล่าวเรื่องอาชีวประดิทธิศีลมากล่าวเรื่องปัจจยสันนิสิตาศีลก็กล่าวเรื่องอะไรก็กล่าวเรื่องเจตนากเป็นศีลเจตสิกหตัวสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาชีวะความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาใช่ไหมแล้วก็สังวร5แล้วก็กล่าวในเรื่องของอวิติกรรมะ ค, คือการไม่ก้าวร่วง นั่นแหละอันต่างด้วยเจตนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุก็ดีเกิดแก่อุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่ไม่ล่วงละเมิดถ้าพระก็ไม่ล่วงละเมิดอาบัตรเจดกองมีประชิกเป็นต้นนั่นเองที่จัดอยู่ในพระวินัยปิฎกปาฏิโมกสังวรศีนั้นชื่อว่าศีนอันมีลักษณะควบคุมชื่อว่าปาฏิโมกสงวรเพราะรักษาผู้ที่รักษาศีนั้นเพื่อปิดบาปรกรรมทั้งหลาย ที่ถึงความเผยออกทางกายทวารวจีทวานนะอันถูกห้ามแล้วด้วยปฏิโมกสังวร น, นี้ใช่ไหมกรรมทั้งหลายที่มันจะเปิดออกมันจะเผยออกทางกายกรรมทางกายทวารที่มันจะออกทางวจีทวานอยู่ไหมเพราะอะไรตัวความทุศีน์มันเกิดที่ใจพอเกิดที่ใจแล้วใจมันปิดไม่อยู่ไงมันก็มาเผยออกทางกาย ทวารออกมาทางวจีทวารกายก็มาทําบาปใช่ไหมทางพระท่านก็ ว, วางหลักไว้เยอะเลยเริ่มตั้งแต่ข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิ ด, ผดในกางก็ไปอีช่วงเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะทางวจีทวารก็มีการพูดอวดอุตริ ม, มนโนธรรมเป็นต้นอย่างเงี้ยนะลักษณะจะเป็นพระนี่นะเนี่ยมันจะเผยออกทางเนี้ยทางกายทวารวจีทวาร ท, ที่ไหนได้มันเริ่มทุศีลที่ใจใจมันทุศีลกันแล้วใช่ไหมเราสังเกตไม่ยากแล้ว ถ้ายามใดความโกรธเกิดขึ้นแปลว่ามันใกล้จะล่วงหรือยังใกล้แล้วใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวก็เผยออกมาทางกายใช่ไหมหน้าเริ่มเครียดก่อนไหมหน้าก็เริ่มเครียดตาเริ่มถลนลไล้ไหมอโลพะตาถลนได้ไหมไ ด, ได้ใช่ไหมเหมือนเทพประบุงไงจําได้ไหมมีใครนะที่ว่านางโลหินีหรือใครที่อยู่ในแฝนสักขากะยะที่กรกร ผิวท่านไมงงามเลยต่อมาพระบรมศา ส, สดาก็บอกให้สร้างโรงอาหารให้สร้างศาลาปัดกวาดเช็ดถูนะัเข้าผิวนางก็พองไสต่อมาฟังธรรมได้เป็นเบโซดาบันเลยต่อมานางก็จุตินะตายไปถือปฏิสนธิเป็นเทพปฎิดาในชั้นดาวดึงโอโหงามเลยเทพบระบทเห็นนีแย่งกันใหญ่เลย อ, อีกคนนึงเห็นปุ๊บตาถลนอย่างตาปูเลย ตาตาถลนออกมาเป็นโลภ้าหรือโทรศสพ์หรือโมหะใช่ไหมโลผ้าโลผ้ลาเมกดันลูกตาถลนออกมาได้ในประเทศไทยไม่ในโลกนี้ยังไม่เคยเห็นคนงามขนาดตาถลนออกนอกเบาคือเห็นแล้วคนดูนะดูปับตาวิ่งออกมาข้างนอกได้ถ้าอย่างนี้งามแท้ไหมงามจริงๆก็เลยไปรายงานไงพอแย่งกันแล้วก็ไปบอกท้าวสักกะบอกอกู้ท้าวสักกะ ถ้าไม่ได้นางผมรักมากเท้าสกาเท้า ก, ก็ตื่นเต้นนะถามว่าท่านรักขนาดไหนขนาดเห็นปั๊บในตาผมกรนออกนอกเบ้าเลยรายงานพระหลาชาอีกคนนึงก็บอกโอ้ผมนา ก, กว่าท่านนี้เอาแล้วท่านกเทียบบททนหนึ่งว่าขนาดไหนใจของผมเนี่ยแทบจะหลุดออกมานอกขั้วเต้นอย่างกองเลยตุ่ ม, ต, มตุ่มเลยพอเห็นนางว่างั้นทนไม่ไหวสวยงาม เยาววัฒน์เคยเห็นไครงามขนาดใต้หน่อมมาแรงๆขนาดนั้นคีบไหมยังไม่มีนะแสดงว่าไม่งามจริงเขาบอกว่าฮเทพธิดาเนี่ยนะถ้าชั้นดาวดึงเนี่ยถ้ามาเที่ยวกับพวกเรานี่ยุ่งเลยวยุ่งเล ย, ย <laughs> เหมือนพนันทาขึ้นไปดูกับพระเจ้าใช่ไหมก่อนจะขึ้นไปที่บอกเห็นลิงแก่แกตัว น, นึ่งตอนนางชนนางปั ชนบทเนี่ยชนบทกรยานีไงงามห้าอย่างนั่นน่ะนางเป็นหญิงงามเขาเรียกนางงามจักรวาลเนี่ยชนะปะท่ากรยานีคือนางจักรวาล น, นางงามจักรวาลงามมากโอ้โหเปรียบนางจกักรนางมดูเปียบเปียดนางงามจักรวาลเสียหายเลยพอขึ้นไปในพระเจ้าชี้ให้ดูลิงแก่ๆตัวหนึง่งนั่งบนตอไฟก็ไหม่สัน่นเทอิมอยู่เนี่ยเนื้งก็ด้วน ขึ้นไปบนสวรรค์พอไปเห็นโอ้โหพนันธทาใจหลุดหลุดจากนางชนบทกลยา น, นีตอนที่โอ้หูมีงามอย่างนี้ด้วยเลยใช่หพระเจ้าก็เลยให้ประพติธทรรมบอกว่าถ้าบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยยกให้เธอหมดนะยอย่าง <c oughs> โหใครควรใหญ่เลยให้ไปเจริญแล่ใช่ไหม เกษาโลมาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกดูสิดูพระเจ้าให้กรรมฐานนี่หือให้ไปโอ้หลุดเลยเรียบรอ้อยนี่แปลว่าอะไรอ่ะก็ถามว่านันทะชนบทกรลยานีกับเทพธิดานลองเปรียบกันดิบอกโอ้นางชนบทมันลิงแก่พระเจ้าค่ะ มันลิงแก่ๆตัวนั้นนะโหถ้าภรรยาได้ยินอดีตภรรยาได้ยินนีกแทบเป็นลมเลยเนะนี่ยคบเนะี่ยเนี่ยทิมเหมือนเอาเอาหอกทิมไปที่ใจเลยเนี่ยถ้าพิจารณานี่งามจริงนะอีกท่านหนึ่งก็บอกใจของท่านเต้นมายังกองกองตีตูมตัวเท้าสกาบโอ้ทั้งนั้นพวกท่านน่าจะน้อยกว่าข้าพเจ้าแล้วต่อม ถ้าเจ้าเขาจะไม่ได้นางมาอยู่ด้วยหนสงสัยใจขาดตายเดี๋ยวนี้เลย <laughs> เขาเลยยกถวายเท้าสกะไปโอ้ยถ้างั้นพระองค์อย่าเพิ่งด่วนสวัสคตเลย <laughs> ถ้าสกะมีงานเยอะเนี่ยงานท่านเยอะแต่ว่าจริงๆตอนนี้เท้าสก่าเป็นพระโสดาบันเลยนะเป็นพระโสดาบันองค์ปัจจุบันนี่นะเป็นสําเร็จพอฟังสก่าปัญหาสูบพระเจ้าแสดงถามเรื่องปัญหา ว่าเหตุการขัดแย้งเป็นต้นตรงนี้นี่แหละในลักษณะหนงี้ปาฏิโมกสังวรศีลใช่ไหมตัวปาติโมกสังวรศีนนั่นแหละชื่อว่าศีลเพราะมีรักน่ะควบคุมควบคุมอะไรควบคุมไม่ให้ควบคุมผู้ที่รักษาศีล น, นั่นแหละถ้าเรามีปาติโมกสังวรศีนศีนห้ศีลแปดศีนสิบเถพระก็ศีนสองยบเจเป็นต้นแล้วเนี้ย ตัวปฏิโมกสังวรศีลอันต่างโดยเจตนานศีลเจสิกศีลสังวรนาวีติกะมะนั่นแหละแต่ก็มาเรียกเป็นปฏิโมกสังวรศีลใช่ไหมแต่ตัวสภาวะของศีลก็คือตัวเจตนาเป็นต้นนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้าเราศึกษาเรื่องศีลอย่างนี้ก็เจาะถึงสภาวะได้และก็เข้าใจแล้วทีนี้ตัวลักษณะนี้ก็จะมาควบคุมกายกรรมวจีกรรมโดยการที่ว่าบาปธรรม ท, ทั้งหลายที่ถึงการเผยออกมาทางกายทวารวจีทวานว เป็นอันถูกห้ามไปด้วยอะไรด้วยปาฏิโมกษสังวรศีลก็แสดงเห็นชัดว่าบาปมันจะเผยออกมาทางกายยทวารไม่ได้จะเผยออกทางวาจีทวารไม่ได้และบาปทั้งหลายหนักเข้าก็จะประชุมที่ใจไม่ได้ผลปรากฏของศีลก็เลยว่ากายก็เลยสะอาดใจก็เลยสะอาดแล้วก็เออวาจาก็เลยสะอาดใจก็เลยสะอาดเมื่อกี้ยอมก็ถามมาดมาว่าเอ๊ กรณีที่จะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่บ้างเกี่ยวข้องกับพี่บ้างเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับพระเจ้าประสงค์ก็ดีเกี่ยวข้องกับบริวารชนต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับเพื่อนต่า ง, างๆเหล่านี้เ อ, อแต่ใจเราเป็นทุกข์เนี่ยใช่มเราก็พยายามรักษาศีลแต่ใจมันเป็นทุกข์มันเครียดมันกังวลเหล่านี้อันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงเดินศีลไม่ได้ตอนนั้นต้องบอกว่าไม่มีกุศลศีล ไม่มีกุศลศีลแล้วเพราะตัวกุศลศีลต่างๆด้วยเจตนาศีลเจสิกศีล ส, ส, สังวรอวิติกรมาเป็นต้นเน่ยที่เรียกว่าปาฏิโมกสังวรศีลหรือตัวศีลสังวรเนี่ยหรือตัวสติสังวรเป็นต้นเนี่ยมันเป็นตัวกลุ่มของเจตนาทั้งหลายหรือกลุ่มของเจตนากลุ่มของเจสิกทั้งหลายเป็นต้นเหล่านั้นน่ยประชุมในกุศลจิตแล้วมาประชุมในกุศลจิตเกิดขึ้นที่ใจ ใจตอนนั้นต้องไม่โลภใจตอนนั้นต้องไม่โกรธใจตอนนั้นต้องเป็นไปกับกับปัญญาเป็นต้นนั้นตัวศีลต่างๆเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะปิดบาปประธรรมทั้งหลายคือปิดราคะโทสะโมหะไม่ให้เผยออกมาทางกายยทวารและวจีทวารทําให้กายยทวารวจีทวาร น, นั้นไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยการทําบาปทั้งหลายเขาใจะยังอันนี้เราก็สังเกตได้ตอนเนี้ย การเข้าใจนั้นอยู่ระดับหนึ่งแต่มีปัญหาว่าเราต้องไปติดเครื่องของศีลให้เดินได้ตราบใดกระแสของชาวนาเกิดขึ้นสังเกตด้วยว่าตัวกุศลศีลมันเกิดในชาวนาะไม่เหมือนนั่งเนี่ยมันนั่งอยู่ใช่ไหมเหมือนอาญาละดานั่งตรงๆมาเนี่ยถ้านั่งนี้ปุ๊บถ้านั่งเพลนๆหลังงอๆอะไรนี่แสดงว่านะ แสดงว่าสรเสลศีนวิ่งหายไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องระวังไหมต้องระวังเมื่อกี้ยมปรึกษามาใช่ไหมยอมที่ยอมสวรร์ปรึกษามาบอกว่าเอ๊ะท่านท่านท่านเดินได้ยังไงมาก็บอกโอ้เดินอย่างนี้ใช้ข้อมูลใช้การวิจัยเช่นเวลานั่งเวลาศึกษาเวลาต่างๆหล่านี้เวลาทํากิจต่างๆเนี่ยอย่าให้ใจมันนิ่งแรกๆเนี่ยพราะนิ่งแรกๆเนี่ยมันจะหลับ นิ่งแรกๆเนี่ยบาปก็จะเข้าอยู่เรื่อยก็วิจัยให้ข้อมูลเรื่อยๆกระตุ้นดูสังเกตสังเกตจิตคุณตนเองตลอดใช่ไหมว่ามีกุศลศีลเกิดขึ้นไหมเพราะกรณีที่คนอื่นชื่นชมเลยอะไรต่างๆมันผลโดยอ้อมนะไม่ใช่ผลโดยตรงดูผลโดยตรงเป้าหมายหลักจริงๆก็คือตัวกุศลศีลพัฒนาขึ้นแข็งแรงขึ้นชัดเจนขึ้นผลปรากฏของศีลอยู่ทึงกายสะอาดวาจาสะอาดและจิตสะอาด ไม่ใช่ไปอยู่ที่มีคนสารเสริญยบย่องหรือไม่ใช่ว่ามีคนเนี่ยเคารพน้ำหน้าถือตาหรือไม่น้ำหน้าถือตาผลจริงๆของศีลอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรวจสอบได้ทุกวันเลยใช่ไหมตรวจสอบได้วันแล้วต้องเป็นร้อยๆรอบแต่เพียงเราจะตรวจสอบไม่แค่นั้นเองตรงนี้มุมนี้เราก็มองเห็นใช่ไหมตรงเนี้เราให้คนอื่นตรวจสอบหรือเราตรวจสอบไม่ต้องไปโทรศัพท์ไปถามเขาเดินเราก็เอ้ยนี่ศีลเราเดินได้อยังเนี่ยเนี่เนี่ยเพราะงั้น อย่างนี้เราก็ดูได้แล้วแต่เนี่ยพอเราเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบกุศลศีลได้เลยแล้วก็สังเกตได้ไม่ยากเพราะศีลเป็นชื่อของกุศลใช่ไหมที่ปิดกั้นบาปเพื่อไม่ให้เผยออกมาตางกายยธวาวจีธวานอันนี้เป็นปาริโมกสังวรศีลทีนี้ถ้าเป็นไปในส่วนของอินทรีสังวรศีลน่ะอินทรีสังวรหรืออินทรียสังวรศีลหรือว่าสติสังวรเนี่ย ตัวสติสังวรเนี่ยก็หมายความว่าห้ามตัวสติใช่ไหมถ้าสติสังวรยิ่งทั้งกลับเน้นตัวสติเป็นตัวนําไม่ใช่สติตัวเดียวนะพรบอกสติเราอย่าเป็นสติตัวเดียวไปได้นะสตินํานามมาทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกุศลและจิตสติเหล่านั้นก็มาเป็นใหญ่โดยการห้ามที่จิตหมุนเวียนไปด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะในอารมณ์มีรูปเป็นต้นถามว่าตัวสติจะคอยห้ามห้ามอะไร ห้ามตัวชาวนะห้ามตัวจิตเนี่ยห้ามตัวกระแสของจิตเนี่ยนะไม่ให้หมุนไปด้วยอำนาจของราคะคือความโลภเนี่ยนะไม่ให้หมุนไปด้วยอำนาจของโทสะไม่ให้หมุนไปด้วยอำนาจของโทสะในขณะที่เกี่ยวข้องกับได้เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นริมรถสัมผัสแล้วก็คิดนึกเข้าใอย่างแปลว่าสติตัวเนี่ยมันกากับอยู่ที่ที่ไหนที่ใจ นำนามมาทำทั้งหลายเนี่ยคอยป้องกันไม่ให้ราคะโทสะมหาหมุนไม่ให้จิตนั้นหมุนไปด้วยอำนาจของโลภะโทสะมหะเพราะจริงๆในชีวิตของเราต้องเห็นตลอดไหมถ้ามีตาต้องได้ยินเสียงตลอดไหมกลิ่นต้องกระทบจมูกบ่อ ย, อยๆไหมนั่นนะก็ไปกินอาหารเอาทางทวารไหนร่วงละเมิดสติสังวรที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดมากที่สุดนะ ทวานตาเป็นไงดูแลเนี่ยสติแข็งแรงดีไ้มถามบอกว่าอินทรีสังวรศีลไม่ค่อยแข็งแรงเพราะตาดีโมกไม่มีเดินเดินจารีศีลไม่ได้วารีศีลจารีตคือข้อปฏิบัติต่างๆกับบรรดาเชื่อมโยงกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์กับเพื่อนกับสามีภรรยากับบริวารกับพระพุทธกับสาวกพุทธเจ้าเนะในมุมต่างๆนี้เราเราปฏิบัต แบบข้อปฏิบัติต่างๆที่ไม่เป็นไปกับเจตนาศีสเป็นต้นเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าการปฏิบัติเหล่านี้แล้วกุศลไม่เดินในพื้นฐานตรงนี้นะถามว่าสติสังวรละเอียดกว่าไหมละเอียดกว่าปาฏิโมกเพราะเป็นชั้นของการที่จะไปจัดการสุจริตสามให้เกิดก็ะจะเป็นการทำสุจริตสามให้เดินในกระแสของชีวิตได้จริงๆและเดินได้อย่างต่อเนื่องนะ ฉะนั้นในพื้นฐานที่เราปรับกันในที่พยายามพูดกันในวันนี้พูดในเรื่องของในฐานของปริโมกที่มาแยกเอาเป็นจารีตและวาริตะที่เป็นเป็นข้อที่ควรข้อปฏิบัติและข้อห้ามเนี่ยใช่ไหมจารีตเนี่ยจารีตก็คือเกี่ยวในเรื่องของที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติกันในฐานะเป็นลูกปฏิบัติต่อแม่ต่อพ่อพ่อปฏิบัติต่อลูกเนี่ยต้นต้นเนี่ย ในการปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช้ศีลนะต้องใช้ศีลในการปฏิบัติสังคมไทยเนี่ยมีจุดดีอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วใช่ไม่ใช่แล้วก็มีการจะต้องดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์อยู่แล้วในการเชื่อมโยงกับเพื่อนอยู่แล้วในการที่บุตรภรรยาบา่าวไผ่หรือบริวารชนทั้งหลายหรือกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าต่างๆเนี่ยเรามีการยึดโยงอยู่แล้วแต่สายยึดโยงของเรามันมันพลาด เราไม่ใช้เจตนาศีลเป็นตัวยึดโยงเป็นต้นเราไม่ได้ตัวใช้กุศลศีเนี่ยเป็นตัวยึดโยงเชื่อมโยงกับทิศ ท, ที่รอบตัวเราใช่ไหมเรากลับไปใช้โลภะโทสะโมหะเป็นตัวยึดโยงซะนี่เขา้าใจยังมันก็ผิดดูแลแม่มาสิบยี่สิบปีแต่กลายเป็นคนขี้บน่นเคยเห็นไหมล่ะบ่นเก่งที่สุด ถามว่าโยมอย่าไปบนแม่ที่โห้ม่ถ้าท่านก็ต้องบนย้อนพระตายพระบอกเอองินันบว่าไปพระไม่กล้าแล้วท่านไม่เคยเลี้ยงคนแ ก, ก่เขาอ่าไอ้ไ อ, อ้คนแก่เลี้ยงยากเลยยากไหมโยงถ้าเราแก่ก็แสดงก็เลี้ยงยากอยู่ตนี้แล้วทําไงยุ่งเลย ท, ทีนี้กรรมที่ทําไว้ทําไงทนี้มันจะให้ผลคนแก่คนอื่นมั่งได้ มันจะให้ผลคนแก่คือเราที่แก่นี่นยแหละนะเข้าเราเขาก็จะนั่นอยูเอา้ามีคนหนึ่งนะที่ว่าพอฐานะดีขึ้นละทิ้งคุณพ่อคุณแม่ไงนี่เรื่องจริงนะเกิดขึ้นในสังคมไทยเราด้วยนะพอหนักเข้าหนักเข้าก็กลัวอายเขาไงที่พ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัดเนี่ยและตนเองมาได้ดีบได้ดีก็ได้ยินข่าวไหมละอันเนี้ยไม่มีเจรนาศินเจสิกสิน น, นะนี่ยทีนี้อยู่ต่อมาก็ แกก็ไม่กล้าต่อมาแกก็ได้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่งไงนี่เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นนะแล้วต่อมาแกทํำยังไงรักก็รักพ่อแม่ไม่ใช่ไม่รักนะต่อมาก็เลยเอาไปไว้หลังบ้านไนงะปลูกกระต้อไม่อยู่ไนงะแล้วก็ไม่บอกใครหรอกมีอยู่วันหนึ่งที่บอกว่าเลี้ยงอะไรมีการจัดงานวันเกิดแล้วก็ทําอาหาร พ่อแม่ก็แก่ก็หิวพ่อแม่อาหารเนี่ยช่วยก็จะมูกที solo, ่ว่าหิวเลยก็มาขอคนบอกว่าบอกให้คนดูแลก็แกมีคนดูแลแม่บอดูพ่อบอกพ่อเป็นโรคเป็นโะรคอะไรรู trucs, ะะ้เออไม่ได้เป็นแคแคหิวแก่แคป่วยแล้วแก่แคอยากกินจริงๆก็บอกไอ้หนูบอกไปบอกไปบอกไอ้หนูหน่อยเธอพ่อขออาหาร ไปขอคนครัวคนครัวก็บอกว่าเอาต้องถามผู้ชายท่านผู้ชายแล้วไอ้ถามไปม้องไปถามท่านก่อนเอไปถามเขบอกเขาก็ห้ามบอกเให้เลี้ยงแขกก่อนให้เลี้ยงแขกก่อนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้เพราะว่าแขกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นมาเลยเสรผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นมา <laughs> เห็นไหมพอพอก็น้อยใจ นะเข้านะเข้าก็ที่ว่าจนพอนั่นเป็นเสร็จก็จะเอาไมา้แ ก, ก, ก่แก่กันอนนัน่งน้ำตาไหลร้องไห้กันทั้งแม่ทั้งพอ่อแก่ก็ไม่รักษณะอย่างเงี้ยนี่เสียของในนี้อย่างเงี้ยจะไหมคือคื อ, ค, อคือในกรณีในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็นา น, า, นาสลดเห็นไหมเราเราดูแลจริงแต่เรามันดูแลแ ล, แล้วกันนอไงกรรมที่ทําไปเนี่ยมันก็ตามตามนะเนี่ย ส่วนอีกลายหนึ่งที่เขาเล่าเป็นนิทานนี่ยที่บอกว่าอันนั้นที่ใช้กะลาไงใช้กะลาเป็เศษที่ให้ให้แม่ให้พอกินอันนั้นเป็นนิทานหรือเป็นเหตุเลยมาเคยฟังมาต่อมาเบ็ดเศษก็มีลูกก็พาเอาทําทํากะลาให้ลูกพอกลับมาลู ก, ลกชายก็กําลังได้มาพลามาก็มาขูดทํำพ่อก็ถามว่าบอกนี่ ลูกจะไว้ทําอะไรบออ๋อพอดีตอนพ่อแก่ไว้เลี้ยงพ่อนี่โอ้โหเรียบร้อยจะได้เลี้ยงแบบยาเลียเล้ยงเลี้ยงปู่เลี้ยงยา่ามียุ่งเลยไอ้กรณีในลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆว่าบางครั้งเนี่ยเราไอ้ยังไงี้ก็หนักไปนะที่ในกรณีตัวอย่างก็งนั่ก็หนักไปแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตอนเนี้ยการยึดโยงระหว่างลูกกับพ่อแม่หรือกับเพื่อนกับพี่กันอะไรต่างๆแบบเนี้ย ตอนนี้มันเป็นไปกับโลภะโทสะมันไม่ได้เป็นไปกับเจตนาศีลที่เป็นไปกับ ก, กุศลไงฉะนั้นเวลาเราเดินกุศลศีลในระดับที่จะเป็นปฏิโมกข์สังวรศีลระดับขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นไม่ได้กันเพราะตรงเนี้ฐานล่างมันสุดตรงนี้ก็ไปปรับฐานล่างให้มันบริบูรณ์เสียพราะต่อไปเราจะได้เจริญงอกงามในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมตรงนี้เป็นพื้นฐานวันนี้เมียมาพูดในเรื่องของศีล ใ, ในชั้นอย่างเงี้ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่หยาบหยาบสำหรับพวกเราเลยไหม ยาบไหมจริงจริงเนะี่ยเป็นเหมือนเรื่องหยาวคล้ายๆว่าพวกเรารู้กันหมดแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราเดินได้จริงไหมเนี่ยตรงนี้ต้องไปปรับเสีปรับพื้นฐานตรงนีนะ้ให้กุศลศีลมันเดินได้จริงๆเพราะถ้าหาปฏิโมกสังวรศีลมันเดินได้แข็งแรงแล้วต่อมาอินเดียสังวรศีลตัวอินทรียสังวารศีลก็จะเดินได้ตัวสติสังวร น, นี่นะก็จะสาใจนั้นก็จะไม่หมุนไปในกระแสของบาป ถ้าใจนั้นหมุนไปด้วยโรหมุนไปด้วยนาฏของราคาโทสามโมหะที่ไปเกี่ยวข้องกับรูปเกี่ยวข้องกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสแล้วกับการทอารมณ์ทั้งหลายใช่ไหมอารมณ์ทั้งหลายเหล่าเนี้ยหมุนเข้าสู่ใจเราตลอดเวลาเลยแต่ใจเราเนี่ยสังเกต ด, ดูไหมสังเกต ด, ด, ดูงบางคนเนี่ยพยายามจังเลยนะพยายามที่จะรักษาอินทรีย์สังวรแต่ปฏิโมกสังวรสุดไม่ได้ดูแลแต่เบื้องต้นไงก็คิดว่าจะมาเอาอินทรีย์สังวรก็จะได้เลย ไม่ได้เพราะจริงๆพื้นฐานปรับปฏิโมกสังวรต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงก่อนก็กลับไปดูพื้นฐานเสียแล้วจะได้มาเดินอินทรีย์สังวรอาชีวประวิสุทธิ์นี่กุศลละธรรมทั้งหลายมีเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, สังวรอวิติกมาเป็นต้นเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเดินนาแท่งยังปัจจัยเกิดขึ้นโดยธรรมโดยเสมอละการถ้าเป็นพระก็คือละการแสวงหา21อย่าง การให้ไม้ไัยให้ใบไม้ให้ดอกไม้ให้ผลไม้ให้ชําระพันฟันน้ ำ, นำล้างหน้านะอาบน้ําผงทาตัวให้ดินทูตัวประจบพูดจริงปนเท็จเนี่ยเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านเนี่ยรับใช้ขหัสงหัดงานนี่พระทํำไม่ได้เนี่ยยอมจะไปทํางานเออไม่เป็นลายเยิมลูกมาฝากกันมาไว้ได้ไหมพระทําได้ไหมไม่ได้เจอเด็กๆ ก, ก็ไปจับอู้น่ารักน่ารักแต่เจตนาหวังเพื่อให้ พ่อแม่เขาศรัทธ า, างี่ผิดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเสียเลยอาชีวะไม่บริสุทธิ์เป็นมิจฉาอาชีวะของพระไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นไปแล้วแต่ว่าในกรณีเงี้ยเป็นทูตก็ไม่ได้เนาะรับใช้คารวะก็ไม่ได้เป็นทูตประกอบเวชกรรมก็ไม่ได้นะพระเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้เป็นเวชกรรมหรือไม่ได้ รับส่งขาวให้คารวะก็ไม่ได้ให้ของให้ผลตอบแทนให้ของตอบแทนเป็นหมอดูพื้นที่หมอดูเลิกเป็นหมอดูลักษณะเนี่ยมุ่งถึงการเลี้ยงชีวิตนะอันนั้นเป็นงดเว้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ถึงจะเป็นมีอาชีวะเป็นเหตุมีอาชีวะเป็นไปจึงจะเป็นอาชีวะปริสุ์ที่ศีลเนะาะอาชีวะปริสุ์ที่ศีลเนี่ยเป็นไปส่วนในลักษณะนี้ถ้าคารวะทั้งหลายก็เป็นไงอาชีวะก็นั่นแหละ ไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายายาเมาน้ําเมาใช่ไหมไม่ค้าขายสัตตร า, รา <y> เป็นต้นแต่อาชีวะว่าไงาาเนี่ยตัวอาชีวะเนี่ยอาชีวะที่เป็นตัววิริยะนะเป็นประธานนะเจตสิกเนี่ยเป็นวิรยิยะเป็นประธานแต่ไม่ต่างในนั้นมีเจดนาไหมมีเจตสิกไหมมีตัวสังวรไม่อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลมีตัวสังวรนะเป็นวิริยะสังวรเป็นตัววิริยะสังวร มีเจตนาเจสิกสังวรอวิตีกมานั่แหละก็คือไม่ก้าวล่วงคือไม่ประพฤติผิดตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ก็คือว่าอาชีพภายนอกบริสุทธิ์แล้วเป็นไปกับกุศลใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงต้องไม่หมุนเข้าสู่กระแสจิตในกระาษทำกิจเอาอย่างยอมในี่ยทกิจกันทุกคนนะมีหน้าที่หมดเลยเนี่ยกลับบ้านเป็นแม่บ้านใช่ไหมมีหน้าที่หรือไปทํากิจต่างๆ บางคนสอนหนังสืออสอนนี่ไม่มีอาชีวะก็ได้นะสอนถูกต้องสอนเก่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาแนะเขาโอ้โหเขาบอกว่าถ้านักเรียนสอบไม่ค่อยได้ก็สมัยนั้นนะสมัยโน้นเนะี่ยอามาเนี่ยอ้ยพระองค์นี้สอนดีก็เขาก็เอาอนักเรียนที่ไม่ค่อยได้เรื่องเนี่ยมาให้อามาเงี้ยนะโอ้ยมาก็ทั้งโทสะทั้งโลภะทั้งอะไรเยอะๆทั้งเขี้ยวทั้งเขนทั้งหลายต่างๆแล้วตามติดนะ กลางคืนก็ต้องไปเคาะห้องเขาท่องหรือยังเนี่ยเรียกไม้ท่องแบบทรงอะไรสารพัดเนี่ยมานาด้ก็เคยใช่ไหมแต่อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีอาชีพไม่เคยดีตรงนั้นก็ทําผิดเยอะเป็นไปกับความโลภเป็นไปกับความโกรธกล่าววาจาหยาบหยาบก็กล่าวเขาบอกเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าดีกระตุ้นเนี่ยเขาทําดีแล้วก็ถูกสอนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดใช่ไหม นันผิดกันอย่างเงี้ยอย่างดีนะยุค ก, ก่อนๆจริงๆอ่ะบางทีต้องใช้โกงขังเนียสมัยก่อนบรรดาครูโหดๆทั้งหลายก็โกโงขังเก่งมากจำ<ด> ไ, ได้ไหมขย่ากโกงท่านก็รู้ท่านกโกรธเนี่ยต้องกงขังเอาไว้นนขนาดนั้นเลยโทรศักท์ยูอเสียเลยเย่งนี้ยนะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลไปหมดแล้วเพราะมันออกมาทางวัจจีไหมวัจจีออกมาแล้ว กายออกไหมโอ้โหออกหมดแล้วใจไม่ต้องพูดแล้วตอนนั้นเดือดปุดปๆดปดปดใช่ไหมแม้ถ้าวันถ้าากนักเรียนเ็าทำตามหรือว่าลูกเสร็จลูกหาเ็าได้ตามที่สมใจแล้วไหมเป็นนั่งโลบอยู่นั่นแหละเพ้อฝันนั่นนี่ผลงานเราใช่ไหมน่กเข้านักเข้าก็เขียนหน่อยจจบมาตอนนั้นจบมาตอนนี้ ว่างๆก็เอาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยลูกศิษย์เรานะนี่ลูกศิษย์เรานะคนนั้นจบปอทห้าหกเ็ดแปดเก้าคนนั้นจบอวิธรรมจุลตีจุลโทจุลเอกมัชมาตีมัชมโทมัชมาเอกหมาตีหมาโทหมาเอกแหมจบชื่นใจโอ้ยังไม่พอนะเรียนคำภีรใหญ่ด้วยนะมูลกัจยาณาก็เรียนนึงเนยโอ้เรียนนี่ไหมลูกศิษย์เราเต็มไปหมดเลยแต่ที่ไหนได้ในขณะที่เรียนสอนใจก็เป็นไปกับโลกบางโกรธบ้างหลงบ้างเสียหายเลยเนี่ยเขาใจย่าง ทางโลกก็ไม่ตางกันแล้วแต่เนี้ยปนาดทางธรรมก็ไปอย่างนี้นะทางโลกก็ไปกันใหญ่แล้วแตเนี้ยเป็นอริยะดาเป็นเงไี้ยไมเป็นเลยใช่ไหมเนี่ยศีลก็ไม่ได้อยู่ในกระแสของชีวิตจริงเลยต้องกลับล้งหันไหมต้องกลับล้งหันมาดูแลใหม่ทำกุศลศีลให้เดินใช่ไหมถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างเนี้ยตัวปฏิโมกสังวรศีลก็เดินอาชีวะปริทธิศีลก็เดิน ปรการต่อมาคือว่าปัจจะยาสัญญาสนนิษฐ์สสีเนี่ยกุศลธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นอีกเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะแต่ปัญญาอย่างเดียวนะเจตนาเจตสิกเนี่ยมีปัญญาในนั้นนนในนั้นด้วยสังวรด้วยนิยาหนาสังวรเป็นต้นด้วยอวีติกมามคือการไม่ก้าวล่วงก็คือมีการพิจารณาไงถ้าภิกษุกขาคิดเจรณาปจัจจัยโดยชอบธรำแล้วบริโภคพิจารณาที่อยู่อาศัยก่อนโดยชอบธรรม ดยให้กุศลจิตเกิดขึ้นก่อนจึงบริโภคปัจจัยนั้นใช้สอยปัจจัยนะจีวรเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาใคควรนนะืไม่ให้โลภะโทวสากเกิดขึ้นนะก็ใช้สอยไม่ใช่พิจารณาก่อนเดี๋ยวตอนใช้ความโลภเกิดไม่เป็นไรเงี้ยไม่ใช่นะใช่ไหมเหมือนเราปฏิสังขาโยนิโสปปินตาปาตังปฏิเสวามีเงี้นะพิจารณาอาหารเบสเสร็จพอท้องกันเบสเสร็จทั้งยมทั้งกระว่าทั้งพระกันเนี่ยนะพอทองเบสเสร็จปุ๊บ ตาก็จ้องไปจะรอเวลาเนี่นะเอาอะไรก่อนดีนะพิจารณาอ่านี้นปากกระทองใครเป็นไหม <Okay. S 1> แต่ท่องกันเรียบร้อยมากพร้อมกันชัดเจนมากบางทีแปลเลยนะเราย่อมพิจารณาแล้วฉันอาหารบินท บ, บาตไม่ใช่เพื่อความมัวเมาสนุกสนานเกิดกําลังพลังทางกายกว่ากันไปเนี่ยนะ <Okay. S 1> พอจบเบสเสร็จแล้วเอาละเดี๋ยวนี้เคาะระคังฉันได้ยอม ก, ก็กินกันได้เสียงรบหลาบรบหลาบเลยเคยเป ถ้าตอนวันนี้มีอย่างนี้บ้างไหมมีไหมไม่มีนะเพราะานักศึกษาพราทำทำเงนเสียปอมเลยจังถึงมันเกิดก็ทำทีทำท่าเฉยๆไว้ทำอย่างนี้ได้ล่าแต่ทามีมีใครเห็นก็เล่นลยไว้หน่อยอะไรอย่างนี้นะจริงๆก็คือว่าตรงนี้ท่านสอนเกี่ยวในเรื่องของเจรนาศีนเป็นต้นนะมีเจรนาความตั้งใจในการที่จะไม่ละเมิด สิขาบทที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้ให้พิจารณาให้พิจารณาเนอะพิจารณาตั้งแต่ระดับพื้นฐานเลยนะไม่เป็นไปเพื่อความสนุกสนานเกิดกําลังพลังทางกายเนี่ยแปลว่าจากพื้นฐานเลยนะไม่เป็นไปเพื่อมัวเมาประดับตกแต่งเป็นต้นก็ว่าไปใช่ไหมเนี่ยแต่เพื่อความเป็นไปได้แห่งความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อการประพฤติเพื่ออนุเคราะห์พระหมจรรย์เพื่อจะเดินมรรคพรหมจรรย์เป็นต้นเน่ยนะ ทำพระมจรรย์เบื้องต้นให้ถึงที่สุดให้ได้เพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนี่ตั้งอัตยาสัยไวอย่างงั้นยิงอยู่ใช่ไหมเอาแต่พิจารณาอย่างนั้นความโลภมันก็ยังเกิดอยู่ค่ะพิจารณางายต่อค่ะพิจารณาตัวนี้เริ่มวิจัยหนักกว่าเก่าแล้วปัญญามาทํากิจเป็นประธานชัดเจนขึ้นเลยทีเนี้ยปัญญาวิจัยพิจารณาไปจนถึงโอ้โหในสังสารวัตรนี่คนที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานไม่มีเลยแม้ สัตว์เหล่านั้นบางพบบางชาติเป็นอบายสัตว์ก็มีใช่ไหมเรากินเนื้อปลาบัาง่งเนื้อวัวบัง่งเนื้อควายบ้างเนื้อหมูบ้างเป็ดไก่เป็นต้นน่ยสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ท่านเหล่านี้เคยเกี่ยวข้องกับเราด้วยฐานะเป็นพ่อเป็นแม่มดเลยใช่ไหมเหมือนท่านสอนสองสามีภรรยาที่เดินทางไกลอะ่ะเดินทางกันดานแล้วอุ้มลูกไปด้วยต่อมากันดานมากใช่ไหมหิวก็มาพิจารณาฝ่ายพ่อก็บอกว่าแม่ เราไม่มีอาหารกินเราตายแน่ถ้างั้นเราตายกันทั้งสามเอาอย่างนี้ดีไหมเนี่ยหักคอลูกกินดีไหมเนียใช่ไหมฝ่ายแม่ก็บอกโอ้ยทําไม่ได้หรอกรักมากก็นั่งเถียงกันยืนเถียงกันเนี่ยร้อนก็นร้อนทางกันดานเนี่ยอาหารก็ไม่มีเห็นไหมนะเข้าน่ะเข้าก็เกียงกันน่ะนั่งกันอยู่ไกลไกลอะ่ะพ่อนั่งอยู่มุมนึงแม่อยู่นั่งอยู่มุมนึง แม่ก็บอกว่าลูกไปหาพ่อจะให้พ่อฆ่านี่ไม่กล้าฆ่าหิวมากไปหาพ่อก็ไม่ไหวแล้วไปหาแม่แต่ลูกลูกเดินไปเดินมาตายเพราะเดินเนี่ยนะตายอันนี้ตายจริงนะเพรตายไปเสร็จร้องให้ก็เอาเนื้อท่านกระพิจารณาไงเนี่ยวันเนื้อไม่ได้ย่างเนื้อไม่ได้ย่างไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ปรุงรส เนื้อนี้ก็เป็นเนื้อบุตรของเราญาติของเราเกี่ยวข้องกับเราเป็นที่รักของเราไม่ได้เป็นที่รังเกียจเลยแต่ต้องกินเพื่อความอยู่ได้ใช่ไหมเพื่อความอยู่ได้เพื่อยังอัตภาพไม่ข้ามจากกันดานเนี้ยท่านสอนเนี่พระคิดถึงขนาดนั้ น, นยคิดถึงขนาดนั้นนยอาทำไมคิดให้ได้เห็นปลาตัวหนึ่งท่านพวกนี้เคยเป็นบุตรของเราเคยเกิดในท้องเราเราเคยประคับประงมในสังสารวัฏันคิดให้ได้งั้นนะ กินไปแต่ก็น้ำตานองหน้าเน่ยเ่ยว่าไงกินไปโราก็เราจะไม่ติดอกับการกินจะอาศัยปัจจัยคือการกินเนี่ยประพฤติทำเพื่อการบรรลุเนี่ยนะถ้าพิจารณานีก็เหมือนไงก็เหมือนที่ว่าพระท่านไปนอนสลบกบต้นไม้ที่ว่าท่านไปบินนาบาทไม่ได้อาหารออกบินนาบาดไม่ทันเงอยู่ในป่านี่แหละอุบาสกไปเจอก็พิจารณาเอ๊ะทำไมภิกษุมันนอนสลบอยู่เงี้ย ท่านก็เห็นมะม่วงเกลือนไปหมดเออพระนี่ไม่ยอมหยิบมะม่วงก็มากินเลยเนะก็เลยคั้นน้ำมะม่วงบีบกอกปากท่านท่านก็ฟื้นมากระถามพระเถระทำไมท่านไม่กินผลมะม่วงสุกเนาะเกลือนเต็มหมดนะท่านบอกว่าอุบาสกไม่มีใครประเคนนะดามาเนี่ยเนะี่ยโอ้โหพระรูปนี้เป็นผู้มีศีล น, นะแม้ของไม่รับประเคนก็จะไม่ให้่วงลาคอศรัทธาแบกพระขึ้นบา่า ใส่หลังเดินใช่ไหมเดินออกจากป่าเนี่ยเพื่อจะไปถวายอาหารเป็นต้นเนี่ยพราท่านกข้มาพิจารณานี่ไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เราไม่ใช่ปู่ตายายายของเราไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องทําไมเขามาบํารุงเราดูแลเราศรัทธาเรายอมเสี่ยงชีวิตเราตัวหนักแบกเราขนาดเพียงนี้เนาะเรามีอะไรดีโอ้กุศลศีลที่พระุบรมศาสดาทรงประทานไว้ดีจริงเนาะเนี่ยนะ พิจารณานี่เพราะศีลนี่เองท่านก็ใครควรเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรนาวีติกมศีลใครควรปฏิโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจียสันนิสิตศีลของท่านเนี่ยโอ้ยขนลุกชูชันนะพิจารณาอย่างนี้ขนก็ลุกชูชันแล้วเกิดปลาโมดปีติปสัสสติความสุขสมารบรลลุบนหลังอุบาสกไงโยมไม้ามายังนึกยังอยาก ถ้าพระรูปไหนจะบรรลุจะขอแบกสักสองสามกโนี่ขออันนี้สองตรงนี้บ้างถ้ า, ถาท่านมีใจท่านมหาอำนาจถ้ามันใกล้ๆจะจดจ่อในคุณธรรมทั้งหลายก็ะซิบบอกกันมาบอกผมหน่อยจะไปแบกเดินสักสองสามรอบมันขี้คอผมนี่เช่อมั้ยใช่ไม่ใ ช, ไช่ได้อันนี้สองไหมได้โอ้โหถ้าใครบรรลุบนหลังเราคิที่ตัวทบุญจะขนาดไหน แล้วถ้าหากบรรลุได้เพราะอาหารของเราใช่ไหมมีนะมีหลายองค์ด้วยที่เป็นตัวอย่างเนี่ยบรรลุเพราะอาหารเพราะท่านพิจารณาศีนเนี่ยมาสายของกุศลษีเจรานาศีเจตศิษย์สังวรสีนเนี่ยตัวอย่างเยอะแยะใช่ไหมที่อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าท่านไปบินทบาทนั่นแหละที่ว่ามีโยมที่เรียกท่านว่าลูกลูกลูกไ แต่ไม่ใช่ลูกจริงนะท่านรับเป็นลูกเนี่ยพอไปเบดเสดไหมท่านจะไปวินทบาตก็ได้ยินได้ยินว่าพรุ่งนี้ตอนนั้นไม่ได้บินทบาหรีอจะไปเยี่ยมยมไม่แน่ใจนะท่านได้ยินบอกว่าหนูมีอาหารเหลือวันพรุ่งนี้ไว้ให้พระพี่ชายของลูกไหมหรือของแม่ไหมมีแม่แต่มีอาหาร ที่เป็นข้าวสาลีเป็นอะไรต่างๆเนะี่ยมีอยู่แค่มื้อเดียวนอกนั้นก็เป็นข้าวสารหักข้าวปลายเกวียนแล้วก็เป็นน้ําต้มผักดองเท่านั้นเองที่มีดีๆงั้นว่าเอาอาหารดีๆทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ให้กับพ่อลูกชายพี่ชายของเจ้าส่วนของไม่ดีทั้งหลายให้แม่แม่ไปหา ตัดฟืนตัดอะไโอพระฟังนี่น้ําตาคลอนเนี่ยบอกโอ้โหท่านคนนี้ไม่ได้เป็นแม่เราจริงๆในปัจจุบันเพบเป็นแม่เราในสังสารวัตรนั่นเป็นได้อยู่ทั้งพิจารณานี่นะโอ้โหไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นลุงป้านะอาอาเราเนี่ยแม้การที่เราจะรับอาหารเช่นนี้สูกระเพาะเนี่ยไม่สมควรแก่เราเลยเป็นต้ น, นเลยนี้ยนะถ้าเรายังไม่ทําคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเป็นต้นเหรอเนี่ย ท่านก็เข้าถ้าแล้วก็บําเพ็ญแล้วท่านได้ไปรลุไงท่านได้บรรลุเหี้เพราะอาหารเป็นปัจจัยเนี่ยท่านในกรณีอย่างเงี้ยลองดูที่ว่าพระเนี่ยท่านถึงบอกว่าการพิจารณาปัจจัยเนี่ยยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มรรคผลเนี่ยได้อเพราะปัจจัยสันนิษตานสีเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะยาณสังวรเนี่ ย, ย, าาอนนยไอตัวปัญญาเนี่ย นั้เราพิจารณาเกื้อกูดใบเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้กุศลสีนะ่ะแข็งแรงมากขึ้นฉะนั้นในปาฏิโมกขังวอนสีนะ่ะย่อมบริสุทธิ์ด้วยการที่พิกูุนไม่ต้องอบัตหรือถ้ายมทั้งหลายก็ไม่ล่วงนะหรือด้วยกายกรรมวจีกรรมเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเป็นพระท่านก็บอกกล่าวแสดงอยู่กรรมถ้าอินทร์สังวรมีสติเป็นประธานอินทร์สังวร น, นั้นนะ่ะบริสุทธิ์ได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่เกิดขึ้นโดยประการอะไรทั้งปวง และโดยการข่มกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วโดยการระลึกถึงพระโอวาทของพระพระมา ศ, าศาสดาด้วยกําลังหิ่งกรรมฐานเป็นต้นอินทรีย์สังวรนั้นย่อมมีสุดด้วยตั้งสติและอธิษฐานจิตว่าเราจะไม่กระทําอย่างนี้อีกคําว่าอินทรีย์สังวรนี่ยเขาเป็นต้นเหล่านี้เขามันตั้งสตินะเช่นโดยมากศีลเนี่ ย, เ, ยเวลาเราล่วงละเมิดไปแล้วจะเกิดจากการตั้งเช่นผิดไปแล้วตั้งใจใหม่ไหมตั้งเดียวนั้นไหม ต้องยอมต้องตั้งเดี๋ยวนั้นนะไม่ใช่ผิดไปแล้วตั้งนานจึงตั้งผิดปุ๊บลึกเดี๋ยวนั้นตั้งใหม่เดี๋ยวนั้นยอมตั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวแข็งแรงไม่ใช่ว่าปล่อยถ้าต้องยาวผ่านมาตั้งหลายวันก็ยังเฉยชาเฉยเมยก็เขาอยู่ไม่ดีนะตั้งทันทีตั้งทันทีแล้วจะเป็นแรงกระตุ้นแรงมากนั่นแหละปัจจัยเกื้อหนุนแก่การที่จะบริสุทธิ์ได้อาชีวะบริสุทธิ์ที่นี่นะความเพียรย่อมบริสุทธ ความเพียรที่บริสุทธิ์เป็นปัจปจัยปัจจัยสันนิษฐานก็ปัญญาในเองบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวบอกว่าความบริสุทธิ์เนี่ยนะด้วยศีลต่าง ๆ, งๆดังกล่าวมีศีลสังวรแล้วก็สติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยสังวรขันติสังวรกล่าวไปแล้วเชื่อมโยงกันในเรื่องของขันติน ะ, ะยกตัวยอย่างว่า พระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญคันติบา ร, รมีนั่นก็ใช้น้อมไปเพื่อจะไม่ให้ศีลดันแตกทํำลายเป็นต้นฉะนั้นกรณีที่คนที่มีคันติสังวรทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่ค่อยโกรธให้สังเกตอีกอย่างนี้เอาดูตรงนี้ที่เปรียบเทียบตอนที่พระโพธิสัตว์เป็นธรรมปาละกุมารใช่ไหมตอนที่เป็นธรรมปาละกุมารที่เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นคนที่โกรธโกรธมากเกลี้ยวกราดมาก ตอนคลอดออกมาพรอโพธิษัทก็มีพระรูปงามอยู่แล้วใช่ไหมตอนนั้นน่ะพระมเฮสีซึ่งเป็นแม่ของพระโพธิษัทว์เนะี่ยทำมาป่าและกุมารเป็นต้นเหล่นี้ก็ออ้ยรักมากดูแลขพขาประงมมีอีกวันหนึ่งพระราชาก็เสด็จพระมเฮสร์ศรีไม่เห็นก็ไม่ได้ทําความเคารพโกรธเลยโกรธมากบอกโอ้โหกุมารนี้ขนาดเล็กๆเนี่ยยังความรักความห่วงใยให้กับ มารดาพระมาเหสีขนาดนี้ถ้าโตขึ้นมาหน่อยเราไม่อยู่ในสายตาเนี่ยไม่ควรเอาเด็กคนนี้ไว้ต่อไปต่อไปบัลลังก์เราเสียหายเราคิดหนักเลยไหมคนขี้โกรธเป็นคนขี้ระแวงนะเหคนขี้โกรธทั้งหลายเป็นคนขี้ระแวงมากยอมเป็นคนขี้ระแวงว่าเป็นไม่เป็นคําว่าขี้ระแวงเป็นจำนวนนะเป็นคนที่ระแวงเก่งไหมถ้าจะพูดให้ชัดตรงตัวนี้ไม่ใช่ว่าเป็นไหม ยอมผู้ชายลงจากบ้านแล้วแวงปุ๊บเลยนะยอมผู้ชายแล้วแวงไะไม่แล้วแวงเนาะวิศึกษาว่าทำไม่แล้วแวงยอมบอกว่าไม่แล้วแวงแล้วแก่แล้วแสดงว่าตอนไม่แก่แล้แวงย <c oughs> คือคือประเด็นตรงนี้ก็คือว่าโทสะเนี่ยท่านกรณีต่อมาก็ท่านก็สั่งค่าทาบอกว่าให้ทหารดาบตัดศีรษะมัน ตอนนั้นท่านจเจริญนั่นะเมตต า, ตาก็คือตัวเพื่อท่านกลัวเมตตากลัวศีลของท่านจะแตกทำร้ายนั่นแหละท่านกำพิจารณาเลยรักในพระมารดารักในใช่ไหมวางเฉยด้วยจะทำไงจะไม่โกรธเนะี่จำไม่โกรธจะไม่น้อยใจแม่ที่ไม่ช่วยชีวิตก็ดีไม่น้อยใจพ่อ ตนเองแล้วก็คนที่ถือดาบครับกรณีที่ขันติเนี่ยนถ้าเราพิจารณาดูแลเนี่ยเขาจะเป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะเขาจะตัดโทสะได้ฉั้นคนที่มีขันติมากในี่โทสะไม่ค่อยได้กินใจก็แต่ถ้าคนมีขันติน้อยโทสะเกิดบทฉะนั้นตัวลักษณะขันติสังวรก็เป็นไปบอกว่าอดทนต่อความบางคนนี่เป็นคนหุนหินง่ายมากนะเอางี้นะถ้าปิดแอร์แล้วนั่งฟังพระธรรม คิดว่าจะโกรธไหมปิดแอร์ตูมแล้วก็ฟังพระธรรมเนี่ยสงสัยถ้ายอยออกเลย <c oughs> จริงไหมแค่ตรงนี้เราจะเห็นชัดเลยอดทนต่อต่อความร้อนก็จะไม่ค่อยไหวเลยมนุษย์ปัจจุบันนี่ความอดทนจะไม่ค่อยไหวเลยเดินกุศลไม่ค่อยได้หนาวหน่อยก็ไม่ค่อยได้แนละ้วนี่เป็นไปอย่างงี้อราจสังเกต ด, ดูพอวันไหนนั่งรถแล้วเกิดแอร์รถเสียเป็นยังไงขับยิ้มทั้งวันเลยปะ อวันนี้ได้บําเพ็ญคันติสังวรคิดอย่างนี้ไหมต้องคิดให้ได้นะต่อไปอ่ะเยอะไหมต้องคิดให้ได้ฝึกแม้วันนี้ต้องได้วันนี้ได้เดินขันติสังวรโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่เห็นคุณของขันติสังวรเลยคืออย่างงี้นะคนเราพยายามป่วยหนักๆเนี่ยแอร์เย็นก็ร้อนร้อนมากแล้วกวลก็ไวามากฝึกไว้ ต่อให้มีเครื่องอำนวยความสะดวกยังไงเนยเปิดแอร์ขนาดไหนก็ร้อนเพราะร่างกายมันร้อนหมดแล้วไฟธาดดินน้ำไฟลมมันแปรปวนมาเยอร้อนเหงื่อไหลเอาซิคนอื่นก็หนาวแต่ก็เอ้ยเป็นไงบูมีพระไปอยู่ด้วยช่วยพัดให้หน่อยช่วยพัดให้หน่อยแต่ก็เอยทำไ ม, มอากาศร้อนยางเงี่ยอากาศร้อนยางที่ไหนได้ก็ถามอ่ะโหอากาศหนาว พระก็บอกอากาศหนาวจานกาดหนาวนี่เริ่มดูเริ่มหันมาดูขันติสังวรเออนี่เรียบร้อยแล้วตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เตรียมไว้เจอแน่ยศึกข้างหน้าเจอจะได้ไม่ไปกวลกวายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกวางแผนไหมวางแผนไว้เพื่อจะเดินในสังสารวัตเพราะถ้าไปเกิดบางพบร้อนมากไหมร้อนมากเลยในสังสารวัตรนี่ที่เราจะไปเนี่ย ไม่ใช่จะสุขสบายหรือคิดว่าเรารักษาศีลดีแต่ได้เกิดดีแล้วแหมศีลดีที่ไหนใช่ไหมกระท่อนกระแท่นแบบเนี้ยยังเดินศีนได้ไม่กี่สิบนาทีหลุดทีห้านาทีหลุดทีใช่ไหมบางทีหลุดรักษาได้สองนาทีหลุดแปดมียุ่งอะไรทั้งนี้นะให้เดินให้ได้ยาวๆถ้ามั่นใจกุศลศีนก็ไม่ต้องเตรียมโดดมากแต่ในนั้นก็คือขันตีสังวรเป็นกุศลศีนไหม เป็นนะตัวขันติตัวอะโทษะนะีะ่แหละอดทนเพราะถ้าว่าย่อมอดทนนะย่อมยอมรับไว้ได้แก่อธิวาสนาขันติอธิวาสนาขันตินะี่แปลว่าขันติรุนแรงเลยนะเหมือนขันติวารีดาวดบดะที่เขที่พระเจ้ากลาพูดตัดหูท่านนะ่ะตัดจมูกท่านตัดแขนท่านนะ่ะแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงดาวดบด ท, ท่านก็บอกดูก่อนมหาบุพิอตอาจมาทนได้เจริญพรเนี่ยในกรณีนี้ขันติสังวรเนะนะ แล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของวิริยะสังวรก็กล่าวได้แล้วอาชีวบริสุ์ที่ประการต่อมาคืออวิตริกรมะอยานะสังวรก็กล่าวไว้นะอวิตริกรมะก็คือความไม่กล้าร่วงที่เป็นศีลได้แก่กุศลจิตโิบา ท, ที่เป็นไปเช่นนั้นเป็นเหตุไม่กล้าร่วงกายกรรมวจิกรรมนะที่เป็นไปกับการทุศีลเป็นต้นประการต่อไปก็คือพูดในเรื่องของศีระนะมาเลยลืมพูดเพลินไปเลยเนะเวลาจะหมด ในสีระนะท่านให้สองความหมายมาจากคําว่าศีรณาได้แก่การตั้งไว้ด้วยดีที่ว่าสมาทานนังนี่นะความที่กรรมทั้งหลายมีกายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะที่ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยไม่กระจัดกระจายแล้วก็ด้วยอํานาจแห่งความเป็นผู้มีศีลลักษณะอย่างนี้ที่ท่านใช้คําว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่ตั้งไว้ด้วยดีด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นชื่อว่าศีลศีลเป็นเครื่องอะไร ศีลเป็นเครื่องตั้งไว้ดีๆของกรรมทั้งหลายคือกายกรรมเป็นต้นศีลเป็นเครื่องศีลเป็นสภาวะใช่ไหมศีลเป็นเหตุแห่งการตั้งไว้ด้วยดีของกายของวาจากายที่ตั้งไว้ด้วยดีคือไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพืติผิดในกรมวาจาที่ตั้งไว้ด้วยดีคือไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพือเจอือศีลเนี่ยตัวเจตนาศีลเนี่ยเป็นเครื่องตั้งไว้อย่างนั้น เป็นสภาวะที่ทําให้กายกรรมวจีกรรมตั้งเห็นไหมทําให้กายกรรมตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีไม่เกลื่อนกลลไม่กระจัดกระจายไม่สซ่านไปด้วยอํานาจความเป็นผู้ทุศีลถ้าลักษณะเขาเรียกว่าศีรษะนะโดยัราวบว่าสมาธานา่ะเข้าใจใไหมคำว่าศีรษะนะเนี่ยทำกรรมทั้งหลายมีกายเป็นต้นให้ตั้งไว้ด้วยดีทีนี้เราก็ไปพิจารณาที่ว่าเจตนาตั้งไว้ด้วยดีถึงจะเป็นศีรษะนะตั้งในกุศลแจิตเห็นไหมเป็นกุศลแจิตแล้ว ตัวกุศลจิตนั้นก็ออกมาตรวจสอบกายตรวจสอบวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีตัวเจตสิกศีนั้นหตัวทั้งสัมมาวาจาส ม, มากรรมตาส ม, มาชีวะตัวความไม่โลภไม่โกรธและปัญญาตัวนี้เป็นศีละณนะโดยฐานะที่ทํากายทําวาจาให้ตั้งไว้ด้วยดีไม่ซ่านไปไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายด้วยการฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นเข้าใจตรงนี้ไหมสวนสังวรทั้งหลายมี ปาฏิโมกสังวรหรือศีลสังวรก็ดีสติสังวรขันติสังวรวิยะหรียาณสังวรเนี่ยนะรวนแต่เป็นการที่จะทําให้กายกรรมวจีกรรมนั้นตั้งไว้ด้วยดีลักษณะเนี้ยอวิติกรมมการไม่ก้าวล่วงก็ไม่ก้าวล่วงโดยฐานะที่จะทํากายนั้นให้ตั้งไว้ด้วยดีทีนี้ตั้งไว้ได้ดีนั้นมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นศีลนะอมาเดินเร็วๆตรงนี้เลยนะคานเข้าไปทรงไว้มาจากคาว่าอุปัารนางัง อุปาท า, านานก็แปลว่าความได้แก่รองรับ อ, อาถาวะอาธารภาวะเดิมนาฏเป็นที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นที่เคยกล่าวบอกว่าเหมปรับพื้นที่อย่างดีแล้วสามารถที่จะไปชมสติปัฏฐานลงได้ใช่ไหมแปลว่าตัวกุศลศีนี่แข็งแรงไหมแข็งแรงดูตรงไหนดูตรงที่ว่าศีรนะ น, นีชัดเจนกิจของศีรนะนั้น ทำจัดความทุศีนทางกายทางวาจาและใจไม่เป็นบาปได้ใช่ไหมแล้วผลปรากฏของศีนคือกายสะอาดไหมสะอาดหรือไม่สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมไม่ใช่ว่ากายเนี่ยไม่ใช่กายแต่ว่าจาอย่างเดียวเนีะบางคนอุ้ยศีลก็ดูแลแค่กายกับวาจาใจคิดบาปได้คิดผิดได้ถูกเพราะศีลเกิดที่ใจมาจัดแจงดูแลกายกรรมวิญญารเนะื ฉะนั้นไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วโลกก็ได้โกรธก็ได้เห็นผิดก็ได้เสียหายเลยโลภก็ตรงข้ามกับอโลมะก็ไม่มีเจตสิกศีลโกรธก็ตรงข้ามกับอโทสะก็ไม่มีเจตศีลเห็นผิดก็ตรงข้ามกับปัญญาไม่มีเจตศีลคือสัมมาทิฏฐิก็ยังฉะนั้นตรงนี้เอามาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาศีระนะในความหมายนะ ในความหมายที่บอกว่าศีลศีลที่จะอันนี้ที่จะเดินนี่เดินศีลที่ไม่มีที่สุดแล้วนะศีลที่ไม่มีที่สุดไม่มีลาบเป็นที่สุดแล้วต่อไปเข้าใจประเด็นนี้แล้วนะไม่มีลาบเป็นที่สุดไม่มียศถาบรรดาศัก์เป็นที่สุดไม่มีญาติเป็นที่สุดไม่มีอวัยวะเป็นที่สุดไม่มีชีวิตเป็นที่สุด ศีลไม่มีที่สุดถึงจะเป็นไปถึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดใช่ไหมเป็นไปเพื่อการดับเพื่อการพ้นทุก์เพื่อบารีนิพพานเป็นไปเพื่อปราโมดปีติประสติความสุขสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายขันในในภูมิสามแล้วก็เป็นไปเพื่อวิราคะเพื่อการละลาฆะโทสาโมหะแล้วก็เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นใช่ไหม ศีลเหล่านี้ถึงจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากแต่ถ้าศีลมีที่สุดนะเ้าเรียกว่าศีล น, นั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อการดับเพื่อการปรินิพานเลยศีลเหล่านั้นมีตัณหาและมานะทิฐิเกี่ยวข้องไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากอันนั้นเราไม่เดินนะทีนี้ศีลเ น, นี่ยนะถ้าละปาณาทิบาตเป็นศีลไหมการงดเว้นเป็นศีลไหมเจตนาเป็นศีลไหม สังวรเป็นศีลไหมการไม่ก้าวล่วงเป็นศีลนะศีลเห็นแผนนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตนะเพื่อปาลามุตเพื่อปีติเพื่อปัสสธิเพื่อโสมนัสเพื่อเสเพื่อเอื้อเฟื้อเพื่อความเจริญเพื่อทําให้มากเพื่อความดับเพื่อเป็นบริขารเป็นบริวารเพื่อความบริบูรณ์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวด้วยเนาะเพื่อความคลายกําหนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อปริยภานนะ บรรดาศีลเห็นปันนี้สังวรปริสุดทีความบริสุทิแห่งการสำรวมเป็นอธิศีลไหมสังวรปริสุดท์ความบริสุ์แห่งการสังวรเป็นศีลหรือไม่เป็นศีลละสังวรสติสังวรญาณะสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรที่กล่าวม า, มาเมื่อกี้นะ หรือเจตนาเจสิกเป็นต้นเหล่านี้ที่เป็นสังวรและปริสุทธิ์ที่นี่นะความบริสุทธิ์เนการสังวรหรือสารวมก็แปลว่าปิดบาปไมห่หมุนเข้าสู่กระแสของจิตได้แล้วปิดราคะโทสะโมหะได้เมื่อราคะโทสะโมหะไม่ประชุมในใจตอนนั้นกายสะอาดไหมกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดนะจิตก็สะอาดแล้วเนี่ยถามหน่อยศีลกุศลศีลมีอะไรเป็นสมุฐาน มีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีมีปัญญาเป็นสมุทฐานใช่ไหมมีกุศลไปเศีลเป็นที่ประชุมของอะไรศีลเป็นที่ประชุมแห่งสังวรไหมสังวรทั้งหมดมาประชุมที่ศีลไหมศีลก็เป็นที่ประชุมของสังวรในกุศลเนาะเป็นที่ประชุมของการไม่ก้าวร่วงด้วยไหมเป็นที่ประชุมของเจตนาเจตสิกเป็นต้นฉะนั้นศีลเป็นที่ประชุมศีลพรตเจว่าสั ง, สงวร และก็ไม่ก้าวล่วงด้วยใช่ไหมสังวรคือปิดบาปไม่ให้หมุนเข้าสู่กระแสจิตและไม่ก้าวล่วงปานาติบาตไหมก้าวล่วงหรือไม่ก้าวล่วงไม่ก้าวล่วงการฆ่าคือปานาติบาตไม่ก้าสังวรหรือไม่ก้าวล่วงอาทินนาทานไม่ก้าวล่วงอะไรอีกกาเมสุมิฉาจารไม่ก้าวล่วงมุสาวาตไม่ก้าวล่วงติสนาวาจาคือผู้สอเสียด ไม่ก้าวล่วงพลุสวาตคือพูดหยาบไม่ก้าวล่วงสัมผัสปลาปะคือพูดเพื่อเจอ้อไม่ก้าวล่วงอภิชาคือความโลภไม่ก้าวล่วงพยาบาทคือความโกรธไม่ก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างนี้ชื่อว่าศีลเพราะอัถวะสังวรหรือยังสังวรแล้วไม่ก้าวล่วงหรือยังเป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลเห็นไหม ทีนี้ถ้าไม่กล้าล่วงอกุศลกรรมบท10อย่างนี้แล้วกายสะอาดได้อย่างวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดหยุดแค่นั้นไหมไม่ใช่เลยตัวกุศลศีลก็น้อมออกไปอีกไม่กล้าล่วงกรรมาฉันท่าด้วยเนคข ม, มา้าเห็นไหมน้อมออกจากการยินดีเพลิดเพลินในรูปเสียงกินรสเลยไม่กล้าล่วงพยาบาทด้วยโดยเมตตาหรือด้วยอพยาบาตเป็นศีนไหม ไหมตัวศีลมาประชุมกันแล้วไม่ก้าวล่วงเลยและไม่ก้าวล่วงอะไรอีกถีนมิธะด้วยอโลกสัญญาโอ้ไม่เลยมานั่งฟังธทำตั้งสองสมชั่วโมงไม่มีความง่วงแสกแปลว่ากุศลศีลทํางานนี่ยังเจตนาศีลเจิกศีลสังวรอวิติกะมะไม่ก้าวล่วงเห็นไหมไม่ก้าวล่วงถีนมิธะด้วยอโลกสัญญาฟังไปรู้สึกไหม จิตใจกําหนดแสงสว่างในใจก็ได้น้อมถึงแสงสว่างภายในใจแต่เพราะกุศลจิตสว่างไหมเป็นอิสระไหมบาปกุศลไม่แทรกในใจใช่ไหมไม่ก้าวล่วงอะไรอุทธจักกุกุจะด้วยด้วยอะไรด้วยความตั้งมัน่นใช่ไหมอุทธจักกุกุจัดคือความไม่ตั้งมั่นนี่ไม่ก้าวล่วงอุทธจักกุกุจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านนั่นเอง แล้วไม่ก้าวล่วงวิจิกิจฉาด้วยวกําหนดธรำเอาวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นคนที่แน่นอนไหมะจะเจริญศีลดีไหมนะไม่เอาดีกว่าสัดสายสสไหมซัดสายกําหนดลงไปในศีลกําหนดลงไปในสมาธิปัญญากําหนดลงไปในทานบารมีศีนบารมีอย่างนี้ก็เรียกคนไม่มีวิจิกิจฉาในการประพฤติธรรมขยอย่าง ไม่กล้าร่วงวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมแล้วก็ไม่กล้าร่วงอาวิชาด้วยญานะเป็นญาณะสังวรไหมเป็นญาณะสังวรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิด้วยเป็นเจตสิกศีนด้วยนะแล้วก็เป็นเจตนาศีลเป็นต้นด้วยไม่กล้าร่วงอรติด้วยด้วยความบันเทิงด้วยความลื่นเริงในธรรมนะธรรมพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วอันนี้ชื่อว่าศีนไหม ชื่อว่าศีแลแลยเพราะอาถรรพ์สังวรแล้วก็ไม่ก้าล่วงกามาชันท่ด้วยเนกกมะพยาบาทด้วยเมตตาหรืออภยาบาตีนัมิทาด้วยอารมคสัญญาอุทะจกุกูจาด้วยความไม่ฟุ้งสร้างวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมอวิชชาด้วยญาณารติด้วยความปราโมทต่อไปศีลต้องประชุมต่อไปไหมไม่ก้าวล่วงกามาชันทะพยาบาททีนัมิทาอุทะจกุกุจ่าวิจิกิจฉาไม่ก้าวล่วงนิวรด้วยปฐมฌาน หนีศีลไปประชุมในปฐมฌานแล้วอปนาสมาธิเกิดหรือยังเกิดไม่เกิดในนั้นมีเจตนาศีลไหมมีเจตสิกศีลไหมเ ว, นว้นเวรตีเอาไปนะมีตัวความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาในนั้นใช่ไหมมีสังวรครบเลยใช่ไหมมีทั้งปาฏิโมกสังวรมีทั้งสติสังวรมีทั้งญาณนะสังวรมีทั้งวิริยะและขันติใช่ไหมในปฐมฌานนั้น แปลว่าไม่กล้าร่วงแล้วออกจากกลุ่มนิวรธรรมได้แล้วแล้วก็ไม่กล้าร่วงปฐมฌานด้วยทุติยฌานใช่ไหไม่กล้าล่วงวิตกวิจาร์ไงก็ไล่ไปตามลําดับเลยแต่เนี้ยแล้วก็ไม่กล้าร่วงตาเทียฌานด้วยปีตินะีไม่กล้าร่วงปีติด้วยตติทียฌานไม่กล้าร่วงสุขทุกข์ด้วยเจตุติฌานไม่กล้าร่วงรูปสัญญาปฏิคัสัญญาอนะนัาตตสัญญา ด้วยอากาศานัญจายตนะสมาบัติไม่ก้าวล่วงอาการสาัญจายตนะสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติเห็นไหมดูศีลเวประชุมในวิญญาแล้วไม่ก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะสมาบัติด้วยอากินัญญายาตนะสมาบัติไม่ก้าวล่วงอากินัญญายาตนะสมาบัติด้วยเนวะสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัติสมาบัติแปดได้ไหรือยังได้แล้วอันนี้เราดูเส้นทางก่อนนะมันมีการเดินสองเส้นทางนะ บางคนเขเดินแค่อุปจาระเขาก็เบนออกนะเดินวิพัานนาต่อได้นะบางกลุ่มนี้เขาต้องการสมาบัติเขาเดินไปนะแต่เขาก็ต้องประชุมกุศลศีลไหมประชุมกุศลศีลเดินตามสายไปเลยแล้วก็ถ้าเดินออกจากอุปจาระเป็นต้นอะไนี้เขาก็เริ่มเดินเข้าสู่นิจานุปสนาไม่กล้าวล่วงนิจจสัญญาคือความสําคัญหมายว่าเที่ยงอทุกวันเรายังจําว่าเที่ยงอยู่ไหมจําว่าเที่ยงใช่ไหม เราก็ยังเห็นว่าตาหูจมกูกเล่นกายใจมันเที่ยงใช่ไม่ใช่เมื่อวานนี้ตาหูจมกูกเล่นกายใจเมื่อวานนี้กับตาหูจมกูกเล่นกายใจวนันเนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือคนละอันคนะอันหรือจริงหรือจริงในคําสอนหรือว่าจริงพรเห็นอ๋อจริงเพราะคสอนเนี่ยแตจริงไหมอ้าวตาหูจมกูกเล่นกายใจตอนเราประทานอาหารกับตาหูจมกูกเล่นกายใจตอนนี้เป็นยังไง คนละตาคนละคนละจมูกคนละลิ้นคนละกายละใจชักใกล้ออกมาแล้วใช่ไหมชักลำบากเลยตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนที่เบรกสามโมงกับตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนห้าโมงอันเดียวกันไหมคนละอ่านจริงหรือ <laughs> อย่างานี้เห็นไหมมันเริ่มเที่ยงเข้ามาเรื่อยแล้วนี่มันยังละไม่ได้ นี่เข้าใจยังนี้ยังละไม่ได้ยังละนิจจะสัญญาด้วยอนิจญานุปัสนาไม่ได้ศีลเลยไม่ประชุมกับวิปัสนาเขยายังศีลเลยไม่ประชุมวิปัสนาต้องเดินให้เห็นให้ได้ต้องเดินให้ใ ห, ให้ให้เห็นให้ได้ว่าไม่ใช่แล้วหมดไปตั้งตอนนั้นแล้วเดี๋ยวก็บอกเลยนี่คุณไม่ใช่ภรรยาผมแล้วภรรยาของผมคนนั้นคนที่แต่งงานตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นผมจึงไม่มี กาเมสุมิชาจารย์อไปได้ไหมเพราะภรรยาคนนั้นดับไปแล้วแล้วก็เป็นเหตุแห่งการประพฤติอย่างนี้ได้ไหมคนเราประเด็นนะระวังนะไปเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้เสียของเลยเงี้ยเข้าใจว่าถ้างั้นก็อย่าไปคิดเสียเลยโอ้ตายแล้วคนนั้นอยู่อีกคนนึงนเขาเอาไว้คิดตอนความโกรธเกิดแต่ไม่ใช่คิดเพื่อเพื่อจะเป็นเหตุแห่งการทาบาป ไม่ใช่คิดเพื่อจะทุศีลเพราะโดยบัญญัติโดยหลักการเนะี่ยทั้งชาตินั่นแหละที่ยังไม่ได้บอกเลิกลากันเนะี่ยไปผิดเพี้ยนไม่ได้ใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็บอกว่าได้รับแต่งตังเป็นกำนันเหมือนคนบ้านนอกเลยกินข้าวกับภรรยาไม่ได้เขาบอกคนคนก่อนไม่ใช่กำนันแต่คนนี้เป็นกำนันเองต้องจัดกับข้าวให่ต่างหาก ย, ยุ่งเลยแตเนี้ย เอาสแต่เนียกินข้าวร่วมก็ไม่ได้ใช่ไหมเแร็จเลยทากิจการร่วมก็ไม่ได้พูดอย่างเดิมก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่คนเดิมแล้วดันชาวบ้านไปเลือกเป็นกำนันภรรยาต่อถึงกลางคืนจะเข้าไปนอนในม้งกับภรรยาภรรยาบอกออกไปกำนันอยามานอนกับลูกบ้านพึงนึกได้โอ้พต่พึงนึกได้โอ้เขาใจยังแต่เนี้ย มันคนละประเด็นเนาะท่านคำว่านิจจสัญญาวิปลาสเนี่ยเราไปจําว่ามันเที่ยงแท้ที่จริงกระแสของชีวิตมันคนนั้นแหละแต่ว่ามันมาแบบความไม่เที่ยงเนอะใช่ไหมมันมาแบบการเปลี่ยนแปลงมันแตกตับแต่มันเป็นระบบการสืบต่อรูปปัจสนฐานนามาชีวิตเนี่ยมันเกิดดับซืบต่อย่อมทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจแหละ แต่ถ้าก้าวล่วงนิจจสัญญาความสําคัญหมายว่าเที่ยงด้วยอนิจจานุปัสสนาอันนี้เป็นศีลด้วยเป็นสมาธิปัญญาด้วยศิกขาสามเดินเนะืถ้าก้าวล่วงสุขะสัญญาคุยความสําคัญว่าสุขด้วยทุกขานุปัสสนาอันนี้ก็เป็นศีนสมาธิปัญญาไหมศีลก็เกิดเห็นไหมศีลมาสูงหรือยัง แล้วก็ก้าล่วงอัตตสัญญาวิปลาดด้วยอนัตตานุปัสนาเนี่ยเป็นไปในรักเดินไปนิพวรน า, าจนครบชุดเลยจนนู่นไปถึงม า, มาไม่มีเวลาแล้วพราหมดเวลาไปถึงในด้านของนุนลักกิเลสนะด้วยกิเลสไม่ก้าวล่วงกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับมิจฉาทิฐิด้วยโสดาปิมักเห็นไหมแปลว่าตอนนั้นน่ยมรรคจิตเกิด มีศีลไหมสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาชิวะเจตนานศีลเจตสิกศีลสังวรศีลเพียบเลยนะเอวิติกรมะเต็มไปหมดเลยในนั้นนะฮะนี่ศีลสมาธิมีไหมสัมมาวิมาสมาสติสมาสมาธิมีไหมส ม, มาธิฏฐิสัมมาสังปปมีไหมอริมักประชุมสี่ขาสามไปประชุมในนี้กิจของเราท่านทั้งหลายต้องเริ่มจากพื้นฐานศีลเบื้องต้นเนี่ยเดินให้ต่อเนื่อง พัฒนาศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นไปจนสามารถไปประชุมในโลกุตระได้นี่ถ้าประชุมครั้งแรกเป็นพระโสดาบันกิเลสพร้อมได้มิจฉาทิฏฐิขาดไม่กล้าล่วงแล้วคั้งที่สองกิเลสอย่างหยาบไม่กล้าล่วงกิเลสอย่างหยาบหยาด้วยสกาธาคามีมักครั้งที่สามไม่กล้าล่วงกิเลสละเอียดด้วยอนาคามีมักประการสุดท้ายก็ชื่อวอ่าศีลพัฒนสังวรและไม่กล้าล่วงกิเลสทั้งปวงด้วย อาราตมักสรุปตรงนี้เลยทีนี้ทัศนะปริสุทธิ์ที่ความปริสุทธิ์แห่งทัศนะจะขออภัยการสํารวมการสังวร น, นี่นะถามบอกว่าเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตรัสรู้เพื่อปริสิภานบรรดาศีนเหล่านั้นสังวรปริสุทธิ์ที่ความบริสุทธิ์แห่งการสังวรการไม่ก้าวล่วงเป็นต้นเป็นอทิศีนไหมเป็นอธิศีล จิตตั้งอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยการสังวรเป็นต้นย่อมไม่ฟุ้งซ่านเป็นอวิเคปปริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่จิตไม่ฟุ้งซ่านเป็นอธิจิตตะศิขาพระโยขาวาจรพิจารณาสังวรปริสุทธิ์โดยชอบเห็นตามความเป็นจริงก็ย่อมเห็นอวิเคปปริสุทธิ์โดยชอบทัศนาบริสุทธิ์เกิดขึ้นเป็นความบริสุทธิ์อย่งทัศนะเป็นอธิปัญญาไหม ในความสังวรในความไม่ฟุ้งซ่านและในทัศนะในในทัศนะคือความหมดจดเนะี่ยความสังวรเป็นอธิศีลสิขาด้วยไหมความสังวรเป็นอธิศีลสิขาการไม่ก้าล่วงเป็นต้นที่เป็นเนี่ยความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอธิจิตตสิกขาคําว่าสังวรเป็นอธิศีลนะนะฮะเป็นอาธิศีลน่ะแปลว่าศีลแข็งแรงแล้วนะความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอธิจิตตสิกขาความเหมียนแจ้งเป็น อธิปัญญาสิกขาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพิจารณานึกถึงสิกขาสามชื่อว่าย่อมศึกษาไหมย่อมศึกษาหรือเปล่าย่อมศึกษาย่อมรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตเมื่อน้อมใจด้วยน้อมจิตไปด้วยศรัทธาเอาสัตทินรีมีไหมน้อมจิตไปด้วยศรัทธานะเมื่อประคองจิตไว้ด้วยความเพียรที่ตั้งไวนะ้เนาะ ตั้งสติมั่นเมื่อตั้งจิตมั่นก็รู้ชัดด้วยปัญญาเมื่อรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งนี่รู้อภินโยยธรรมนะเมื่อกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้เขากําหนดรู้อะไรเนะี่ยรู้ทุกสัตว์เนี่นะเมื่อละทำที่ควรละละสมุทัยสัจจะไหมละกิเลสตัณหาเมื่อเจริญทมที่ควรเจริญนี่เป็นมรรคเมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําไม่แจ้งนิพานชื่อว่าศึกษาทุกอย่างหรือยัง ชื่อว่าศึกษาทุกอย่างแล้วโอวันนี้กินเวลายมไปห้านาทีแล้วสมควรแก่เวลาออาอุทิศกุศล ก, กันหน่อยเนาะมาพยายามเร่งเลยอาจตั้งใจนะบุญกุศลที่ทำมาทั้งวันเลยตั้งแต่สามโมงกว่าๆนะเก้าโมงกว่าๆพักไปบ้างถึงเวลาพักกุศลก็ยังเดินอยูะใช่ไหม กน้อมเอากุศลที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยนะให้เป็นปัจจัยในการจะอุทิศส่วนกุศลในกระสับกระสั์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจองมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว